จเจริญพรได้ยินนะครับได้ยินครับอาจารย์วันนี้คุณสาธกาเข้ามาก่อนนะเชิคุณสาธการพระอาจารย์คะเผอิญที่ทำํำนะคะเหมือนทําได้ไวขึ้นนะคะพระอาจารย์เข้าสู่ไอ้ภาวะที่บอกพระอาจารย์นะคะคือมันเป็น ว่างแล้วก็อย่างเงี้ยตลอดนะคะคือเ ข, ข้าได้ง่ายขึ้นแสดงว่าสติเราดีค่ะแล้วก็ทีนี้ลูกก็เลยแบบที่ฟังฟังนะคะก็เลยว่าลองแบบนั่งแบบว่าฟังเสียงเทศของพระอาจารย์นะคะ<อ>มันก็เข้าได้ง่ายมากเลยะค่ะแล้วก็มันก็ว่างแต่ทีนี้ความว่างของลูกอ่ะมันได้ยินแค่เสียงพระอาจารย์แล้วก็เป็นสีขาวหมดเลยอะค่ะพระอาจารย์ก็ ก็ได้จะฟังทำก็ได้หรือจะดูลงหายใจอย่างเดียวก็ได้ลูกลูกก็เลยว่าแบบเหมือนเหมือนลองหัดที่ว่าฟังฟังจากในในซูมเนี่ยค่ะที่เขาว่าลองลองลูกก็เลยลองเปลี่ยนทีนี้พอเปลี่ยนที่นั่งนั่งฟังเสียงเทพพรจารย์นะคะแป๊บเดียวมันก็เข้าอะค่ะอาจารย์เดี๋ยวเนี้ยมันเข้าง่ายมากเลยก็เน่เน่ให้มันเข้าแล้วให้มันอยู่นานๆให้มันเน่งเฉยๆไม่ให้คิดปรุงแต่งค่ะ แล้วมันมันมันไม่ฟุ้งซ่านเหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะอาจารย์พอพ อ, พอท่องแป๊บเดียวมันก็แบบเข้าได้ออพยายามเข้าบ่อยบ่อยมันยังเข้า<ด>หลายหลครั้ง ล, ลูกลูกเข้าหลายครั้งถ้าเป็นวันหยุดราชการอย่างเงี้ยค่ะแฟนออลูกจะอยู่แล้วลูกก็คือเขาก็ให้ลูกเข้าไปอยู่ในห้องอย่างเดียวเลยลูกก็เลยทําได้แบบตลอดเลยค่ะดีถ้าไม่มีความจําเป็นก็อย่าไปทำอย่างอื่นทำสมาธิดีกว่า ค่ะแล้วลูกก็เลยเลยว่าที่พระอาจารย์บอกว่าพอเสร็จแล้วให้มาปัญญาลูกก็คือลูกกป็ประมวลที่ว่าลูกเจอมาทั้งหมดอะค่ะที่ว่าตั้งแต่ทํางานมาจนแม่ดูแลแม่จนแก่จนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเขาตายแล้วก็ลูกก็มาประมวลเรื่องลูกก็ไปฟังที่ของพระอาจารย์นะคะที่ที่ youtube เกี่ยวกับเอทิธรรมบนเขาอ่ะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องอะไรนะ ปัญญาค่ะที่การเจริญวิปปัสนาปัญญาอะไรอะค่ะแล้วก็ดูเรื่องเกี่ยวกับไอ้การตายอะค่ะอาจารย์ที่เกี่ยวกับการตายนั่นแหละลูกก็เลยเอามาใช้พิจารณาไปเรื่อยๆอค่ะเก็บแตนผสมเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆอค่ะแต่ทำทุกวั น, นะคะ่ะอาจารย์ก็การ การพิจารณาความตายในเพื่อให้เรารู้ว่าสักวันหนึ่งร่างกายของเราก็จะต้องสิ้นสุดลงแล้วเราก็จะได้ไม่ทุกไม่ถึงเต็นตกใจค่ะเพราะว่ามั น, เ ป, น, เ, ปนเป็นธรรมชาติของร่างกายนี้ที่เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาค่ะจีนี้<ำ>ลูกก็พยาธิก่อนทำเพื่อให้ใจเราปล่อยวาง ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายนี้คมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันจะต้องตายกับเขินเสื่อสภาพเดิมคือดินน้ำลมไฟอะไรและร่างกายของคนอื่นก็เหมือนกันพิจารณาทั้งร่างกายของเราและพิจารณาร่างกายของคนอื่นอยู่เรื่อยๆทีนี้พระอาจารย์ที่ที่ลูกอะ่ะที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าแบบว่าเหมือน ถ้าเราหมอบอกว่าเป็นมะเร็งอย่างลูกเนี่ยทํางานอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วลูกเคยมีปัญหาเรื่องผ่าตัดสามครั้งก็คือมีก้อนโตที่คอก็สงสัยว่าเป็นมะเร็งแต่ว่าแล้วก็ที่หน้าอกที่ที่หน้าอกค่ะก็สงสัยเป็นก้อนเนื้อเขาก็เอาไปตรวจแต่ทีเนี้ลูกไม่ได้แบบตื่นเต้นอะไรเพราะว่าลูกมีความรู้สึกว่าทํางานตรงนี้ค่ะพอเราผ่าตัดเสร็จแล้วก็ต้องเอาชิ้นเนื้อไปตรวจลูกก็เลยไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันคือ มันเป็นยังไงทางศาสนาค่ะมันคือปัญญาหรือว่ามันเราทําจนเราเห็นจนชินนะคะให้มันชินนะที่มันไม่ชินมันก็เลยกลัวกันถ้ามันเห็นจนชินแล้วมันก็จะยอมรับว่าอมันต้องเป็นอืพอจิตเรายอมรับแล้วจิตเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ยอมรับมันก็จะทําให้จิตเราทุกข์ขึ้นมาค่ะ อาจารย์ถ้าอย่างนี้ที่พระอาจารย์บอกก็คือลูกลูกทำประมาณนี้แล้วลูกก็มาทําเรื่องทานศีลภาวนาให้มันแบบเต็มแบบเยอะๆเยอะๆแบบที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเหตุเหตุเหตุดีผลมันก็ต้องดีเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่<ม>ก็ทําทานไปถ้ามีเงินเหลือเฟือ<ม>ก็ออกไปทำบุญทําทานดีกว่าไปเที่ยวไปกินไปเดิน เพราะว่าท <muitas S 2> ี <sketches> ่ล oh. ูกทําเพิ yeah. I mean, ่มมาปกติอลูกใส่บาตรทุกวันแล้วลูกก็โอนโนเงินบริจาคทุกวันแล้วก็ทีนี้พระอาจารย์บอกว่าบางส่วนให้เก็บเอามาแบบเหมือนใส่ไว้พอเวลาจะไปทําบุญก็เอาส่วนเนี้ยที่เหมือนสะสมไปเรื่อยๆค่ะแล้วเอาไปทําบุญแล้วไอ้พวกนี้แบบเหมือนเงินเดือนลูกก็โอนลูกก็พยายามทาอ่ะแต่มันเป็นปกติอะค่ะอาจารย์ ก็ทำได้ก็ทําถ้าไม่มีทําก็ไม่ต้องทํำนะมีค่ะมีค่ะเอาพอประมาณเนีไยแต่ก็ต้องมีเก็บไว้วันวันวันข้างหน้าด้วยเผือเราแก่เผราเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเราจะได้ไม่ต้องไปรบคุยกัเออินเขาค่ะก็ก็จะประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าวันวันนี้แฟนเขาก็มาอยู่ๆเขาก็แบบอยู่ๆเขาก็เอาไอ้แผ่นมาแล้วก็เหมือนว่าเนี่ย ถ้าฉันตายอ่ะทั้งหมดเลยนะที่ฉันเก็บอยู่ตรงนี้ตรงนี้ลูกก็แบบฟังแล้วลูกก็เฉยแล้วเขาก็บอกว่าลูกเขบอกเออแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยเขาลูกลูกก็หรือ ล, ลูกเป็นคนขี้เกียจปอาจารย์เลยเฉยเฉยเขาบอกว่าลูกไม่ตื่นเต้น อ, อ, อะไรเลยหรือไงอะไรอย่างเงี้ย เ, เรามีความสึกทางใจแล้วเรื่องคับสมบัติเข้าวของเงินทอไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญ อ, อืมลูก ลูกก็บอกถ้าถ้าให้ลูกกับลู ก, กขอแบ่งส่วนหนึ่งเอาไปทำบุญแล้วก็มีแค่พอที่แบบใช้เพราะว่าลูกอ่ะมีบำนาญเนี้ยคับอาจารย์เออเป็นรัชการแล้วก็แฟแล้วเราไม่มีลูกไงค่ะอาจารย์ ม, มีอยู่สองคนเงี้ยเพราะว่าแม่ลูกกับแม่แฟน่ะตายใกล้ๆกันเลยค่ะประมาณแบบสองอาทิตย์ต่างกันอย่างเงี้ยมันก็เลยแฟนลูกอ่ะก็เป็นเพศาร ทำราชการล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเขาลาออกอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีบำานาญอยู่แล้วอาจารย์ก็เลยไม่ไม่รู้จะแบบไปพอพอประมาณนะคะดีถ้าพอประมาณก็พออยู่ได้ก็พอไม่เดือดร้อนให้เอาการปฏิบัติเป็นเป็นเป็นหลักส่วนเรื่องการทำบุญท ำ, ท, ำทานนี่ก็เป็นเป็นรอง ถ้ามีโอกาสก็ทําไม่มีโอกาสก็เราไว้ก่อนเราไว้ก่อนก็ได้ค่แต่ต้องปฏิบัติทุกวันต้อปฏิบัติอ๋อลูกทําทุกวันเลยค่ะพระอาจารย์่ถ้าเป็นวันหยุดราชการนี้ได้แบบเต็มที่เพราะว่าเขาล่เลยไปพยายามปล่อยวางในสิ่งที่เรายังติดอยู่นะเรายังทุกข์ยังกังวลอยู่ก็ต้องพิจารณาเพื่อปล่อยวางค่ะยึดตามพระอาจารย์เลยเนี่ย กี่กี่กี่โรงพยาบาลนี่ก็ตื่นเต้มากเลยค่ะที่แฟนทมอะคะ่ะเออแฟนเขาไปเล่าแฟนเขาไปเล่าใช่ใช่เขาไปเล่าพวกเพื่ศัตร์แต่เขาทุกคนรู้จักพระอาจารย์เกือบทั้งนั้นเลยนะคะอแต่อันนี่ยเขาบอกว่าก็อยากไปรูกบอกมาม า, มาเลยเดี๋ยวพระอาจารย์ชวนปวดอย่างเดียวค่ะค่ะพระอาจารย์งั้นแค่นี้นะคะพระอาจารย์ขอบ <Yeah. S 2> คากคนสมพรเชิจากกรุงเทพใช่ไหมคุณสมพรจากประยองครับจา ก, อจากออขอรายงานการปฏิบัติธรรมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทั้งทั้งในนอกรูปแบบคือยืนเดินนั่งนอนให้มีสติที่ยังทำได้ไม่ไม่ดีนะส่วนในรูปแบบก็พยายามนั่งทุกวัน วันละประมาณสองครั้งก็ครั้งละประมาณสักยี่สิบถึงครึ่งชั่วโมงนะครับที น, นี้เ อ, อในในใ น, ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเ อ, อเมื่อนั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยมันดีบ้างไม่ดีบ้างก็หมายคุณว่าบางครั้งก็รู้สึกสงบบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะทําให้สงบได้ไม่ทราบอาจาร์อาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินได้เถอเอาเอาพอดีรูปรูปหายไป่า ตอนนีมน้มันมีลักษณะเหมือนกับว่าการเข้าที่ตกภวังเนี่ยมันมีอาการอันหนึ่งก็คือสะดุ้งแล้วก็เข้าสู่ภวังประมาณสองครั้งซึ่งอาการลักษณะนี้ก็ไม่เคยปรากฏมาครั้งก่อนเนี่ยมลักษณะเหมือนกับวูบลงไปแล้วก็แล้ว ก, แวก็แล้วก็อยู่ในผวังแต่ครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันสะดุ้งสะดุ้งเหมือนสะดุ้งเฮือกแล้วก็เข้าไปสู่ผวังอันนี้ถือว่า ปกติหรือปิดปกติกันอ๋อก็มันจะว่าปกติก็ไม่ไม่เฉยไม่ปกติก็ไม่เฉยมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะอแต่ละคนอาจจะมีอะไรแปลกๆข้อสําคัญย่อคือขอให้มันสงบให้มันอยู่ในความสงบก็แล้วกันแต่วิธีมันจะเข้าในมันแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันหรือในคนคนเดียวกันกอาจจะไม่เหมือนกันทุกครั้งไปก็ขอให้เราดูทามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกัน เป้าหมายก็คือขอให้มันสงบไปนแล้วกันครับที่ที่เราพิสูจน์ได้ว่ามันสงบก็คือเวทนากับอะไรต่างเนี่ยมันรู้สึกมันมันเบาบางไปเยอะเราคิดว่าเอออันนี้น่าจะน่าจะใช่แล้วเป็นทางที่ว่าเราเข้าสู่ระวังแล้วอย่างนี้ถูกไหมครับก็เวลาสงบมันต้องนิ่งอ่ะมันเฉยมันสบายไม่มีอารมณ์มรับฉช้โกวนหลงเลยครั บ, บแต่สามารถ สมาธิในขั้นนี้ยังเินเป็นแค่อุปจารสมาธิใช่ไหมครับหรือว่าก็ไม่รู้มันเพราะมันไม่มีเจวัดว <Yeah. S 1> ัดเป็นอุปจารหรือเป็นอลักปัญหเพม่แต่พูดว่าถ้ามันสั้นมันก็อุปจารถ้ามันสั้นมันกับคณิกะถ้ามันยาวก็เป็นหลักปัญหาส่วนอุปจารานี้อีกอย่างหนึ่งคนละอย่างครับอุปจาระนี่เป็นสมาธิที่ไปน้องไป ไปโลกทิพย์ไปติดต่อกับกายทิพย์ไปแล้วสรุปก็ก็น่าจะเป็นคณิกาสมาธิยังไม่ถึงกับเข้าฌานยังไม่ถึงฌานหนึงก็แล้วแต่ว่ามันถ้ามันเป็นสมาธิฌานจริงๆมันจะต้องมาสะจั่งใจนะมันจะเจอความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงกับโอ้ยังยังยังไม่จะแสดงว่ายังไม่ไม่ไม่ถึงจุดนี้มันจะติดใจถ้าได้พบกับสมาธิแบบนี้มันจะติดใจ แต่ลักษณะสมาธิที่เคยเคยปิติขึ้นมาเนี่ยสมัยงานมากแล้วเคยเคยทําอยู่แต่ก็ก็ได้มาครั้งเดียวแล้วก็แล้วก็ไม่ได้เลยแล้หลังจากนั้นก็ทํางานทําการก็ไม่ได้มียวการก็ทําใหม่ก็แล้วกันถ้าทำใม่บ่อยต่อไปก็เข้าถึงเองฝึกสติให้มากๆสตินี่เป็นตัวสําคัญคช่วงที่เราไม่นั่งเนี่ยเราต้องมีการเจริญสติกควบคุมความคิด อยาให้จิตไปคิดเรื่องราวต่างๆให้มันอยู่กับหน้านกายที่กําลังทําอะไรอยู่ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้มันอยู่กับหน้านกายที่กําลังทําอะไรอยู่เหรือมันอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปกับมีคําถามอีกอันนึงพอดีไปอ่านหนังสือของของหลวงปู่มั่นที่มีคําว่าถีติปูตังแล้วก็ที่หลวงตามาบูวใช้คําว่าปัญญาอบรมสมาธิอันนี้ไม่ทราบคือ สติผู้ตั้งก็คือจิตดวงจิตเดิ ม, จ, ดมจิตที่เข้าสู่สมาธิมันก็จะเป็นเหมือนจิตเดิมเป็นจิตที่ปราศจากความคิดปรุงแต่ตงต่งางๆก็เลยจะสัจธรรมรูหมายหมายถึงขั้นนั่นนี่หมายว่าสติกับจิตรวมแนบสนิทเป็นร้อยเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมก็นั่นแหละแบบที่บอกว่ามันเนิ่งสมองมากๆเนื่องจากตัวรู้ผู้รู้อย่างเดียวครับครับ<ำ>แล้ว ปัญญาลมสมาธิก็คือการใช้ความคิดทางปัญญาระงับความฟุง้งซ่านนนั่งแล้วยังกันวนงวลกีัวเรื่องขวบคลัวเกี่ยวกับเรื่องโควิดอะไรนี้ก็ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาตายรักได้ว่าร่างกายของคนเราเกิดแล้วมันต้องเจ็บไข้ต้องตายไม่ว่าฉันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจ็บและก็ต้องตายถ้ามันเห็นด้วยปัญญามันก็จะ ระรับความคุ้งซาดไาด้สงบตัวกลับมาภาวนาดูลมและพุโทโธต่อไปได้นี่เลยว่าปัญญาบมสมาธิครับแล้วอะไรคือเหตุปัจจัยที่จะนําไปสู่การเกิดสภาวะนั้นเหตุปัจจัยดีก็เวลาคุณไม่สบายใจจะมานั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้กังวลอย่าเรื่องนั้ น, ร น, ร น, นเรื่งนี้ต้พิจารณา เ, เรื่องที่คุณกังวลได้เหื่องเป็นใรับเปรื่องที่คุณก็ทําอะไรไม่ได้ เช่นก <c Ris ky> ังวลว่าจะติดโควิดหรือป่าอย่นี้กังวลไปมันก็ไม่ได้ทำให้มันเปลี่ยนแปลงอะไรถ้ามันติดมันก็ติดถ้ามันไม่ติดมันก็ไม่ติดครับผมผมเข้าใจถูกต้องไหมว่าการจะต้องฝึกสติจนกระทั่งมันเหมือนกับว่าสติกับจิตเนี่ยรวมกันเป็นอัตโนมัติเลยอย่างนั้นถูกต้องไหมครับคือมันก็ต้องมีสติตลอดเวลา ไปควบคุมจิตแม้ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้รู้เฉยๆแลวุยช่วยคุยกันนี่ก็ให้มันอยู่ที่ที่การคุยกันแม่มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งสภาวะนั้นเนี่ยทําทั้งหลายเนี่ยจะหลั่งไหลเข้ามาถูกต้องอมันก็จะทําให้เราสามารถเข้าสู่ความสง บ, บได้<ม>เข้าสู่สมาธิไนดะ้ก็ยังยังเจริญปัญญาไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะปัญญาเราต้องมา อ, ออกจากสมาธิก่อน ออกสมาธิแล้วก็มานั่งคุยกันอย่างเงี้ยคุยเรื่องปัญญาสอนใจเรื่องอนิจจามีอะไรบ้างทิมเป็นอนิจจานั่งกายเป็นอนิจจามั้ยเปล่าทรัพย์สมบัติเป็นอนิจจามั้ยเปล่าวิเคราะห์ไปเพื่อหเห็นภาพควาเป็นจริงของสิ่งต่ตางๆที่เรามีอยู่เนี่ยว่ามันเป็นของเราจริงมั้อเปล่าว่ามันจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดมั้ยเปล่า ก็ใชครับแล้วทางนี้แล้วปัญญาคือเราเองเนี่ยเราปรารถนาที่จะไปถึงจุดนั้นเร็วๆเนี่ยเราควรจะทํำยังไงครับก็ต้องปฏิบัติทั้งวันเริ่มทำงานอืมปฏิบัติอย่างเดียวต้องสติให้อยู่ได้ตลอดทั้งวันเอจำกองนั่งสมาธิสลับกันไปทั้งวันเมื่อทำกินอย่างไยนอกจากกินข้าวอาบน้ําน้างหน้าแปดพันแล้วนั่นก็เอาเวลามาปฏิบัติ อืมก็ต้องต้องให้เวลามันเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยอ่าก็นั่นแหละก็ร้อยเปอร์เซ็นถ้าเอาเวลาไปทํางานมันจิ่ก็ต้องไปคิดเรื่องงานเรื่องการมันก็ฟุ้งกันไมดเวลาจะมานั่งสมาธิมันก็หยุดเป็นไม่ได้อืมแสดงว่าที่เราปฏิบัติอยู่นี่ยังอ่อนด้มากเลยที่มันเป็นสมรักเล่นแล้วนักกีฬามันมีแบบมืออาชีพแบบสมรักเล่นใช่ไหมครับ สมหรับมือเอาวันพักผ่อนวันไหนเราอยู่ทํางานแล้วก็ไปตีก็กป็นอะไรแต่ถ้าเป็นมือโปรนี่ก็ต้องไปตีทุกวันเลยรทุกวันคือคือตัวเนี้ยไม่ได้ทํางานแล้วก็คือเกษียณอายุแล้วเพียงแต่ว่าที่เราให้เวลาเนี่ยนั่งสมาธิสักประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นอกนอกเวลานอกรูปแบบเนี้ยทำได้ยังไม่ไดีเท่าไหร่ยังไม่เป็นมือโปรยังไม่เปิดก็ต้องต้องพยายามอีกอีกอีกอีกหลายยกไม่ต้องตัน จดกิจกรรมอย่างนื่นไปห้หมดนะออืมอืมมนี่ถ้าอยู่กับคนอื่นมันก็ทําไม่ได้เดี๋ยวทางบ้านก็อยากจะให้พาไปที่นวนที่นี่ไปทํากิจร่วมกั น, ไ, นไหมอะไรร่วมกันแต่ า, านั่งแต่เดี๋ยวจะ ก, ก้มนั่งสมาธิคนเดียวเขาเดี๋ยวเข า, เขาก็นั่งแถวจากบ้านเอ้อไปอยู่วัดไปครับคือคื อ, ค อ, คอทิฏฐิภูต่างนี่คืออย่างน้อยต้องได้โสดาบันก่อนหรือเปล่าไม่ไมเป็นสมาธิเป็นสมาธิลงสู่ฐานอยมัน อืมโนเซวความสนุมครับซึ่งซึ่งยังไงก็ต้องเจริญปัญญาเพื่อเพื่อที่จะตัดกิเลสต้องปัญญานั้นต้องมาหลังจากได้ได้ทิติภูตังก่อนให้จิตลงถึงทิฏฐิภูตังก่อนอืมเราจะรู้ว่าอธรรมชาติของจิตที่แ ท, ท้จิตที่ปราศจากภาภูมแต่งเป็นยังไงโอแสดง ว, ว่าอันนั้นก็คือเสาหลักอันแรกที่เราต้องไปเข้าไปให้ถึ<า>งจะแปลว่านี่คือจุดที่เราต้องการให้เราอยู่ในตรงจุดนี้ คูครับครับโอเคก็ก็ก็เคลียร์ในใจไปได้เปราะเด็กว่าจุดจังต้นจุดแรกที่จะต้องไปให้ถึงก็จะเปจุดนี้ก่อนแต่ที่เหนืามันไม่ยอมให้เราไปถึงจุดนั้นมานชอบเล็งเราออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสจันั่นนั้นนั่นคือเราต้องสู้กับมันตลอดได้เ ร, รเราต้องนึงจิตให้เับเข้าไปสึ่จุดจุดนั้นได้ที่ติดภูกิใจ แล้วพออยู่จุดนั่นแล้วถ้ามันออกมาก็ต้องใช้ปัญญาไล่มันกลับเข้าไปครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ปัญญาถึงจะอยู่ในนั่นได้อย่างถาววัครับ ม, ม, มีจุดหนึ่งที่ผมสูงสิที่เกี่ยวกับผมป ร, ประสบการณ์สุดตัวนะที่ว่าเวลามีเมตเวทนาแล้วเราเผชิญหน้าสู้กับมันเนี่ยจะสู้ไม่ไหวครับอันนี้ต้องต้องเรียกว่าอย่างสมมติคันอะไรเนี่ยต้อง เราต้องดึงดึงดึงดึงให้มันกลับไปที่ถิ่นถูกตังแล้วมันก็จะสู้ได้ถ้ามันถูกปเปลี่ยนยิ่งออกมาแล้มันก็จะไปายามให้ความเจ็บหายไปเพราะมันไปยึดไปติดว่ามันอมันเป็นผููเจ็คิตจริงมันไม่ได้เป็นผููเจ็ตร่างการทูเจ็ตอย่างนี้ก็คือต้องตัดสกายาทิถิตัวนี้ก่อนอต้องใช้ปัญญาัาดึงมันกลับเข้าไปที่ทิ่นถูกตังให้มันลุ่งเฉย โอเคหมดคำถามกับถ<ร>้บ้ยังไม่ไปถึงจุดนั้นก็เจรปัญญาไม่ไม่ไม่รู้จะอะไปทำไงอ้อมันไม่มีจุดยืนสแสดงว่านั่นนั่นคือเป้าหมายแรกเลยที่ต้องไปถึงก่อนต้องนึ่งจิจให้เข้าไปอยู่ตรงจุดจุดนิ่งสมดจิตเป็นกลางจิตที่จิตเดิมอย่างนีค้ครับครับแล้วพอกิเลสนำนล่อให้ปรุงแต่งออกไปหาขันห้าก็เนืมันกลับเข้ามาบัาไปขันห้ามันทุกข์ เป็นไต่ลักเป็นอนิจจังทุกขังทนัตาเมืหรือกี้เลยมันจะเดินให้เราไปหาลาภสยชน์รัศเสยก็เหมือนกันมันก็เป็นทุกข์แตู่่ต้องมันต้องอยู่จุดนี้ตลอดเวลาครับทีติภูตังนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการเจริญปัญญาเลยก็เป็นจุดที่ ท, ที่ที่ปั ญ, ญญาจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง คือเราก็มีความมั่นใจว่าปัญญาที่เข้ามานี่เราใช้ปัญญาเพื่อรักษาให้จิตยืนอยู่ตรงจุดนั้นอืมแต่กิเลสมันชอบหลอกให้มันให้จิตออกจากจุดนั้นอืมมาวุ่นวายกับขันห้ามาวุ่นวายกับราบยศสรรเสริญโลกธรรมทั้งหลายครัเพราะนั้นเระต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าโลกธรรมขันห้าเนี่ยมันเป็นทุกเป็นไตร ล, ลักษณ์มันจะได้หดกลับเข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นครับ ก็คงหมดคำถามที่นี้แต่ถ้ายังไม่ไปถึงจุดนั้นก็ไม่รู้ว่าจะจุดนั้นอยู่ไหมเป็นอย่างไรัรรเพราะถ้าถึงจุดนั้นแล้วมันจะบอกวนี่เป็นจุดที่สุขที่สุดมิเศษที่สุดปลอดภัยที่สุดเดี๋ยวจะติดสุขตรงนั้นอีกหรือเปล่าเต็ก็ไม่เป็นไรเต็ดไม่ต้องให้ติดเพราะถ้าติดได้มันก็เป็นนิพพานขึ้นมาได้ครับไม่ต้องติดับให้มันอยู่ได้ อยู่ในสภาพนั้นตลอดเวลาไม่ให้มันออกมายุ่งกับสังขารไม่ให้มายุ่งกับขันห้าไม่ให้มายุ่งกับราบยุสระเสื่โลกธรรมทั้งหลายครับแสดงว่ามีการบ้านอีกเยอะมากที่จะต้องต้องทําอีกเยอะก็เริ่มต้นที่กองก่เขาไขของการปฏิบัติก็คือสติเนี่ยคเมินตาขึ้นมาแ ก, ก็ต้อง ค, ควบคุมจิตควบคุมความคิดทันทีอย่าปล่อยคิดเรื่อยไปครับคิดเท่าที่จะเป็นต้องคิด แล้วก็นั่งสมาธิเพราะว่างจากภารกิจที่ต้องทำเสร็จก็มานั่งสมาธิต่อนั่งจนเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินต่อสลับกันไปแต่จะริกสติตลอดทุกวิเรียวหมดเข้าใจเข้าใจแล้วเดี๋ยวสติกำลังมากขึ้นมันก็จะสามารถดึงกิจให้เข้าไปสู่ตรงจุดจุดของที่ติผูตามได้ โอเคหมดคำถามครับท่านท่านประจัยออ์ครับนบมัสการครับถมามมุนิตาหายหน้าไปไหนมานม่ก้าวข้าวข้าผีท่อมหรอเ่าเนี่ยไม่อค่ะพอดีเมื่อวานหนูเข้านอนเร็วเลยไม่ได้เข้าเลยมาเข้าวันนี้แทนจะเค่ <c oughs> หนูอ๋อหนูมีคำถามเกี่ยวกับสมาธิเหมือนกันค่ะพระอาจารย์คือหนูอยากจะถามว่าอัปปนาสมาธินี่คือเทียบเท่ากับฌานสี่ใช่งไหมคะ ตัแต่ชา้นสี่ขึ้นไปเป็นอัปปนาค่ะก็คือใช<า>้แค่ชันหนึ่งสองสามก็คือยังไม่ไม่ถือเป็นปอัปปนายังกําลังกําลังเข้าสู่<า>ยังมียังมีการฝึกตองอยู่ในวิตกในวิจารอะไรตึกวิตกวิจารในที่เนี่ยค่ะอาจารย์ในกดูลงไหมการตึดูลองหรือว่าเป็นการตึกตอง๋อการท่องดูลองก็จึก ลองรู้ว่าลองเข้าหรือลองออกอะไรก็ตามอ๋อค่ะเรื่องพูดโทก็เหมือนกันอ๋อก็ทางบริกรรมก็คือเป็นการติดต่องูตูดต่อง่ะแ้วก็ถ้ามันตกรูงมันสงบแน่งแล้วก็ติดตองก็หายไปเหลือแต่โอเบคขาข้อชาติีนะข้อชาตสีก็คือเป็นเพียงพอที่จะโอเบคขาหรือแต่อุเบคขาหรอแต่อุเบคขาค่ะกะ ไม่ทชาบว่าชันสีนี้คือเพียงพอที่จะดําเนินวิปัสสนาคือเข้าทางไปยังโอเค okay, ค่ะแต่ต้องต้องฝึกบ่อยๆไม่ใช่แค่แค่ครั้งเดียวครั<ภ>้งเดียวมันเหมือนเด็กตัต้งยืนหัดยืน่ยค่ครั้<ภ>งเดียวมันต้องหัดยืนหันเดินหันวิ่งได้ได้ให้มันชานาญค่ะ<ภ>ให้มันสามารถมีทั้งในขณะที่นั่งอยู่ในสมาธิตั้งขณะออกมาก็ยังรักษาชานชานชานี้ได้ รักษาชาตในขณะที่ออกจากสมาธิครับรักษาเอาในขาไว้ให้ได้นะออก็คือมีอะไรมากระทบเราแต่เราก็ยังรู้สึกเฉยได้ก็ต้องต้องจำนานในการเข้าเมื่ออยากจะเข้ามาอะไรก็เข้าได้เมื่อเห็นจิตฟุ้งซ่านก็หยุดมันเข้าสมาธิไปค่ะเหมือนกับสมาธิมากก่อนไม่ต้องกัวงวลนักปัญญามาก เข้าออกอัตโนมัติเหมือนแบบเหมือ น, นเหมือนเรากดสวิตเปิดปิดไฟอยเงยนั่งหลับตาทุกพนาทีก็นึ่งอ๋อค่ะค่ะพระอาจารย์ขอบคุณมากวัออนนี้หนูหมดคำทำละค่ะโอเคอครูนันทกุลแตาวันนี้คุณต้อไม่อยู่นะปิดฝิดไมก่อนครูนันทกุลมีปกอยู่ด้านหน้าโอเคกลับมัสการพระอาจารย์ฮะวันนี้ต่อไปคลาสหรือยูเนี่ยน ขาดเรียนเลยฟังเป็นผู้แทนมาเรียนจากสาบครับผมสบายดีนะสบายดีครับทำไมไม่ได้ไปด้วยกันเหีอยครอ Class เ e ียนเนี่ของเซนฟังเําไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว out of class อันนี้เขาไม่เขา่ให้คููครองไปด้วยอันนี้เขาลิมิตชเป็นลิมิตเฉพาะตัวนะ classify เป็นฟังฮะไม่คิวเซเว่นเครับครับนี้มารายงานแทนแล้วก็จะไมคอับทางด้าน YouTube ไมคอัพยังไงเลยก่อนมาฟัาดูมาฟัอทีหลังมาฟังทีหลังนะมีอะไรไมไม่มีอะไรนะไม่มีครับโอเคเอาไปที่ท่านต่อไป อาบลินชาญลีนเจ้าหนมัทการครับเอ อ, อันนี้เจอพระธราว่าหนึ่งคือในชีวิตประจำวันนี่เวลาเจอกิเลสเข้ามาหรืออะไรที่ไม่พอใจก็พุโทโธพุโทโธไปนั่งสมาธิก็เวลามันเข้ามาก็พุโทโธได้แต่เวลาหลับนี่มันมาเป็นคลื่นสึนามิเลยหลวงพ่อทํไงดีครับเวลหลับก็ต้องทนไปนั่งกระต่ายเวลาหลับก็นั่ไปคือแบบ มันตื่นมานี่มันอ่อนฟ้าอ่อนเพลียเลยแบบตอนแรกคิดว่าไม่ได้เก็บมาคิดนะครับแต่เวลามาตอนฝันที่เราแบบไม่มีส ต, ติอ่ะครับหลวงพอ่อเออ้ก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาฝันมันก็จะมาไม่มาถ้ามีสติมากขึ้นคอยสกัดมันได้มากขึ้นต่อไปมันเข้ามาน้อยลงไปเรื่อยอ๋อครับก็ตอนตอนแรกคิดว่าในชีวิตประจําวันเราจะไม่ได้เก็บมันมาคิดแต่ที่จริง เราก็เก็บมาคิดโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างนั้นใช่ไหมครับหลวงพ่อ <Yeah. S 1> <ร>มันก็เลยเข้ามา <Yeah. S 2> ในหวนรเราปัจจุบันปกติเรายัางน้อยมากวันวันหนึ่งเราจะรู้สึกตัวสักกี่วินาทีตอนนั้นก็นถูกไปตามกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวตลอดวันครับ <Yeah. S 2> แล้วอันนี้อ่านหนังสือธรรมะว่าอันนี้ส่งของการนั่งสมาธิ เหมือนงูแลบหลิ้อหรือช้างกระดิกหมูยังมากกว่าคนรักษาศีลเป็นร้อยปีโดยไม่ได้ทําสมาธิมันใหม่ถึงยังไงอะครับอ่ก็การกักกลุมจิตมั น, นได้มากกว่าใช่ศีลนี่กักกลุ้มจิตก็ได้อเท่ากับการนั่งสมาธิทํำจิตให้สงบถ้าจิตสงบนี่เท่ากับรักษาศีลได้ทุกทุกข้อเลย ไม่ฆ่าสัตว์ไม่อะไรทั้งสิ้นไม่อะไรเพราะตอนนั้นนิ่งเอยชไม่ไปมันไม่ทำอะไรทั้งสิ้นไม่พูดไม่ต่อให้คนระดับช้างกระดิ่งบบถูมันยังแล้วก็แล้วก็เรื่องสุดท้ายคือได้ยินพระเจ้าออุปมาว่าการอุทิศบุญแบ่งบุญเหมือนกันต่อเทียนคือบุญที่ต่อเทียนนี่คือบุญที่เราแบบถวายทานอย่างเดียวใช่ไหมครับหลวงพ่อ ก็พูดชาวทงแสดงบุญที่เก่อจากการให้ทานอย่างเดียวทาไมเคยพูดเรื่องบุญที่เก่อจากรักษาศีลปิบัติธรรมเมื่อเรามาว่ากันเองนั่นโอเคครับก็ถ้าปฏิบัติเป็นเรื่องเรื่อยๆมันต่อให้เรื่องที่มาในความฝัมนก็จะแบบเราเวลาฝันปับ๊บเราจะรู้ว่าเป็นความฝันแล้วเราจะตัดมันไปได้อย่างนี้ใช่ไหมครับหลวงพ่อเวลานอนหลับมันไม่รู้หลับก็ต้อง เป็นช่วงเวลามันรับวิบากกรรมเมือนเพาพยายามเวลาตื่นพยายามทํากรรมดีพยายามปฏิบัติธรรมแถวต่อไปเวลานอนหลับมันก็จะมันก็จะฝันดีมันก็จะมันสงบอ๋อครับมันแสดงมันมันมันก็ว่ามันมันมารายงานผลผลของสภาพจิตของเราว่าเป็นยังไงในเวลาเราฝันเย่านี่ยม่กับเวลาปิดเทอม อาจารย์เขาก็จะมีอ่ใบรายงานว่าวิชานี้ได้เท่าไหร่วิชานั้นได้เท่าไหร่รวมกันแล้วเกรดเฉลี่ยได้เท่าไหร่แนั้นแหละเวลาที่เราฝันมันก็เป็นเหมือนกับรีพอร์ตคาส์มนเป็เับตัวรายงานผลของการกระทําของเราอ๋อครับมันมันก็เลยท้อใจครับเวลาตื่นเราพูดโทรหยุดมันได้แต่พอเวลาฝันปั๊บมันเหมือนถวยโอกาสเรานอนหลับบุกจู่โจมมาเต็มที่เลยเอืมนะคร แล้วก็เราก็มาแกา้ตอนที่เราเตืน่นพยายามจะเริ่สติให้มากขึ้นโอเคครับก็แค่นี้ครับขอบพระคุณมากครับหล ค, คุณ น, นันทอาร์ชนรัฐบรลค่ะจากรรมศารเจ้าค่ะพู้อาารย์ค่ะวันวันนี้มีหนึ่งคำถามเจ้าค่ะจากซูมของห้องภาษาอังกฤษ วันก่อนหน้านู้นนะคะพระอาจารย์ที่มีชาวต่างชาติผู้หญิงพูดถึงการออ่ให้เวทนาเป็นไฟเผาร่างกายอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายตรงนี้เครื่อาเวลานั่งแล้วมันเจ็บก้นเนีหมือนกับมันไฟห ล, ลหน่นก้นเรายอ๋อเราก็นั่งหลับตาแล้วก็นึกว่าสมมตเป็นเหมือนไฟกำลังเผาร่างกายเราที่นั่งนั่งอยู่บนกองไฟ นะครับจินตนาการหไว้ว่าฟันมันก็จะลุกโชว์ขึ้นมาท่วมหน้าท้องไถาหน้าท้องตถ่อย่างกระทั่งหนาง ก, า ย, า, ก, กายมันฟุบลงไปกลายเป็ที่เท่า mm hmm. อันนี้เป็นการใช้ความคิดปรุงแต่งของเราปรุงแต่งให้เราดูถ้ามันเพินอยู่กับการดูจะกระทั่งมันไม่เกิดความน้ำเกลือขึ้นมาจะไม่มันอยู่กับ ความเจ็บป่วยของร่างกายได้ตอนนั้นการการที่มันเห็นปุ๊บลงไปเหมมันเห็นไปรักด้วยใช่ไหมเจ้าคะก็ได้แหละมันก็มันจะเป็นอะไระถ้ามันฟุบลงไปค่ะมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมร่างกายมันกลางวันมันก็ต้องการที่เท่า อันนี้ก็สามารถถ้าใครอยากลองใช้วิธีนี้ด้วยก็ได้ก็ไม่มีสมอนที่กะสีรอยากจะก็ทําได้ค่ะค่ะ <c oughs> วันนี้มีเท่านี้เจ้าฟ้าแบบจะต้องทําแบบของตัวเองมนะันอย่าไปอย่าไปเรียนแบบของค น, คนหอื่นชอบต้อง <c oughs> ผลิตมันขึ้นมาสวดสดร้นร้อนเพราะน่งจินตนา ก, การกับของสดสดร้อนร้อนขึ้นมา โอเคคุณหมอแอนใช่คุณนมอฟูได้ไหมคุณหม อ, อดดคฟูคดได้เลยขอบคุณพ่อเจ้าค่ะได้ยินชัดเจนตอนนี้หนูมีปัญหาเรื่องแก้ความโกรธไม่ได้เจ้าค่ะก็คือว่าจะพิจารณาความโกรธให้เป็นธาตุสียังไงเจ้าค่ะหมายความว่าที่ผ่านมาก็ค น, นที่เราโกรธมันเป็นธาตุสี เราโกรธคนคนนั้นมันก็ทํามาจากดินน้ำลมไฟมันเข้าใจเจ้าค่ะแต่ว่ามันไม่เห็นจริงๆแบบนั้นเจ้าค่ะก็ดูตอนที่มันกลายเป็นที่เท่าไปแลน่ยคือคือตอนเนี้ยมันยังไม่กลายเป็นที่เถ้าเจ้าค่ะมันก็เลยดูก็มันไม่มันไม่ใช่วิธีแก้ความโกรธดูเป็นเป็นท่าที่มันอาจจะไม่ชัดสําหรับเราเราก็ต้องบาแก้ที่เหตุของความโกรธของเราดีกว่า ต้นเหตุของก่อนของเราก็คือเราไปอยากให้เขาทําอะไรหรืต้องการอะไรจากเขาแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากก็กดเขาทั้งนี้<า>ในวิธีแก้ค<อ>วามกดก็คืออยากไปหวังอะไรจากเขาเลยไม่ได้หวังเจ้าค่ะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับว่าในก็ปล่อยเข้าว่าคิดว่าเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศไปแล้วไม่เคยหวังกับดินฟ้าอากาศใช่ไหม มันจะตกดัมนดมันจะออกก็หวั่นตกลงไปเขาจะเดินก็จะเดินเอาเอาศีรษะเดินหรือเขาจะเอาเอาแขนคานเดินก็เรื่องของเขาไปใช่ไมมันจะเป็นต้องยุบอะไรกับเขาเลยให้เราปล่อยวางใช่ไหมครับเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศก็ทา่ทานท่านก็นเป็นดินฟ้าอากาศอนัตตาเพราะว่าอนัตตาก็คือเป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมสภาวะของธรรมชาติไม่ยาก ฝนตกแดดออกเราไม่ค่อยไปโกรธฝนใช่ไหมเราจะจัดการปาร์ตี้ฝนตกว่าพูดเราก็ไม่ไปโกบธฝนใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ว่าจะตกก็ยอมรับคนก็เหมือนกันคนก็คิดว่าเป็นเหมือนดินฟ้ากันวันเขาก็จะดีก็ดีบาวันเขาจะเล้วเขาก็จะเร็วจะร้ายก็เป็นเรื่องของเขาแล้วค่ะ แต่ว่ามันอยู่ในอันะคอนเชียลค่ะที่ถูกทําลายนะคะก็เราต้องแกง้แก้ด้วยการฝึกคิดใหม่ฝึกคิดใหม่ใช่ไหมคะฝึกคิดใหม่ว่า<ม>เราอย่าไปหวังอะไรจากเขานะอย่าไปอะไรเขาเราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงนะวันนี้ก็อาจจะดีพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ดีอืดแล้วค่ะไม่แน่นอนแล้วก็บังคับเขาไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการบ้านของเราต้องฝึก ไม่ต้องฝึกฟลอยเวลาเจอใครก็ปั๊บนี่ต้องบอกเลยอย่าไปหวังเลยอย่าเข้านะแต่ว่าต้องลืมอดีตใช่ไหมเจ้าค่ะอยู่ใ น, ในปัจจุบันเนี้่ยอยู่ใ น, ในปัจจุบันเหมือนถ้าเป็นนักนักฟุตบอลก็เป็นคนที่เข้าประตูอะไม่รู้เขาจะเตะ ม, มาทางข้างบนหรือมาทางซ้ายทางขวาหรือทางเพื่อนต้องคอยจ้องดูที่บอลอย่างนี้อืมเจ้าค่ะก็ม่รนนู้วันนี้ไม่ไม่วันนี้ไม่รู้กันจะมาไม่ไหน ก็จะมา<อ>ม า, มาดีหรือไม้ชั่วเข้าไปรู้เราก็ ต, ต้องเตรียมรับทุงรูปแบบอ่าถ้าได้เลยแบบปรวนทั้งวัน <laughs> แสดงว่าเราก็คือมองท่าหนูว่ามองท่าสีไม่ไม่เคยได้เลยก็พบว่าถ้าเห็นความโกรธเป็นท่าสีแล้วเราก็จะไม่โกรธใครนะคะทตาสีก็ทํามองว่ามันเป็นเันฝนตกแดดออกฝนก็เป็นฝนก็เป็นท่าน้ําแดดออกก็เป็นท่าไฟ มันเป็นธรรมชาติมันเป็นสภาวะธรรมชาติธาตุสี่เป็นสภาวะธรรมชาติอเราต้องแก้ความอยากของเรานะเจ้าค่ะเราอยากปรยัดให้ฝนตกอย่างเดียวหรือยากให้แดดออกอย่างเดียวพอเขาเปลี่ยนไปแล้วก็จะโกรธเขาเป็นมาได้เจ้าค่ะแล้วถ้าเราพิจารณาคนที่เราโกรธเป็นซากศพอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะคือได้ั้นั้นหนักเพียงแต่ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าสําหรับแต่ละคนนั้น ถ้าเราเห็นว่าเขเป็นสรกแล้วเราไปโกรธเขาไมแต่วันเราไปงานศพเขาเนี่ยเราอย่าไปโกรธเขาอยู่หรป่ายังอยากจะเอามีดมาสับมาอะไรเขาหรื่าไม่เลยจ้ะค่ะแต่ว่าถ้าเราเห็นเป็นเป็นดินน้ําลมไอเป็นเป็นอากาศอย่างนี้ก็จะเป็นธรรมชาติก็จะเข้าใจกว่าจ้ะค่ ะ, <S 1> <S 1> อ, ะอันนี้ก็ต้องมาแต่เราจะมองมันก็เป็นธรรมชาติศพก็เป็นธรรมชาติอย่าง เดี๋ยวเราไปสมมติว่าเป็นเป็นศพเป็นคนคนเป็นคนตายแล้ว่าจริงมันก็เป็นธรรมชาติของท่าที่มันมารวมกันแล้วทำให้มันเป็นร่างกายขึ้นมาแล้วพอมันเป็นสอพมันก็เป็นถึงช่วงเวลาที่มันจะแยกออกจากกันอคือตัวคนก็เป็นท่านั่นแหละซึ่งเขาก็แปรปวนทั้งวันเออนะเจ้าค่ะ หรือว่าบางทีก็เป็นทดสอบวิชาเรามามามาทดสอบวิชาเรานะคะก็ได้หรือว่าใช้นี่กล่าก็ได้หรือจำเก่าก็ได้ครับใช้กับเก่าไป <c oughs> ค่อยๆยอมหยุดเย็นก็แล้วกันที่สตัตว <c oughs> ยอมแพ้เขาก็ย า, ยามอะไรก็โอเคหยุดต่อสู้หยุดต่อต้านแล้วก็แลเย็นสบายเพราะเราไม่ต่อสู้เขแล้วยอมหยุดยออยเย็นยอมแพ้ เจ้าค่ะมันมันก็ทําได้เป็นบางครั้งเจ้าค่ะแต่ว่าข้างในมันก็จะขุนๆเหมือนเจ้าค่ะก็ไม่เป็นไรซ่อมไปบ่อยๆนะมันมันก็จะวายขึ้นวายขึ้นแล้วมันก็จะเห็นขุดข้างของมันก็ยาเราก็ดีกว่านะยาเราสบายไม่ต้มาถีงกันไม่ต้องมาต่อเชื่อกันเจ้าค่ะตอนนี้เรื่องปฏิบัติหนูแบบแบบยากมากเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อมันขาดสติไงเราไม่ได้ฝึกสติมาก เพราะเราใช้ความคิดไปกับทางงานทางอะไรต่างๆมากพอถึงเวลาจะหยุดความคิดมันก็หยุดไม่ได้เจ้าค่ะพอมานั่งสมาธิแล้วมันก็หลับตลอดเลยเจ้าค่ะเพราะว่ามันทํางานเยอะไปเหมือนเดิมเจ้าค่ะใช่ต้องลดยาแล้วมีเวลาว่างไปปิดมไม่เมฆบ้างไปเจ้าค่ะหลวงพ่อเข้าใจมากแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะพยายามใหม่เจ้าค่ะคือเราให้กใจเราไม่ได้ตอนนี้ ทำใจร้ายเป็นเบรกขาเฉยๆไม่ได้ไม่ได้จ้าค่ะไม่ยอมยอมเจ้าค่ะแต่ว่าตายตายดีกว่าถูกย้อมใช่ไหมย้อม <laughs> ตายได้แต่ยะกฆ่าได้แต่ยากย้อมกันเนี่ทีนี้มันเป็นไฟเจ้าค่ะมันก <laughs> ็ยังไม่เป็นน้ำต้อง <laughs> ทำใหม่เจ้าค่ะมันป่าดานนี้ยากหน่อยเจ้าค่ะอเยต้องต้องมองเข้าว่าเป็นสิ่งที่ สุดวิสัยของเราที่จะไปไปควบคุมบังคับเขาได้เจ้าค่ะเราจะสบายใจนะเขาจะาเป็นไงก็รับใจเขาสามวันดีสี่วันได้เจ้าค่ะก็จะพยายามมองว่าเป็นธาตุแล้วแปร ด, ดูเราเป็นเหมือนนักฟุตบอลก็เป็นผู้รักษาประตูคอยดูลูกบอลว่ามันจะมาทางไหนก็แล้วกัน <laughs> มาทางซ้ายหรือทางขวามาทางข้างทางข้างบนไม่มาทางข้างล่างก็เตรียมรับรูกไวก้ก็แล้วกันเจ้าค่ะ ไส่เจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เจ้าค่ะหมดหมดคำถามแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อ ก, กับขอบคุณต okay. ่อไปนี่คุณหมอให้ท่านหนึ่งเมื่อกี้หมอตานี่หมอฟันอ่ะหมอภานสนาหมอฟันกลับมาสมัชชาพระอาจารย์ค่ะขอบคุณพระอาจารย์นะคะก็กลับมาจากวัดละค่ะ<ต>ก็ไม<ก>่ปทำข้อสอบไปอยู่มาเจ็วั น, ค, วนค่ะพระอาจารย์ทันะ้งสองคนเลยนะคะอยู่ได้ครบซ้ำอย่งมากเลยมืด ที่นี่มืดดีค่ะพระอาจารย์คือลืมตาเนี้ยเข้าใจเลยว่าที่ที่อ่านนหนังสือลืมตาก็คือเหมือนหลับมืดตืตต้อๆค่ะก็ผ่านเอ่อจะมาะรายงานพระอาจารย์ว่าทําข้อสอบได้3มข้อค่ะพระอาจารย์ก็ข้อแรกเนี่ยตั้งใจไปทำเลยคเรื่องของความหนาวคืออยากจะไปดูเวทนาของผลิภัก็สิบสิบก่าองศา ก็คืออันเนี้ยแรกๆเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่ามันจะสั่นลงคาหน่อยหนึ่งแต่พอสักพักหนึ่งมันก็นั่งได้ก็สองชั่วโมงก็นั่งได้แล้วก็พอตอนตีห้ารถก็จอดไปเข้ามาไปทําครัวก็ออกมาแล้วก็ไปทําครัวไม่ได้เดินจงกรมต่อเพราะว่าเราทําตามสเก็ตุกทาำตารางของวัดนะครับพระอาจารย์ข้อแรกก็ผ่านก็ทําให้เข้าใจโคชภะโคชนาค่ะพระอาจารย์เพราะใช่เพราะว่าแบบมันมันใช้ใจหลักแล้วก็เข้าสมาธิไปข้อแรกได้ค่ะอาจารย์นะข้อข้อที่สองค่ะข้อที่สองก็ ไปหาไปกำลังตั้งใจที่จะไปดูกิเลส ท, ที่พระอาจารย์บอกกิเลสละเอียดอะไรเนี่ยค่ะก็คือรู้ว่าอันแรกคือเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของการทํางานกับคนเลยค่ะอาจารย์บอกว่ามันต้องทํางานเยอะทาครัวทําขัดห้องส้วมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราอ่ะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยตั้งใจที่จะไปทดสอบเองอยู่แล้วก็เลยมองว่าทุกอย่างมันเป็นสมมุติผดเลยแล้วเราก็เป็นคนที่เข้ามาอาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาน้อมทําตนแล้วก็ทําตามคือมันก็ทำตามที่เขาบอกทําสเก็ตดูมันก็เลยรู้สึกว่ามันทําใจมันก็สงบแล้วก็ทําได้มีความสุ ข, ข อ, าอาจารย์ แล้วก็แล้วก็สามารถจะผ่านตรงเนี้ยได้ค่ะก็ทําทั้งเจ็ดวันแล้วก็ทำทำาตารางสเก็ตรู่ของวัดเลยค่ะพระอาจารย์ <c oughs> แล้วก็อันที่สามอันที่สามนี่อาม่กกี้เป็นคนใช่ไหมคะอันที่สามเป็นสัตว์พระอาจารย์คือว่าไปวันแรกเนี่ยเข้าไปมัไปสายหน่อยก็ไม่มีคนอยู่ในวัดก็เข้าไปแล้วเดินเจอหมาวิ่งไล่คือจริงๆเขาไม่ได้ผิดนะพระอาจารย์นั่นแหละผิดเพราะเข้าไปตอนที่ คนไม่อยู่เขาก็คงจําหน้าก็เลยโดนวิ่งไล่ตลอดแต่ครั้งนี้ไม่ได้กลัวนะพระอาจารย์อันนี้ทดสอบความกลัวความกล้าของใจค่ะก็คือไม่ได้กลัวมากันไม่ได้กลัวอะไรแต่ว่าไม่อยากจะกลับตั้งแต่วันแรกเพราะถ้าเกิดเขากันแล้วมึงอยแผลเนี่ยคงได้กลับบ้านก็เลยหลบก่อนแล้วก็ใช้เวลาประมาณสองวันพระอาจารย์ก็ใช้แผ่เมตตาแบบที่พระอาจารย์บอกก็คือเอาข้าวมาแล้วก็ให้ข้าวเขาอย่างเงี้ยพระอาจารย์แล้วก็มือคลุกๆให้เขาจําจริๆ พอให้เข้าเขาปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าโอเคแล้วก็เลยไม่ได้มีสติเนี่ยอันนี้คือลูกเจไม่มีสติก็คือไปยืนคุยกับเพื่อนเขาก็เลยเดินงานแล้วก็มางับข้างหลังงับก้นก็โอเคโชคดีที่เราแผ่เมตตาเขาก็เลยงับไม่ได้เข้าค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้บอกใครเพราะกลัวกลับบ้านการจะอยู่ต่อก็อยู่จนครบแล้วก็บอกสามีแล้วว่าวันเนี้ยก็กลับมาแล้วก็ไปฉีดยาเรียบร้อยกันเอาไว้พระอาจารย์ส ก็สรุปบทเรียนก็คือว่าที่ทําข้อสอบที่ตั้งใจมีทํำค่ะพระอาจารย์มันมีเยอะกว่านี้แต่ว่าสรุปให้สรุปสั้นๆก็คือสามข้อเนี่ยทดสอบก็คือว่าดูใจมันสงบพระอาจารย์แล้วก็ไม่ได้มีแต่ว่ามันมองเห็นว่าอย่างอย่างของสุนัขเนี่ยจะเห็นความความโทสะของเขาแล้วรู้สึกว่าเออดวงจิตของคนของสุนักมันเหมือนกันคือเรารู้สึกว่าเราโชคดีนะเราเป็นคนอะเขาเป็นสุนักอ่ะเราให้อภัยเขาเพราะว่าแบบเออมันมันคือมันท่ามันทําให้เข้าใจเหมือนกับว่ามันก็คือเหมือนกันอ่ะพระอาจารย์แล้วหลวงพ่อค่ะสรุปหลวงพ่อก็ โชคดีมาเลยหลวงพ่อก็นําก็ได้สวนมนต์หลวงพ่อแล้วก็ได้นํานั่งสมาธินะคะแล้วก็หลวงพ่อก็ได้เทศแล้วก็ได้สองข้อพระอาจารย์เขาบอกว่าคือการหลงเนี่ยก็คือถ้าเกิดติดดีมันก็หลงได้อันนี้เรากลับมาคิดต่อแล้วก็อีกอันนึ่งก็คือเรื่องเรื่องของให้ดูใจเจ้าของคือว่าให้ดูใจเราตลอดก็คือให้ดูว่าไม่มีลักชังให้ให้มันเป็นแบบกลางๆใช่ไหมคะพระอาจารย์เนี่ยค่ะก็สรุปที่ไปอยู่ก็ชอบมากเลยพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์เขาก็อนุญาตถ้าเกิดว่าจะกลับไปอยู่ใหม่เขาก็ให้ไปพระอาจารย แฟนก็อยู่ได้ก็มา<ด>อะไรเงี้ยิมากเลยนะพระอาจารย์จะได้รู้จา ก, จากทีกไปฏิบัติไปจะได้มีที่ไปได้แล้วมันมีข้อสอบให้ไปทำค่ะพะอาจารย์ก็กลับมาก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวกลับมาทำเรื่องของออสมาธิให้มันให้มันได้ตลอดเพราะว่าจริงตอนนี้ก็คือกลุมเรื่องของใจมีคำถามันนึงค่ะพระอาจารย์คือการดูใจเนี่ยก็คือดูดู คือดูแล้วระยุสันเซอรเนี่ยมันคือของภายนอกให้ดูเป็นใจรักอันนั้นคือไม่สนไม่ได้นั่นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าดูที่ใจก็คือดูที่ตัวอุเบกขาใช่ไหมคะอาจารย์ว่าให้มันไม่รักไม่ช้าไม่คลุมไม่หลงแต่ต้องยังต้องคุมมันอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ตอนนี้ยังปล่ไม่ได้ยังต้องคุมให้มันเป็นอย่างนี้อยู่ยังต้องใช้ความพยายามในการคุมก็ดูแต่ว่ามันต้องคุมหรือเปล่าถ้ามันอยู่เฉยได้ก็ไม่ต้องคุมมันถ้ามันถ้ามันไม่เฉยก็ต้องก็ต้องดินมักลับให้มันอยู่ที่เฉยเฉยพอจะเป็นเดท่ารอบระคาย แสดงว่าเราสามารถจะลองปล่อยได้ใช่ไหมว่าไม่ต้องคุมแล้วดูว่าเขามีอารมณ์หรือเปล่าใช่ไหมคะอาจารย์ก็งั้นก็นั้นคือการดูจิตเนี่ยดูจิตว่ามันนิ่งหรือไม่นิ่งแสดงว่ามันมันอยู่ของมันในตามลำพังได้หรือเ่ามันยังอยากจะไปยุ่งคนนั้นคนนี้นั่งนั่งนี้อยู่อ๋อค่ะได้ค่ะว่าอาจารย์เรียเข้าใจแล้วคอย่างนั้นจะไปทําต่อก่อนก็ไม่มีต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะแล้ยังจะ คนที่อ๋อเจอแล้ค่ะอาจารย์ก็เขาก็บอกเขาว่าเนี่ยก็คือแบบให้กําลังใจคนนั้นแล้วบอกเขาว่าเนี่ยตัวเองมาทำข้อสอบนะอยากสอบตกหรือเปล่ายู่อยากสอบตกหรืออยากสอบผ่านเพราะตัวเองต้องการสอบผ่านเขาก็หลุดเข้าใจค่ะอาจารย์ต้องขังกลับมาเขาแฮปปี้นะน่าตาเขาบาดเบิกบานก็ <c oughs> <c oughs> น่าจะโอเคนะพระอาจารย์ได้แลกหลายกันให้กําลังใจเขาเขาก็อยู่ได้หลายเดือนแล้วนะแต่ก็มันภาวะขึ้นลงนิดหน่อยนะพระอาจารย์ข่าวของเขานีก็ที่อยู่แต่ว่า ก็ไม่มีอะไรก็คื อ, ค, อคือให้กําลังใจนิดหน่อยนิดนึงเพราอาจจะแบบไกลบ้านอย่างเงี้ยพระอาจารย์ mm hmm. เขากลับเรือนมีนานะคะพระอาจารย์ mm hmm. ก็ก็อาจารย์แล้วเขาก็ไปอยู่คนเดียวด้วยเขาขอหลวงพ่อไปอยู่จริงๆแล้วในในในวัดมันจะมีบ้านที่เป็นโรงโครวัวแล้วก็เป็นเป็นอยู่กันประมาณแบบเป็นหลายๆ ห, ห้องอะคะ่ะแต่ว่า mm hmm. แต่เอรแต่ว่าของเวียนเนี่ยเขาจะนั่งสมาธิเวลาคนเยอะๆนั่งยังไม่ได้เขาก็เลยอยากจะไปอยู่ปีกนี้ด้วยอีกข้อหนึ่งอะพระอาจารย์ของตัวหรือนั่งได้แล้วนะพระอาจารย์พอ ถึงมีเสียงมีอะไรเนี่ยพอตอนช่วงบ่ายเรานั่งแล้วก็เดินจงกรมข้างบนช่วงีที่สุนัขตุ๋เนี่ยก็เลยไม่ลงมาข้างล่างก็เลยเดินขึน้นบนมาเลยได้ทําสมาธิเยอะมากค่ะเขาไปหัดฟังแต่เขาไม่ได้เข้าเพราะว่าหลวงพ่อสวดมนต์หกโงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งทุกวันเลยค่ะก็เลยเข้าไม่ได้เขาเข้าได้แต่วันาทีตย์ไม่ถึงไปหาหลวงพ่อ เอคือว่าที่วัดเนี่ยตอนส่้งของบุึถึงสามทุกครึ่งเนี่ยต้องไปที่สาลาแล้วก็สวดมนต์ทำวัดทุกทุกวันเลยค่ะทุกวันข้าไปทําวัดขําทุกว<อ>ันใช่ค่ะก็เป็นการด ท, ที่ดิ น, นค่ะแล้วก็มีวันนึงหลวงพ่อหลวงพ่อให้นั่งสมาธิโอ้โหดีใจมากเพราะว่าคือจริงจริงแล้วชอบนั่งสมาธิมากกว่าสวดมนต์แต่ว่าพอถ้าถ้าสวดมนต์เราก็สวดตามเข้าไปแหละแต่ว่าเพราะนั่งสมาธิก็นั่งสองชั่วโมงหลวงพ่อพานั่งค่ะมันนี้วันสุดท้ายนะคะดีมาก รู้สึกแบบนี้อยากจะไปลองที่อื่นไหมเนื้อแค่นี้ก่อนพอละอ๋อก็ก็พระอาจารย์บอกไปก็เลยว่าจะไปที่วัดท้ำเต่าท้ำเต่าแต่ว่าบอกพระอาจารย์นิพนธว่าจะไปอีกนะคะจะกลับไปบวรบุญมีแล้วก็ไปวัดหลวงพ่อบัญชัยวัดอะไรนะหลวงพ่อวันชัยโบยก็พระอาจารย์กันที่ที่พระอาจารย์อนุญาตแล้วแต่ยังไม่ได้นะที่ อยากไปที่พระอาจารย์บอกให้หมดเป็นรู้สึกที่ที่แบบพระอาจารย์บอกอะไรก็จะพยายามทำตามพระอาจารย์เพราะคิดว่าเวลาที่พระอาจารย์ให้อะไรมามันต้องมีอะไรอยู่ข้างในเหมือนเคราวนี้ที่มาค่ะมันได้อะไรเยอะมากกว่าตัวเองนะพระอาจารย์แตสรุปมาสั้นๆแค่เนี้ยคือได้เยอะ <Okay. S 2> ได้เยอะมากๆเลยพระอาจารย์ยังไงเราจะเจอที่ถูกใจเราที่เราโนมใจที่จะ อ, อยู่ยาวๆก็ค่อยว่าอันอยู่ยาวนี่คือเท่าไหร่คะสามเดือนหรือว่ายังไงหรือว่าสามปีสิบปีร้อยปี อชอคอ้โหแู่ยังไยู่อย่างนี้ยู่ีญาใช่แบเป็นมาสนไม่ต้องบวดแต่ไม่ต้องบวดก็ได้แบบนั้นก็ได้ปวดก็ได้ไม่บวดก็ได้ไม่สำคัญเพให้นั่นเป็นเป็นเครื่องแบบอยู่ที่เนื้อตัวเนื้อตัวแก่นมันภาวนาเป็นปฏิบัติเพื่อตัดที่เหล็กดับความทุกง์ที่มนเก่ด จริงๆเพราที่ดูแล้วเนี่ยจริงๆเราก็อยู่ได้ น, นะพระอาจารย์แต่ว่าขอขอไปดูแล้วก็อยากให้ให้เข้าใจมันทําธมะหรือเพราะว่าตอนนี้เริ่มเข้าใจเยอะแล้วค่อนข้างเยอะมากคือเรื่อยๆอย่างพระอาจารย์<ช>แล้วก็ยังมีหนะน้าที่นิดนึงคือของอย่างที่บอกครับมันปล่อยได้หมดแล้วตอนเนี้เริ่มเบื่อแล้วกมีความเบื่อเบื่อความโลภความโกรธของคนคือเริ่มเริ่มีความรู้สึกว่าคือแบบพหนั่งสมงที่เราเริ่มมองเห็นความโลภความโกรธอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์มันเริ่มแบบเฮ้ยเฮ้ยแบบมันเริ่มมีตรงนี้แล้วนะคะพระอาจารย์เริ่มรู้สง ออีโอเคนะปฏิบัติต่อไปค่ ะ, ะคุณคุณเอกปริศกรเชินอยู่ที่ไหนขอทำอแล้วนรัตการครับอาจารย์ อ, อยู่กรุงเทพครับมีอะไรหมอ่าอยากขอความเมตตาพระอาจารย์นะครับอ่ช่วยแนะนำอุบายในการ เพิ่มความเพียรในการปฏิบัติธรรมเลยครับพระจ้า ก, ก็เราก็ต้องกําหนดเวลาตารางไว้เสร็จถ้าอจะเพิ่มความเพียรเช่นสมัยตอนนี้เราปฏิบัติตวันละชั่วโมงก็เพิ่มเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโงจัดตารางเวลาไว้พอถึงเวลานั้นก็กต้องปฏิบัติตามตารางที่เรากําหนดไว้แล้วต้องมากหนดเองฮะต้องบังคับเองถ้าปล่อยให้ทําตาม อ, อารมณ์ มันก็จะไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เพราะอารมณ์ปฏิบัตินี้มันไม่เกิดขึ้นง่ายๆต้องบังคับบังคับว่าถึงเวลานี้ต้องปฏิบัตินะถึงเวลานี้ต้องปฏิบัตินะแล้วลนอกจากเวลาเร า, เราต้องบังคับให้มันปฏิเจริญสติทั้งวันด้วยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ต้องคอยควบคุมจิตไม่ไปคิดเรื่องให้มันอยู่ ในปัจจุบันให้มากที่สุดให้มันอยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทาอะไรต่างๆของร่างกายเนี่ยถ้ามันไม่ยอมอยู่แม้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปอันนี้ต้องปฏิบัติทั้งวันเลยนะเนี่ถ้ามีตัวตัวนี้แล้วเวลาจะปฏิบัติตามเวลามันจะง่ายเพราะมันมันมีตัวควบคุมจิตแถ้าไม่มีสติถึงเวลาจะปฏิบัติมันก็ไม่อยากจะปฏิบัติเพราะมันไม่มีสติคอยควบคุมให้มัน สงบให้มันอยากจะปฏิบัตินะเน้นอนอกจากมีตารางเวลาแล้วต้องมี ม, มีการควบคุมสติควบคุมจิตเจรสติตั้งแต่ตื่นี่มาจนทั่งถึงเวลาหลับเนยครับแล้วรับรองน้ว่ากา ร, ร, ร, รปฏิบัติมันจะก้าวหน้ามันจะเพิ่มขึ้นไปตามกำลังของมันเองนะเอาสติเป็นหลักเป็นเป้าหมายแรก พอวันตอนนี้จะฝึกสติทั้งวันเงินตาขึ้นมาก็เริ่มทุ่โทอะไรเริ่มเเพ้วถึงตอนนี้ร่างกายกำลังอยู่ในท่าไหนกำลังเคลื่อนไหวอย่างไรกําลังนั่งกําลังนุ่กําลังเดินอยู่กําลังไปอย่าให้มันไปที่อยู่กับร่างกายไปโอเคครับแล้วมันมันมันก็จะไป ถ้ามันไม่มีสติก็กอย่างได้การสัยตารางวังครับนะอเอาเข็เวลาที่จะอยากนั่งไม่นั่งก็ต้องนั่งนะอย่างนี้ mm hmm. ถ้านั่งดูร่มไม่ได้ก็นั่งสวดมนต์ไปก่อนก็นั่ง mm hmm. นั่งขัดสมาธิแล้วสวดมนต์ไปภายาใจไม่ต้องออกเสียงนะครับ mm hmm. เหมือนนั่งสมาธิแทนที่จะใช้พุทโธก็ใช้อ e ินทปิโสไปก่อนนะนะปัจจัยนะ mm hmm. น ขอบพระคุณคะระอาจารย์อัลฮุดะนักสัตย์ยิบชนบุรีการรัฐระการเจ้าค่ะไม่มีคำถามค่ะอาจารย์โอเคกินข้าวบ้าง น, นะเดี๋ยวมันจะเลื้อนต่กระดูกนะมาค่ะกินกินค่ะเดี๋ยวค่อยไปอดต่อค่ะค่ะอาจารย์ายอาจารย์อุดรธานี กล่าวน้ำมัสการพระค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะอ่าอย่างวัที่คุณเอกเชียงรายกุนเอกกลาวนมัสการพระอาจารย์ครับผมเป็นยังไงมีอะไรไหมก็มีมีเอ่อสภาวัธรรมในช่วงตอนตอนนั่งสมาธิตอนเช้าครับอาจารย์ก็เอ่อวันเริ่มแรกมันก็สงบครับพอาจารย์สงบ เข้าไปเบาโลง่งหายใจโล่งเบาครับเสร็จแล้วพระอาจารย์มันถึงช่วงที่ เ, เกิดเวทนาที่ขาพระอาจารย์เสร็จแล้วมันผมก็เปลี่ยนมาท่องอิติปิโสครับอาจารย์เ อ, อท่องไปแล้วก็สลับกับพุทโธไปพระอาจารย์ีนี้มันมันเกิดภาวะที่ว่ามันมันเหมือนกับว่าตัวรู้หรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะคือมันจะเห็นว่า ไอ้ที่ห้องอิติปิโสนะมันเป็นความคิดนะพระอาจารย์แล้วก็ไอ้ที่เจ็บมันก็คือความเจ็บของมันร่างกายก็อยู่มันเงี้ยครับอาจารย์ไม่ไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่มันออกมาเอ่อที่มันอยู่ข้างหลังนะฮะเหมือนแบกเกาเนี่ยมันคลายคลายมันรู้เฉยเไม่ให้ไปวุนวายกับความเจ็บของร่างกายครับคือคือไม่บุ่นวายฮะมันจะเห็นแบบว่ามันจะมันจะค่อนข้างชาติอาหารที่ว่าเราห้องอิจิปิโซไปมันก็เออทีนี้มัน มันไม่ใช่จิตมันเป็นความคิดแล้วก็ตัวคิดกับตัวรู้เป็นคนตัวกันคนละตัวใช่ไหมครับอตัววิทยาได้ตัวเลยคนละตัวนะครับมันเป็นลักษณะอย่างนี้ครับอาจารย์ดูว่ามันเป็นตายรอดไปทั้งหมดครับาทีกนห้องอิติปิโสไปมันก็มีบุบนะครับอาจารย์แต่มนบูบไม่นานครับบุบไปสภาพัก็ ก็เวทนามันก็สะกิดเข้ามาก็เออก็ก็รู้แต่ไม่ไม่ได้หลับนะพระอาจารย์เพราะว่าพ่ายวดไปเพื่อให้จิตอยู่กับเวทนาให้ได้อย่าไปให้มันเกิดความนั่งเกตียดหรความอยากจะหนีอยากจะให้มันหายคปล่อยให้มันอยู่ไปตามธรรมชาติครับผมเพราะว่าเพราะช่วงนี้แบบว่าอยู่กับอยู่กับเวทนาได้ครับอาจารย์อยู่แบบว่า ก็เล<ด> ย, <ด>ยพยายามันเรื่อยๆให้มันเกิดเขามันเองให้มันดับเขามันเองว่ามันถ้นไาไปขยับแข่งขยับคขามันไม่ดับก็อยู่กับมันไปครับครับผมฝึกอยู่กับเวทนาให้ได้แล้วจะสบายบไปเวลาเจ็บไขยแพ้ปวดยก็จะไม่ทํทารบานใจครับผมครับผมเข้าใจไหมครับเข้าใจครับอาจารย์ครับเวลานั่งเล้าเจ็บอย่าขยับนะใช้ใช้สติใช้ปัญญา ไม่ไม่ขยับเลยครับเพราะว่ายังไงก็แบบว่าก็ต้องเจอมันอยู่แล้วครับมันหนีไม่พนอยู่แล้นต้องเจอมันอยู่กัมันได้ได้กดีต้านรับมันแล้วต่อไปมันจะอยู่มันอยากสบายมาเล่าเพื่อนเก่าอ่ะมานั่งกินเล่ากันหน่อยครับครับใช่ครับครับผมก็ก็ไม่มีอะไรครับก็ปฏิบัติทุวันนะครับอาจารย์ดีพยายามทำนะ รู้สึกยังไงตั้งแต่เริ่มมาศึกษานะ่นี่ได้ปีนึงแล้วมั้งที่มันตั้งแต่เข้ามานี่้โคอาจารย์ตั้งแต่ตั้งแต่ปีก่อนโควิดอ่ะอาจารย์อ้า่ปีที่แล้วเป่ปี20เป็นปีก่อน20เอปีหนึ่ง18แนี่ยคอาจารย์ปี19ครับ19ก่อนขาอจจะก่อนโควิดอ่ะะอาจารย์ก่อนเข้าดนิไหน่ ครับคนผู้วีที่หน่ อ, อที่ฟังพระงพจารย์เทศสดตอนช่วงสองโมงนะที่ที่ฟังพระอาจารย์ไปประมาณสักเดือนสองเดือนแล้วก็จิตรวมแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วก็ถามพระอาจารย์นะฮะบอกว่าอะไรมันเกิดขึ้นมาแล้วพระอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปถามพม่านกไอตัวนั้นแหละตามห า, างเนี่ยครับก็คือยากจะถามว่าน้าแต่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาจนได้แบบนี้มีการเปลี่ยนแปลงไหมตัวเรานีน ในการเข้าเ<ม> ข, ข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติครับ ม, ม, มีมีเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเยอะครับอาจารย์คือจากเมื่อก่อนที่แบบว่าเออบางทีมีอารมณ์เกิดขึ้นเงี้ยไม่มีสติมันคุมไม่อยู่ครับอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้ถ้ามันเกิดเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี้ยสติมันจะเหมือนกับเหมือนฟิลเตอร์มันกรองไว้ครับอาจารย์แลเาเกิดความคิดขึ้นมาเงี้ยความคิดไม่ดีแล้วว่าเอ้ยนี่มันไม่ดีแล้วก็อไม่คิดก็ ก็ทุบมันตันไปเลยอย่างนี้ยครับอาจารย์แต่มีความโกรธขึ้นมาก็เออมันจะรู้สึกตัวครับรู้ึกตัวขึ้นมากว่าเก่าเยอะเยอะครับอาจารย์เนี่ยเขนี่ยมีการขึ้นหน้านะมีการมีการพัฒนานะข้าผมครับผมขึ้นขึ้นหน้าครับอาจารย์ครับก็ น, นกั่ใช่เป็นแบบทับพี่ในหม้อแกงฟังา ม, มาสองปีสามปีก็ยังเหมือนเดิม ไม่หรอครับให้มันเป็นเล่นหอนนนยอกแกงนะใหรู้ว่ามันจแกงเผ็ดแกงหวานแกงอะไรบ้างโอไม่หรอครับเพราะว่าผมคือปกตินี้ช่วงนี้คือมันมันจะอยู่ในแบบว่ามันจะมีบทส่วนในใจครับอาจารย์ <ừ. S 3> คือถ้าถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเดินอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกตัวมันก็จะพูดโผล่พูโผล่โผเดินไปอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกตัวบางทีบางทีทํางานทําอะไรไปแล้วทํางานตั้งแต่ทํางานแต่ก็มันจะมีผุดขึ้นเป็นบทส่วนที่เราสวดอยู่ครับะอาจารย์ออ ครับแม้กระทั่งตอนตอนนอนนะคะรับอาจารย์นอนถ้าตื่นมาตื่นปุ๊บผมก็มันมันจะรู้สึกตัวก็จะห้องบทบทสวดนะฮะแล้วเอ่านอ<ม>ันไปเราก็หลับไปหลับไ ป, บไปเองนะฮะครับตื่นมาตอนเช้าว่าพูดโทพุดโทก่อนลุกมาก่อนก่อนพอที่นอนก็พูดโธรให้อยู่พุดโธรก่อนนะฮะแล้วก็มานั่ง <Okay. S 2> สมาธิอย่างเงี้ยครับอาจารย์ได้เงี้ยใช้ได้ครับไ ม, ไม่ไม่เสียเวลาเปล่ า, านะ ครับก็กย<ๆ>ย็ยังก็ยังยังหาที่อยู่เหมือนกันนะครับอาจารย์ที่ว่าจะไปวิเวกอยู่เหมือนกันนะครคับแถวเชียงรายนี่ก็มีอยู่เยอะวัดป่าวัดอะไรที่มันขาบคนไมินก็ขึ้นไปคนอยู่แท้ก็ยังอุตสาห์ขึมนไปเชียงรายครับ ต, ตอนแรกผมผมฟังวันนั้นผมนึกว่าเอออยู่ทางทางวิ่งหัวเป้าทางเออไม่สวยแต่แต่ดูผมมาดูใน Google เนี่ยอยู่ใกล้ๆฮะอยู่ที่อำเภอเชียงของเนี่ยฮะใกล้ๆแต่แต่ก็ยังยังไม่เคยไปฮะ เราัไูไปเปลี่ยนไม่แม่งอย่างว่าเป็นยังงครับแต่เต็่ที่มองไว้ก็มีมีอยู่ฮะแถวแถวในทางชิงลายก็มีอยู่ฮะเดียวเพรสายป่ามีมีอยู่ในป่าในเขาก็มีอยู่ใช่ครับนี่ที่ผมยังไม่คิดดูโอ้นี่ช่วงช่วงสิ้นปีนี่พาดไปเลยที่ไม่ไปเพราะว่าไม่ค่อยสงบอยู่บ้านแล้วก็แบบว่ามีเสียงดนตรีเสียงจุดประทัดจุดอะไรมันไม่สงบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาที่ไปมันมันไม่ไหวครับโอเค ครับแม่นะอาจารย์นะคกับผมบุญพระอาจารย์เป็นอย่างไรครับยินดีต่อยินดีตอนนี้อยู่บ้านเนี่ยนะที่หนองฟอกนะค่ะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะบ้านใหญ่ตแลวนี่แล้วอยู่แค่สองคนครัท่านอาจารย์ค่ะเดวิดฝากกลับท่านอาจารย์ด้วยค่ะแล้วก็ให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับท่านอาจารย์ อนัน่นอาจารย์คะหนูมีคําถามหนึ่งคำถามคะ่ะถ้าคือเมื่อสองวันเนี่ยคะ่ะที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะช่วงสองวันสามวันเนี่ยคะ่ะเออบางทีเนี่ยเหมือนเราได้ยินเสียงพระสวดมนต์นะคะ่ะอยู่ในใจค่ะมันไม่ใช่อยู่ในใจคะ่ะเหมือนเราได้ยินเหมือนเราได้ยินพระสวดมนต์ที่ใดที่หนึ่งที่แรกหนูก็หาว่าเอ้วัด ที่บ้านหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่เวลาที่พระเขาทําว่าเช้าหรือว่าเย็นแล้วมันก็จะมันจะแวดเข้ามาอย่างนี้ยค่ะมันเราควรที่จะพูดโธกบไหมฮะไม่ต้องให้รู้เฉยๆว่าเป็นเสียงน่าแล้วเป็นเสียงส่วนให้รสัต์แต่ว่ารู้ไปแล้วก็ปล่อยมันไปมันจะมาจากที่ไหนแห่งใดไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปค้นหาให้มันเสียเวลาให้มันเห็นตามความสภาพความเป็นจริงเพราะมันเราได้ยินเสียงนี้ก็ให้รู้ว่าเราได้ยินเสียงนี้ท่านนั้นก็จบ ไม่ต้อไปอะไรกับมันค่ะคือดังนั้นไม่จําเป็นต้องเอาผู้โทเข้ามากดแบบทับใช่ไหมคะไม่ต้องก็ให้รู้เฉยเฉค่ะค่ะถ้าอาจารย์แล้วอันนี้มันหมายถึงอะไรถ้ามันหมายถึงมันมันมันมัเป็นเสียงน่ามันเป็นเสียงนอกเสียงในเสียงมันก็มีสองแบบเสียงนอกกับเสียงในค่ะทีนี่เราถ้าเราไม่รู้เป็นเสียงนอกเสียงในก็ไม่เป็นไรแค่รู้ว่ามป็นเสียงมันก็มันก็ไม่เที่ยงมันก็เงียบมันก็ดับไป แต่วก็มันก็แบบอันมันเป็นอนัตตาเราไปขัดไปห้ามมันไม่ได้อันนี้ใช่ค่ะคือมันให้รู้เฉยๆใช่ไหมค่ะแต่หนูหนูหนูหนูทราบว่ามันมันไม่ใช่เสียงข้างนอกมันไม่ใช่เสียงที่เราเราได้ยินจากข้างนอกเพราะวัดก็ไม่เป็นไรเสียงข้างนอกหรือเสียงข้างในมันก็เป็นอนิจจังทุกขรั้งอนัตตาเหมืันแต่ไม่จําเป็นต้องเอาพุทโธเข้าไปกดเลยใช่ไหมครับเอาไปทำไมไปกดมันยทงไม มันเป็นลักษณะไปกดมันได้เลยมันเป็ น, เ, ปนเหมือนหนูเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนเราไม่มีสติอะค่ะเออถ้าเราต้องการจิตให้จิตเราสงบไม่ไปรับรู้มันก็ใช้พุโทโธก็ได้ค่ะดังนั้นให้หนูใช้พุโทโธกดนะคะก็อันนี้ก็คือการที่เราไม่มีสติใช่ไหมคะท่านอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่มีสติหรือว่ามีสติน้อยหรือว่าเหมือนก็คือจิตเราไม่สงบกแ็แล้วกันถ้าสตเจิตมันสงบจริงๆแล้วมันก็จะไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะ ค่ะท่านอาจารย์ท่านต้องการให้มันไม่ได้ยินอะไรครับพูดโทพูดโธไปนั่นเองค่ะท่านอาจารย์หนูจะได้แต่ไม่แต่ไม่ต้องไปกดเสียงที่เราได้ยินปล่อยเสียงมันไปไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่ะท่านอาจารย์ค่ะค่ะให้อยู่พูดโทพูดโทไปค่ะเดี๋ยวเสียงมันก็จะหายไปค่ะเพราะหนูอ่ะเพราะหนูหนูก็เลยใช้พูดโธกันเข้าใจว่าหนูว่าเป็นความคิดคุ้งสั้นหรือความคิดปูแต่ง หรือเราไม่มีสติสามอย่างเนี้ค่ะหนูก็เลยท่องพุทโธของหนูในใจเพื่อเพื่อเพื่ อ, เ พ, อเพื่อจะได้กดเหมือนแบบว่าไปไปไ ป, ไปกดความคิดอันนี้หนูก็เลยเข้าใจอย่างนี้หนูก็เลยแบบเอ๊ะมันมันถูกต้องไหมก็เลยลองมาถามท่านอาจารย์ดูค่ะว่าจะต้องขึ้นอยู่ว่าตอนนั้นกําลังทําอะไรกําลังนั่ ง, งเพื่อให้จิตสงบหรือว่าอยู่เฉยๆมันก็มาเองอยู่เฉยๆแล้วมาเองค่ะท่านอาจารย์ทำไมก็ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ทําอะไร ไม่ได้ทําอะไรค่ะก็เป็นอะไรก็ฟังมันไปก็เราไ ป, ไปถ้ามันไม่มอ๋อคะ่ะท่านอาจารย์ไม่คะ่ะยังอย่างวันนี้ช่วงที่ช่วงที่น้องก็ขับรถให้ก็หนูก็ถึงบอกว่ามันคือช่วงนี้ตั้งแต่พอกลับมาคราวนี้ยคะ่ะก็ทดสอบตัวเองก็ก้าวหน้าได้เยอะเลยท่านอาจารย์ครับรู้เฉยๆก็เราอย่าไปเมารมกับเสิ่งที่เราได้ยินก็แล้ว ค่ะหนูก็หนูก็ทราบรู้เฉยๆอย่าไปตำคาเนี่ยเป็นงบรรลุไ ป, ไปอะไรมันไม่ค่ะเฉยๆค่ะก็เลยแบบก็ไม่ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไางเนี่ยงวันนี้ออกรถไปที่ว่าจะไปวัดอยู่ดีๆเสียงก็มา <ừ. S 1> เอ๊ะเขาก็ไม่ได้เปิดเขาก็ไม่น้องก็ไม่ได้น้องก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดแค่<ะ>รู้เฉยๆไปแค่รู้เฉยๆถ้าจะถ้าไม่อยากรก็ก็พูดโทรพูรไปถ้าไม่อยากจะสนใจก็พูโทรพูทรไป ค่ะท่านอาจารย์แล้วสมควรที่จะต้องพูดโทรหรือปล่อยมันไปค่ะก็แล้วแต่เราถ้ไหนเราสบายใจเราก็ปล่อยมันไปล้มันสบายถ้าเราฟังได้ปล่อยมันมาปล่อยมันไปก็ไม่ต้องทํำอะไรค่ะท่านอาจารย์ค่ะถ้าลาคาญก็ไม่อยากจะฟังก็พูดโทรพูดโทอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลำคานค่ะกพรคือเสียงเหมือนพระสวดมนต์เหมือนเหมือนเราไปวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ทําให้ใจก็ก็โอเคค่ะท่าอาจารย์แต่หนูไม่ทราบว่ามันดีหรือไม่ดีต่อการที่เราทํานี้หนูก็เลยอยากจะทราบเฉยๆนะคะท่านอาจารย์เป้าหมายก็คือให้ใจเราเฉยๆนั่นเองค่ะเฉยค่ะท่านอาจารย์ถ้าเฉยก็ไม่ต้องทาอะไรก็ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ค่ะอาจารย์สายทิศสารคามวิคอนแก่นตอนนี้ออนไลน์หรือเปล่ ตอนนี้อยู่มหาสารคามค่ะช่วง mm hmm. นี้ดูแลนิสิตฝึกงานที่วอร์ดค่ะ mm hmm. ก็เลยต้องหาทุกวัน mm hmm. ค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ค่ะ mm hmm. ก็อันนี้ไม่ได้สอนออนไลน์ช่วงนี้อ่าออนไลน์ด้วยค่ะแต่ว่ามีนิสิตปีปีหกอะไรประมาณเนี้ยค่ะที่เขาต้องฝึกงานที่โรงพยาบาลค่ะ mm hmm. ต้องมาดูเคสกับกับคุณหมออะไรเงี้ยค่ะแล้วเรามาดูแลเขาด้วยค่ะ ต้องมาป้องกันยังไงใช่ใส่หน้ากากใส่แมสก์ค่ะแต่ว่าคนไข้ไม่ไม่เยอะค่ะแล้วก็ก็ไม่ให้ญาติมามาเฝ้ามาเยี่ยมเราก็ระวังตรวจตรวจเชื้อกันทุกคนตรวจตรวจเอทีก่อนที่ถ้าถ้าอย่างเราอยู่ขอนแก่นจะเข้าสารคามครั้งแรกค่ะต้องตรวจเอทีเคก่อนค่ะผู้อาวุย์ค่ะแล้วก็ถาไม่มีเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะก็ โจนี้ก็ยังอยู่สารคามแต่ก็ก็มีกลับบ้านอยุดวนเดิมค่ะพระอาจารย์แต่วันพุธก็จะอยู่สารคามส่วนใหญ่อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้ามาค่ะพระอาจารย์ฟังอยู่ข้างนอกเพราะว่าปฏิบัติไม่ก้าวหน้าค่ะเลยไม่เข้ามาแต่แอบฟังอยู่ข้างนอกวัน น, าา น, นี้วันนี้ก้าวหน้าแล้วเหรอวันนี้ก็ไม่ก้าวหน้าแต่มามารายงานว่าตัวเองเป็นเหมือนกระต่ายอยู่เลยค่ะพระอาจารย์เป็นแบบ วันไหนที่ทําได้ดีก็มีความสุขก็ก็อยากทําแต่พอแบบเหมือนอ่าออกไปเจอผู้เจอคนเจอเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็หลุดไปค่ะความขี้เกียจก็มาก็ก็หลุดไปอีกแต่เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะพระอาจารย์ก็เลยอ่าตั้งใจหักดิบกาแฟที่ที่ติดติดกาแฟค่ะพระอาจารย์แล้วก็ตัวเองเป็นไมเกรนแล้วต้องกินยาป้องกันอ่าไมเกรนค่ะต้องกินยาป้องกันทุกวัน กินยาแก้ปวดก็เลยอ่ะพระอาจารย์บอกว่าลองดูสิไม่ต้องพึ่งพายาก็เลยหักดิบไปทั้งทั้งหมดเลยค่ะพระอาจารย์ปวดหัวปวดหัวมากค่ะสี่วันอาเจียนได้ค่ะแต่ว่าก็ทนอตอนนี้นหายตอนนี้หายหายดีแล้วค่ะอาจจะมีนิดหน่อยเดือนเลืนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์แต่ยายากลับไปก็ต้องเห็นยากลับไปดู แต่จะพยายามจริงๆเหมือนหวนไปหลายรอบก่ะไอกาแฟเนี่ยค่ะอาจารย์ยกเว้นว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆมีคนเข้ามาทําเอามาให้เราดื่มนี้ไม่เป็นไรแต่เราอย่าไปสรรหาของเราเองแต่นานๆนานอาจจะมีเพื่อนสูงมาเยี่ยมนเอากาแฟมาฝากนั่นหรือถ้าถ้ายังไม่มั่นใจก็อย่าไปดื่มมันเลยค่ะจะพยายามเลี่ยงค่ะอาจารย์เพราะว่ากินแล้วปวดหัวค่ะไม่กินก็ปวดหัวกินก็ปวดหัวถากลับไปดื่มอีกเดี๋ยวมันก็ติด ใช่ค่ะแล้วก็ก็ปวดหัวที่นี้ช่วงที่ปวดหัวสี่วันนี้ค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้ได้ได้ได้อยู่กับเวทนาค่ะแล้วก็เห็นว่าเอ้ยมันปวดมากนะแต่ว่ามันเป็นปวดที่เราหนีไม่ได้ก็เลยมองมันเหมือนเหมือนเราตัวตัวทเรามองอยู่ตรงนึงค่ะแล้วความปวดมันก็อยู่อีกตรงนึงปวดตรงนี้นะแต่ไอภาพที่เรามองเราก็เออมันปวดนะแต่ว่าใจเรานิ่งค่ะพระอาจารย์ก็มองมองมันไป ทุกข์กับมันนะอยู่กับมันไม่ไม่ทุกเลยค่ะกเ็ะเลยเออมันก็ปวดของมันเนาะปวดมากด้วยแต่ว่าเราก็เฉยเฉยค่ะแต่รู้ว่าเจ็บแบบแบบมันแพงมากดีหัวมากค่ะทีนี้ก็ได้เอามาสอนใจตัวเองว่าเวลานั่งเวลานั่ ง, งเนี่ยเราหนีได้คราวนี้จะเราไม่หนีเ ห, นเหมือนเหมือนปวดหัวค่ะพระอาจารย์คือปวดหั ว, วแล้วหัวหนีไม่ได้ค่ะอยู่กับมันค่ะเราก็จะจะอยู่กับมันเหมือนปวดหัวนี่แหละเราจะทําเป็นเหมือนว่าเราหนีจากมันไม่ได้ก็จะนั่งไปแต่พยายามตาม ให้ได้ตามเวลาอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะที่เหลือสติไม่ค่อยมีค่ะพระอาจารย์ไม่ค่อยได้ต่อเนื่องเหมือนอาจไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเราเราเลิกกินยาแล้วมันมีผลหรือเปล่าค่ะใจมันเป็นดูแกว่งๆค่ะพระอาจารย์ก็พยายามสู้ด้วยอีติปิโสบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่มันแบบเหมือนสมาธิมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยได้ค่ะพระอาจารย์อันนี้อนนี้กิเลสมันยังคอยลูกเราอยู่ หมากเลยค่ะพระอาจารย์มันเหมือนแบบมันมันสู้มันดึงกลับไปเรื่อยๆคอยจะดึงให้เรากลับไปหามันอย่างนี้เรื่อยๆใช่ค่ะเหมือนแบบมันเก่งมากเลยค่ะพระอาจารย์คอนเทนต์ชั่พันหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันหมดแรงแล้วมันก็จะไม่ดึงแล้วอันนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลสักระเยอะกับมันอยู่บางทีแล้วก็เอ้ยทาไมสู้มันไม่ได้ก็ก็เห็นนะคะพระอาจารย์เห็นว่าเอ้ยนี่มันกินเลทนะกินเลทนะแต่ว่า แต่มันแต่ว่าก็พยายามสู้ดครับก็ใช่ปัญญาเราถ้าไม่ดื่มว่ากูตายไหมอ๋อแต่แต่แต่ตัวกาแฟนี้ไม่ไม่ไม่แตกแล้วค่ะพระอาจารย์แม้ว่าเราจะซื้อเราจริงๆอะซื้อไว้ทุกที่ค่ะพระอาจารย์ที่ห้องทํางานที่คอนโดที่บ้านก็มองมาเฉยๆเพราะว่าคิดตอนแรกก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะ move แล้วค่ะพระอาจารย์เพราะว่ากะจะไม่แตกแลค่ะ ก <C pe f ied> าแฟนะคะอาจารย์แต่ว่าถ้าปวดหัวมากๆจริงๆถึงจะกินค่ะแต่ว่าจะไม่กินเพื่อป้องกันค่ะคือถ้าถ้าปวดสุดๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูจะปวดหัวแล้วก็อาเจียนเงี้ยค่ะคือปวดปวดมากๆแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นก่อนแต่วา่าตอนนี้จริงๆคราวนี้ก็คือปวดถึงถึงอาเจียนเหมือนกันค่ะวันหนึ่ง ก็ไม่กินยาค่ะพระอาจารย์พักผ่อเพราะว่าเราใช้สตินี่ค่ะเราใช้สติอพุทโธพุทโธส่วนมนนั่งสมาธิไปนี่ค่ะก็คือไม่เอาทางยาไม่ไม่กาแฟนี่หนูหนูคิดว่าหนูจะตัดแล้วค่ะยกเว้นอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าถ้ามันชอบแวบผ่านหน้ามาคนอื่นน่ะมาตั้งเอากินสักหน่อยคงไม่ติดอะไรเงี้ยอาจจะกินค่ะแต่ว่าจะไม่สั่งไม่สั่งเองไม่ชงเองค่ะถ้าชงให้กินค่ะ ที่เหลือเสียเมลยาเข้ามาสามาให้แล้วก็ฉลองศรัทธาสักหน่อยฉลองศรัทธาคิดว่าคงไม่ไม่ทําให้เราติดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ากินเองคงติดแต่ก็ไม่แน่คอยสังเกตอยูคนเดินถือแล้วเ๋ยมันมีเก้าที่สองอยากจะได้เก้าที่สองก็ฝากเดี๋จะมาบอกพระอาจารย์ค่ะว่าถ้ยังมีความอยากเก้าที่สองอีกขราต่อไปก็ยังไม่เอาก็ไม่เอาก่อนให้มันนานๆไปเลยแล้วค่อยมาเอาใหม่ๆนี่มันยังอาจจะวนกลับมาได้ถ้าเราไปเปิดช่องให้มัน ค่ะคิดคิดว่าน่าจะน่าจะเลือดได้อยู่ค่ะสําหรับช่วยว่าความอยากมันสนุกด้วเวลาชนะนะในรู้สึกว่าเพิเพิ่มมีตที่อย่าระเจ้าบอกว่าชนะตรงเดียวกับชนะคนชนะความอยากของเราเนี่ยดีกว่ากัชนะผู้ค่ะก็เลยคิดว่าเอามาสอนตัวเองเรื่องเวทนาด้วยค่ะให้จําว่าสมมุติว่าเราหนีมันไม่ได้ก็อยู่กับมันไปแล้วก็แค่มองมองมันว่า มันจะเกิดก็ก็เรื่องของมันอะไรเงี้ยค่ะใจให้เราต่เราสงบก็เป็นพออะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ใจเราเป็นนองเบขาวเฉยๆน่นะไม่ต้องเปม่อะไรั้วแค่สติค่ะอาจารย์มีอะไรไหมไม่มีค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวแต่พยายามปฏิบัติต่อไปค่ะโอเคขอพระที่คุณประพันต่อนะค่ะประทร์เจ้าขอธมอง ครับนักศึกษกาครับอาจารย์ให้ให้มามาเลยสามเรือ่องการเจริญสติครับเออการเจริญสตินี่เป็นการทําอะไรทีละยางเหมือนกับการยานุสตินะครับคือการควบคุมวามคิดแม้ไม่คิดเรื่องานาต่างๆที่ไม่ต้องคิดอย่างบางที่เราขับรถครับเราก็ฟังข่าวไปด้วยนี่ไม่ควรใช่ไหมครับไม่คว ร, เ, รเพราะว่ามันเป็นสองมันก็ ไม่จะฟังทำก็ไม่ควรให้มีสติรถตัดขับอย่างเดียวดีกว่าทานข้าวฟังทำไปหรือว่าฟังเพลงไปก็ไม่ควรกันใช่เพราะมันต้องคิดตางไปเราต้องให้จิตหยุดคิดให้ให้รู้เฉยๆแปลว่าเราทานอาหาร้วควรจะทํา อ, อย่างเดียวทานอย่างเดียวไม่ต้องคุยกับรขับรถก็ขับรถอย่างเดียวใน เ, เวลาพากฉันเนี่ยฉันจะไม่คุยกัน ไ้นการมีสจะอยู่อาการชันเงนียบๆแล้วทําปิดรวมกันก็ไม่คุยกันก็อยู่ความคิดต้องการให้อยู่ความคามิดก็หยุดความคิดให้ได้แล้วเรนั่งสมาธิจิตมันจะสงบได้ง่ายอืมเพราะได้ฟังที่พระอาจารย์สอนนี่ก็เลยเข้าใจครับว่าที่จิตมันยังไม่สงบเพราะว่ายังมีเรื่องของนิวรณ์ห้าอย่างนี้ยครับ มันมันเป็นปกติของคนทุกคนมันนิวอราหนมันเป็นตัวที่คอยกีดขวางการปฏิบัติของเราครับส่วนใหญ่ก็เป็นการมาฉันทาชอบกาแฟชอบดูหนังชอบกินนู่นกินนี่มันมันจะไปนั่งสมาธิการนั่งไปล่ะอยากไปกินนั่งอ๋อครับกิดของนอกปอไปต่างความอยากเเ อ, อรื่องเสียงกีดรถชอบติดรูปเสียงกีดรถ แล้น้องไปไปมันเปรี้ยมากประยชนที่มันไม่มีรูปสีนิรนามติดอ่าอ่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าทํางานบางทีก็ต้องเร่งรีบ ก, ก็เลยต้องทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันอ่าใช่มันนั่นกิเลสอืมทําให้เวลามบนรลุสมาธิจริงจิตจิตมันจะรวมยากครับใช่มันไปคนละทางโม้นกับทางนั้นเลยคนคนละเรื่องใช่ครับมันมันเหมือนกับคนละเรื่องกันไปหมดเลยครับอืมไปคนละทางไปคนละทาง ไดครับเป็นตัวรัฐานบหมดเลยครับอย่างบางทีเราไม่พยายามทานมื้อเย็นนะครับแต่ว่าถ้าบางทีเราทานพวกนมถั่วเหลืองนมปี้หรือน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยครับไม่ถ้าไปทานมันหลับไม่ตายหรอกถ้าจะอดจริงๆก็อดไปเลยได้ปะดืะด่มน้ำมันก็ได้ถ้ามันต้องการน้ำก็เหลืองน้ำอปล่าแบบผิวหรือท้องมัน ล, อล้องอย่างเงี้ก็อมันเวลาหลับมันกิเลสมันวงแต่งขึ้นมาได้เองราก็ปล่อยมันร้องไปไม่ตายหรอก หรือวาเป็นเวทนาอย่างหนึ่งไหมครับแน่นอนก็เป็นเวทนาเวทนามาคอยเรามา ล, อลอ่อเราใช้การทนมันอดทนใช้การภาวนาใช้สติอย่าไปทนถ้าไปทนเดี๋ยวทนไม่ไหวครับใช้สติถามใจในิ่งให้สงบแล้วมันก็จะอยู่กับอยู่กับภาพอิู่ได้อืมครับถ้าทนใช้เเดี๋ยวมันทนไม่ไหวเดี๋ยวไมค่คิดถึงนู่นคิดถึงนี่เดี๋ยวคว้ามากเข้ปาปากแล้วรู้สึกตัว ยิ่งะกะเก่าใช่ไหมครับเอหมือนสติแตกแลสติไม่มีถ้ามีสติแล้วอยู่กับมันได้อยู่กับมอยได้ไม่เดินตอนครับเ อ, อ่อผมเคยเล่าให้พระอาจารย์ฟังเรื่องรถบอสไซที่เคยเปลี่ยนเลนแล้วเข้ามาชนนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้ว เ, เขาก็ไม่ยอมรับผิดสุดท้ายเขาก็แบบจะมาเหมือนว่าอ่าจะยอมรับผิดก็ต่อเมื่อเราไม่ไปเนิร้องเขา หมายไม่ไปให้เขาต้องมาอชดใช้หรือค่าเสียหายอะไรอย่างนี้ครับทีนี้ถ้าคือก็ตรงหลก็คือยอมตามนั้นการยอมนี่คือการก็คือกรุณ า, า, า, า, าใช่ไหมครับเอ็ความเมตตาอย่างเงี้ยความเมตตาให้ความสุขกับเขาไม่มไม่เอาเรื่องกับเขาเอาเวลาฝนุกไม่จองเวรจอบทํากันอเวลาก็ผ่านไปครับเขาก็จะเขาก็จะยอมรับปิดไปแล้วเราก็ไม่ไปเอาเรื่องอะไรกับเขา ว่าเป็นกจเป็นเป็นเมตตาให้เขาใช่ไหมครับอ่าเมตตาครับที่ทํางานพยายามที่จะอยากให้เราไปทํางานวิจัยขอตัววิจัยภายนอกครับแต่ใจผมมันไม่ค่อยไม่ไม่ก็อยากจะเพิ่มงานอยากจะลดงานด้วยซ้ำเพื่อจะได้มีเวลามาเป็นบัตรทอแต่ทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะหลีกเลี่ยงได้แค่ไหนครับ้ค็คนน้องเรื่มแบะคุณยา อ, อย่างไ ร, รไเราทํำแล้วเราโลก เราทําก็ต้องยึติดการทำยอมยอมรับกับสภาพที่จะเกิดขึ้นที่จะตามมาเพราะว่าโลกการทำมันเหมือนกับสวนทางกันหมดเลยใช่เลนะมันทต้องเลือกทำทำได้ทาำต่อไป ก, ตไปก็ต่อไปก็ต้องออกจากงานนะมจะได้ไปปฏิบัติได้เต็ที่เหมือนถ้ไม่ทำก็ต้องออกจากงานไปอย่างนั้นนะครับอ่าก็ถ้า อ, อยู่กับเขาแล้วมันมีปัญหาเขาเขาก็ไม่อยากจะให้เรา อืแล้วก็ต้องยอมรับว่าเหมือนรถไฟที่วิ่งมันมีอันมีรางใหม่ที่เราต้องสั่งแะไปด้วยกันไม่ได้เหมือนจับว่าทุกวันนี้เราเป็นมือสมัครเล่นถ้าอยากจะปเป็นเมืออาชีเราก็ต้องสละทางโลกไปงั้นใช่ไหมครับก็ต้องมีเวลาให้ ก, การปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นตามกำลังตอนต้นค่ะจะยังอยู่ในทางโลกไปได้กครับ แต่ถ้าที่ว่ามันชา้าเกินไปก็ก็เอาทางทํารุ่นๆเลยก็ได้เป็นมืออาที่มีอยู่ที่ว่าเราพร้อมมีเวลาปฏิบัติแล้วเราจะปฏิบัติได้ตั้งแต่ก็เป็นปัญหาอย่างใช่ครับใช่ครับถ้ายังปฏิบัติเต็มที่ไม่ได้ก็เอาแบบมือคืนกะทิปล่อยรอดนั้นแต่ลดการทํางานให้น้อยลงอืมาจจะเปลี่ยนงานก็ได้ทางงานที่เราทํามัน มันมันบงังคับให้เราต้องให้เวลาถึบมากเราก็อาจะเปลี่ยนเป็นงานอิสระก็ได้รับงานเปมนจับจไปพอมีเงินเรื่องปากเรื่องท้องก็พอจะได้มีเวลาว่างให้กับการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นแต่้อนนั้นก็ต้องปฏิบัติให้มากๆมากตามเวลาที่เรามีปฏิบัติต้งคนนีจยทุ่มให้กับมันไป แม้จะน้อยก็น้องปฏิบัติถ้าปฏิบัติน้ำ่มได้ผลดีมันจะมีกําลังมากขึ้นนองถ้าไม่ได้ผลมันก็จะไม่มีกําลังใจที่ใช่ครับพอมันไม่ค่อยได้ผลมันก็กําลังก็จะเบาลงไปอีกอันนั้นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้กับการปฏิบัติที่สําคัญก่อนเพื่อนก็นคือสติครับต้องสติให้มากๆแล้วก็นั่งสมาธิครับพยายามทำสติ ด้วยกายนุสติเราทไปทีละอย่างทีละอย่างให้มีสติมากขึ้นแล้วก็พอว่างก็นั่งไพอเวลาว่างก็นั่งไปครับครับคถามแล้วครับอาจารย์ครับโอเคคุณธรรมวันเชิญสเสน็กชสารน้ำมสกานทุกครับอาจารย์เอ่อ มีสองเรื่องเจ้าค่ะเรื่องห้องสมาธิตอนนี้เนี่ยตอนนี้ถูกดัดแปลงไปเป็นศูนย์พักคอยของผู้ป่วยโควิดแล้วค่ะดีไปรอบตัวไปก็เลยยังไม่ได้ทำแล้วก็แต่วันนี้ก็คุยกันอยู่ว่าถ้าระยะ ย, ยาวถ้าเขาไม่ได้ใช้ใช้เป็นศูนย์พักคอยในอนาคตซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่เขาก็อาจจะมีเรื่องให้เราปรึกษา ปรึกษาเราที่จะเข้าไปเซตราแล้วก็เขามีเจ้าหน้าที่เขาที่พอจะรู้เรื่องสมาธิที่ถูกส่งไปฝึกตามวัดต่างๆเนี่ยที่จะ follow up ได้เียค่ะก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวคือมันมีหลายเหตุปัจจัยคือเขาเองเขาก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะ contribute กิจกรรมสมาธิเนี่ย เลยร้อยเปอร์เซนเหมือนกับว่าให้ไปสลับกับกิจกรรมอื่นอก็เลยก็เลยโยมก็เลยคิดว่าเราฟังเขาอีกทีหนึ่งเจ้าค่ะก็แล้วแต่เขาเขาเป็นเจ้าของพื้นที่เขาจะทําอย่างไรก็เป็นสิทธิของเราเราก็เพี<ะ>เยงแต่เสนอให้เขารู้ว่ามีกิจกรรมอย่างนี้ที่น่าทําเราจะเอาไม่เอาก็เป็นเรื่องของเขาเราจะเป็นอะไรไป เรื่องที่สองเจ้าคะ่ะโยมจะถามเรนถามพระอาจารย์ว่าเสังยุตข้อที่หกที่บอกว่าละรูปฌานเนี่ยแสดงว่าเราต้องได้รูปฌานรูปประฌานอย่างน้อยฌานสี่ใช่ไหมเจ้าคะ่ะแล้ว<ม>เราถึงจะละแล้วเจ้าคะ่ะคือคือเวลาเรามีมีรูปประฌานนี่เราก็จะตึงนั่นไงเวลาจิตเราไม่สง บ, บเราก็จะเข้าฌานไปเจ้าค่ะใช่ แต่ถ้าขั้นถึงมันมันก็ยังถือว่าเรายังไปติดฌานอยเรายังต้องเพึ่งฌานในการทําใจให้สงบอยู่พระเจ้าบอกว่าถ้ายังไปเพิ่งอยู่มันก็ยังมันก็แยังติดอยู่กับรูปรูปภพตายแต่ก็ต้องไปเกิดในรูปภพออถ้าไม่อยากจะเกิดในรูปภพก็ต้องมอยากไปเพิ่งฌานให้เพิ่งปัญญาถ้าอย่างนัง้นเหมือนกับเห้เพิ่งปัญญาทำจิตไห้ตัวที่ทําให้ใจเราไม่สงบเจ้าค่ะ มิจนามันก็จะมีตัวภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาของกามตัณหามันหมดแล้วในระดับของของของสามยอดข้อที่หกขึ้นไปมันมันไม่มีเรื่องการมาเกี่ยวข้องแล้วก็มันมีสองตัวภาวะตัณหากับวิภาวตัณหาเป็นอยากให้สงบนะความอยากให้สงบก็เป็นภาวะตัณหาก็ต้องอยากไร่อยากมันไม่สงบก็อยู่หัดอยู่กับความไม่สงบไปแต่เดี๋ยวมันสงบก็้ามปล่อยมันสงบขอมันเอ มันสงบ ก, ก็ไม่ไปยืดไปติงมันมันไม่สงบ ก, ก็ไม่ไปอยากให้มันสงบให้รูปเฉยๆไปฝึกจิตด้วยปัญญาว่าจิตใจในความสงบมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไปแล้วต่อไปก็กไม่ต้องพึ่งฌานก็สามารถอยู่อยนอกฌานแล้องอยู่กับความสงบแลไม่สงบของจิตก็ได้เจ้าค่อะอแสดงว่าสังโยชน์ข้อนี้เนี่ย เหมือนกับต้องใช้ปัญญาล้วนๆเลยนะเจ้าค่ะใช่ใช่แล้วพอสัมย่อยแล้วนี่ถึงขั้นนี้แล้วก็เริเร่มใช้ปัญญาล้วนๆพิจารณาแต่มันก็มีปัญหาถ้าใช้ปัญญาล้วนๆมากเกินไปมันก็เกิดอุทกจากขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็ต้องดูจับบาลามีความสมดุลถ้าพิจารณาจะกระทาจิตมันร่ำฟุ้งแล้วก็ต้องหยุดกลับมาเข้าสมาธิได้แต่เข้าไม่ได้เข้าผู้ยึดเพื่ออาศัยมันเข้าเพื่อพักจิตให้มัน เป็นที่พัก่อนเวลาทํางานมันเหน่อยก็ใันพักผ่อนในสมาธิเจค่ะแล้วพอมาทานยักการเหน่อยแล้วมันค่อยออกมาพิจารณาไปพิจารณาเพื่อปล่อยให้จิตให้จิตปล่อยภาวะตัหาวิภาวะตถาให้ได้ตัวนี้เจ้าค่ะอาจารย์นะตอนนี้คนยังไม่เข้าใจว่าทำไมอดัตตะอานาการมียังไม่ีอุทใจเนอะ แต่ท่านจะบรรต่างคับท่านจาะในนิมมอลห้านะท่านจะในนี้มอลห้ามันมันฟุ้งซ่านเกี่ยวเรื่องคนนู่นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ขอบ้านอาคารนี้นี่มันไปฟุ้งตอนที่มันพิจารณาทาเพื่อกับเพื่อที่จะละสัญญ์ต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะใช่เลยเถอดไปเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะไาถึงท่านแล้วเหรอถึงไม่ยัง ถึงสังโยชน์ตั ว, วหกไว้ยังใกล้นะคิดว่าใกล้แล้วแต่สังโยชน์ห้าแตสังโยชน์เบิ้มตากได้แล้วใช่ไหมห้าตัวนจ้าพรปานกายทิฏฐิมิจกิจฉาสีลพัตตาปรมะคารมราคะปดิคาได้แนละ้วสี่ข้อแรกเนี่ยได้ได้ได้สนิทค่ะ ปฏิฆะเนี่ยปฏิฆะเนี่ยยังยังมีติดอยู่มันติดบ้างมันปฏิาะมันต้องมันถ้ามันได้ถ้ามันละ ก, การมราราคะได้ปฏิ้ะมันก็ต้องหมดไปด้วยตอนนี้เป็นช่วงที่โยมออกไปท้าทายกับความเอ่อควา ม, วามเขาเรียกอะไรคะปัจจัยภายนอกที่ตอนนี้ลม คือยมหลบอยู่ในที่พักเนี่ยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมายอมเริ่มไปออกไปผจญภัยกับพี่น้องกับอะไรต่างๆทดสอบดูก็น่าจะเกิดจากภาวาะทันหามีภาวะตันหาก็ได้มันไม่ได้เ<ล>กิดจากการอารมณ์อ๋องั้นถ้าอย่างนั้นปฏิฆาที่เกิดจากการอารมณ์ยมไม่มีเจตคติมันอาจจะเกิดจากอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ ก็เลยไปเกี่ยวข้อกับคนนะบางทีก็ไปยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หยาให้ก็ทํำนี้ก็ทงนี้เออตอนนี้ติดตนคือเขาอยากให้โยมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละก็เหมือนกันแล้วก็ไปหยาให้เข้ามาอยากให้เราเป็นอย่านัเป็นอย่างนี้ไม่อยากเหมืกันไม่ก็เป็นเ้ี่ยค่ะที่ที่โยมติดอยู่ปลายเนี่ยนะคะถ้าต้องปล่อยก็อยากให้เราเป็นอย่างนั้นเขาปล่อยก็อยากไปแล้วไม่ต้องก็เลยนิ่งๆไม่พูดอะไรเราเฉยๆไป เจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็มาช่วงนี้แบบพิจารณาเรื่องลูปผู้ชายและลูกผู้ชายเราก็เลยเอ๊ยเราคิดถูกหรือเปล่าที่ว่าลูกผู้ชายที่มันต้องฉันสีแล้วพุทธทิ้งให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแบบไม่ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราไม่ได้เข้าฌานก็ได้ได้อยู่กับสภาพธรรมชาติของจิตจิตมันก็สัมผัสกับธรรมชาติมันก็มีมีมสุบ้างทุกข์บ้างสลับกันไป มันอยู่กับมันใช่ไหมอันนั้นก็คือรูปประพบที่เราจะถ้าเราเข้าไปติดรูปประชามันก็จะไปติดเหนรูปประพบมันจะเข้าไปอยนั่นแต่เราไม่ต้องการจะอยู่ในนั้นแต่ต้องออกจากรูปประพบมาแต่ว่ากว่าจะทําได้เนี่ยมันไม่ใช่การใช้ปัญญาครั้งเดียวมันต้องปัญญาบ่อยๆบ่อยๆติการอุทจักขึ้นมานั่นเกิดอุทจักขึ้นมาวันหน้าขึ้นมาเขาต้องพัน บ่อยมากเกินไปก็ต้องพักเพราะมันยังไม่เข้าใจเขาใจมันยังไม่เข้าใจมันยังไม่ลงตัวมันก็เลยต้องพิจารณามันสับหมูเนี่ยสับยังไม่เละอยังเป็นเนื้อยังเป็นชิ้นอยู่ก็้อสับมันเลยนะนมันเละไปหมดอุทจฉาในกรณีนี้หมายถึงว่าเรากังวลว่าเราไม่ใช่กังวลเราพิจารณามากเกินไปเราก็ต้องฟื้นเราพิจารณามากเกินไปเจ้าค่ะจนจนจนไม่ลุงเรื่องมมาพิจารณาอะไรงงไปหมด เจ้าค่ะเข้าใจแล้ว พ, พักจิตนีกว่ะพักจิตกันพักจิตแล้วก็อันนั้นก็เข้าไปฌานหน้าแต่ไม่ได้เข้าไปเพื่อจะไปติดเพียงแต่ไปพักผ่อนจิตใจเหมือนเป็นที่หลับนอนช่วงเขาเจ้าค่ะเจอจะจ ะ, จะลองแบบนี้ดูบ่อยๆเจ้าค่ะ ขบพคุณเจาถ้ารู้จักถ้าคิดว่าฟู้งแล้วก็พาจิตทนายเข้าไปเข้าไปในสมาธิหน่าแต่ไม่ได้เข้าไปเพื่อจะไปอาศัยมันตลอดเวลาอาศัยเึงแต่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจชัว่วคราวพระอาจารย์เจ้าค่ะคําว่าเข้าไปพักผ่อนกับเข้าเข้าเข้าไปให้กําลังกับจิตเนี่ยมันเหมือนกันไหมเจ้าคะเหมือนกันนะพระธาตจิตนะจิตนี้ให้มีโอกาสกลับคมืมามีโอกากับคืนมา ความก็กำลังนี้คืออุเบกขาอ่ามันยังถูกอารมณ์ความความรักความชังครอางำมันจะนาบ่อยๆเข้าอุเบกขาหมดมันก็ยังทำให้เกิดภา ว, วะตันหามิภาวะตันห า, อานอาจารย์เจ้าคะคำว่าอุเบกขาเนี่ยเมื่อเราเจออุเบกขาแล้วบางทีมันเหมือนเย็นชาในอุเบกขานี่มันยังมีเมตตาแฝงพีเจ้าคะ เพาถ้ามันมีวเวทขาแล้วมันเมตตากรุณามุารนะมิตามันก็มาด้วยกันมันมาเป็นพวกอ mm hmm. เนี่ยเราไม่ใช้มันนั่นเองเราจะใช้มันตามงแต่เราออกมาแล้วเรามาพบปะกับคนกับสิ่ ง, งตา่างๆที่เราต้องใช้เมตตามันก็จะออกมาเองเวทอัตโนมัติเห็นใครเขาเดือแล้วกรุณามันก็จะออกมาเองเห็นใครเราเห็นได้ดีบุริตาก็จะออกมาเอง อันนั้นเป็นอยู่เจ้าค่ะแต่ว่าอยู่ตอนอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานเนี่ยมันก็จะมี่เายาตัวเดียวมันจะตัวมันจะสงบอย่น้เเจ้าค่ะโอเคนะนะคะขอบพระคุณเจ้าค่ะอเินที่คุณตวิษาจากสวิสเซอร์นวันนี้สามประเทศเพื่เข้ามาันแรก สวัสดีค่ะอากรรมวัชการป้าจานค่ะพูดงนี้ยังหนาวไหมหนาวอยู่นะข่าววันนี้เริ่มหนาวขึ้นมาอีกแล้วค่ะป้าจาย์ก็เป็นลบเจ็ดลบแปดแล้วค่ะค่ะก็ก็ยังยังยังยังหนาวกับยังไม่หมดค่ะวัเดือนนี้ค่ะต่สองสามเดือนกว่าจะหนาค่ะน่าจะเริ่มดีขึ้นอุ่นขึ้นน่าจะกุมภาค่ะ ปลายกลุ่มผ่าค่ะค่ะพระอาจารย์วันนี้ยมขอถามค่ะต่อจากคำถามเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะเรื่องเรื่องอออความอะไรนะคะที่ที่แบบนั่งนั่งแล้วอ่นั่งนั่งแล้วเมื่อยน้องปวดอะไรเงี้ยค่ะที่ที่มี ค an ่ะเวอาใช่ค่ะเวทนาค่ะแล้วที่นี้มีทีท่านถามอ่ามีทําบอกว่าให้ให้นึกถึงไฟถ้าเกิดว่าตรงไหนให้เป็นไฟเาผาตรงนั้นแล้วก็ที<ร>นี้ค่ะมันมีสองอย่างยมอยากทราบว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งไปแล้วแล้วเราแบบอยู่กับมันได้อยู่กับมันได้เหมือนสมมติเราปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนแล้วก็นั่งไปรโดยไม่ได้สนใจมันแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆโดยโดยไม่ได้แบบว่า อยากให้มันหายกับทําแบบนี้กับกรณีที่สองที่เกิดขึ้นเมื่อเมืม่อเมื่อให้ให้นึกถึงไฟมาเผาร่างกายถ้าอยู่กับมั น, ดนได้ถ้าอยู่กับมันได้ก็ไม่ต้องทำอะไรก็อยู่กับมันไปอ๋อค่ะแล้วแล้วสองวิธีนี้วิธีไหนที่จะส่งเสริมในการปฏิบัติให้เราได้ดีขึ้นครับอาจารย์การการาผามันก็เป็นถ้าอยู่ในกรณีที่ว่าทนไม่ไหวอยากจะลุกอยากจะหนีอ่า อยากใช้ให้มันหายแล้วมันทระมาณจิตใจแล้วตอนนั้นก็เลยต้องลองใช้วิบายการเผาร่างกายโดยเอาเวทนาที่ความเจ็บนั้นเป็นเป็นเปรียบเป็นเหมือนไฟที่กําลังเผาร่างกายแล้วก็จินตนาการว่ามันไฟไมันก็จะลุกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกทั่งช่วงตัวแล้วเผาเปจนกระทั่งร่างกายนี้กลายเป็นที่เท่าฟุบลงมา แล้แลววิธีแบบนี้เราจะได้ปัญญาไหมคะก็ได้ไงก็จะเห็นว่านี่รา ก, กายเวลาตายไปก็ไปเผานี้ใช่ไหมค่ะา แ, แล้ววิธีที่แบบว่าวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ที่ที่ใช้อยู่ก็คือแบบคือเราก็อยู่กับมันได้อย่างเงี้ยมันจะเกิดปัญญายไหมคะธี่จินถ้าอยู่กับมันได้ก็มันก็ไม่ก็แสดงว่าเรารับมันเป็นเรารับเดินผ่านอากาศอือฮะ ตอนนี้อากาศหนาวแล้วก็อยู่ประมาณได้แล้วไม่ทออกมานเพราะเราทําใจก็คือทั้งสองทั้งสองแบบสองวิธีก็คือเป้าหมายก็คือให้เราอยู่ประมาณให้ได้อ๋อโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะไม่หนีมันไม่ขยับเพราต่อไปเวลาเกิดเป็นโน้มมารอย่างเงี้ยนั่างกายมัเจ็บปวดทั่วตัวองเงี้ ถ้าเราฝึกมาแล้วเราก็จะอยู่กับมันด้ไา ม, าม่ทรมาอือค่ะเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์คือการสุกจิตให้อยู่กับความเจ็บใหไ้ได้วิธีไดวิธี น, นี้มันอุบายอุบายวิธีมันมีหลากหลายด้วยกันแล้วแต่แล้วแต่จริตของแต่ละคนจะใช่กันไปบา อ, อทีเราก็มาว่ามันเป็นเหมือนดินฟ้าากาก็ได้เมตนาใช่ไหมค่ะ เวลาฝนตกเราก็ห well, so ้ามฝนไม่ให้ตกก็ไม่ได้แ okay. ต่เราเมื่ทําใจอยู่กับฝนได้ถกก็ตกการนั่งกายมีเวททุกเมื่อทุกนาก็เหมือนกับฝนตกนะครับก็ต้องอยู่กับมันไปก็อยู่กับมันไปเดี้ยมันก็อยู่เองค่ะอาจารค่ะมีเท้าเนี้ะค่ะที่สงสัยค่านเป็นมาตลอนนี้ก็ฝึกจิตให้เราอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ใครด่าก็อยู่กับเขาได้ ใครชมก็อยู่กัเขาได้ใครเกลียดเราก็อยู่กัเขาได้เกณฑ์วุฒิาสาร์วันนี้ถ้าเกิดคันคนก็ไม่ชอบเราแก้คิดว่าดีแล้วเพราะยังไม่ด่าครับถ้าคนเขาด่าเราก็เชื่อดีแล้วก็ยังไม่ตีเราล้วก็ตีเราก็ดีแล้วก็ยังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ดีแล้วจะได้จบร่างกายนี้เป็นภาระหาเวเป็นเป็นภาระต้องคอยเลี้ยงคอยดูมตลาดนานาเขไม่มีร่างกายแล้วก็สบาย นี่คือการเปรียบเทียบให้ฟังนะดวงจิตเพื่อจิตเรายอมรับกับทุกสภาพให้ได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะยิมเข้าใจแล้วค่ะกับก็บพิขึ้นค่ะพัะอัจารย์ด้มาแล้ววาอาทิตย์ก็เข้ามานี่วันนี้ก็เข้าใหม่ป็นโดยยงไหยเนี่ยติดตามตลอดเวลาเลยการนวมมัสการครับมีอะไรวันนี้ถามอะไร วันนี้ไม่มีคำถามครับเด้อมาฟังเฉยๆนะมันก่อนเข้าใจก็แบบมันก่อนถามอะไรถามท่านหกนะ้อยวันถามอะไร<า>วันอาทิตย์ถามอะไรเมือาทิตย์ผมแค่ทิ้งคำถามไว้เฉยๆเขายัางไม่ได้กลับไปฟังเลยอ๋ยังไม่ได้ฟังเลยคําถา ม, ามอะไรจำได้ไหมถามคําว่าอาวิชชาคือ อะไรครับอ๋วิชาคืออะไ ร, ออรถ้าทำไมาอยากจะรู้เล ย, ยาก็รู้ครับคําว่าวิชารู้กแปลว่าเลยวิชาคือความรู้ใช่ไหมที่เราไปเรียนหนังสือนี่เขาเรียกไปเไปเรียนวิชาหาความรู้ใช่ไหมวิชาก็คือความรู้อะก็คือความไม่รู้เนี่ยอะแปลว่าไม่ไม่มีวิชา คนที่ไม่มีวิชาคือคนที่ไม่เคยไปลงเรียนมาก่อนเขาถึงลงไปเรียนหนังสือพอไปเรียนหนังสือ็จะได้มีวิชาความรู้เกิดขึ้นทางศาสนาก็เหมือนกันอาวิชานี้ก็ไม่มีความรู้ทางศาสนาความรู้ทางศาสนาคือก็คืออริยสัจสี่ไม่รู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรไม่รู้จักวิธีดับทุกข์ดับได้อย่างไรเขาเรียกว่าอวิชาอ่านยากไหมไ เข้าใจครับอัออนออนี้ไม่มีอะไรนะมีไหมไม่มีคำถามครับบ้านอยู่ที่ไหนนะอยู่เชียงใหม่ครับอยูอเชียงใหม่นะโอเคเรียนหนังสือหรือเปล่าตอนนี้ไม่ได้เรียนครับเรียนออนไลน์ครับแต่ไม่ได้ไหสนะู่อยู่ปไหนอยู่ปห้าครับปห้ากี่คนแล้วเนี่ยสิบเอ็ดครับ อ่เสรี่นะได้เกีดีไก็ก็ดีครับเกียเท่าไหร่เกีเฉลี่ยเท่าไหร่สครับฮะสี่จุนนะสี่จุนเนะีครับดีอยู่ไม่บอกเท่าไหร่ได้ที่เท่าไหร่มีที่ไหม ได้ที่สองนะแต่ไม่รู้เกียก์เฉลียลย่ยเท่าไหร่นะครอฮะสี่จุดหรือเปล่าหือสามจุดสี่สี่สี่จุ ด, จดเหรอโอ้เก่งนะแต่ยังซวยอีกคนไม่ได้เลยคนที่เหน่งม็ได้เท่าไหร่ก็ได้สี่จุดหนึ่งแล้วสี่เหมือนกันนะครับสี่เหมือนกันนะครับอชอบตกวิชาคณิตศาสตร์ครับโอ้ โอเคพยายามรักษาเกจไว้นะพยายามตั้งใจงเรียนหนังสือนะเรียนทั้งทางโลกแล้วก็มาฟังเทศฟังธามต่อนะจะได้วิชาที่ครบถ้วนบริบูรโอเคถัดไนี้ก่อนนะโอเคเชิคุณธนาพอรอธมาวันนี้มีแขกมาเยี่ยมนะสามคน วันนี้มีทีมงานหลายคนนะ่ะมาช่วยกันถวายหนังสือด้วยค่ะอออันนี้อยู่ที่ไหน อ, อนนี้อยู่สกล ค, ครับอาจารย์สกลเนี่ยเอาไปแจ<บ>กี่วัดนะการจะไปแจกกีวัดมืนแรกเราไปกับ เ, เราไปที่วัดทั้งเต่าครับไปไปกับหลวงปู่วครับใจ<า>ดีมากอันนี้ท่านหายหายหายจากโรคทฟอยดเจ็บด้วยยก็เห็นท่านว่ายังยังยัง เหมือนยังเจ็บๆอยู่นะครับยังยังต้องใช้ไม้เท้าพยู่อย่างเงี้ยครับเป็นเจ็บหลังใช่ไหมใช่ครับใช่ครับครับก็อยู่ด้วยการในวัาป่าป้าตาก็นั่งติดชันไปแล้วนั่งชัน้นั่งติดชันทุกครับท่านท่านท่านอาจารย์บุญมีก็มีไม่ตาครับก็ก็ได้คุยอยู่ตั้งเกือบครึ่งวันก็เลยได้คุยได้ถามถามถามถามถึง ท่านก็พูดเล่าเรื่องอาการท่านนะครับแล้วก็ท่านก็เล่าเรื่องว่าว่า อ, อช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ท, ที่ที่วัดเนี่ยที่เวลาเอาเด็กมามาทํากิจกรรมเนี่ยครับกไไ็ได้ได้ได้สอนเด็กไปด้วยแต่พอมีโควิดก็เลยทําให้ให้เด็กๆก็เลยขาดโอกาสไปครั บ, รบเด็กนักเรียนเด็กเล็กๆนะครับเก็ต้องปรับไปตามสภาพครัครับส่วนวันนี้ก็ไปไป บ้านถือครับไปบ้านผือครับอ๋อแต่ว่าวันไปบ้านตานะค่ะเมื่อวานเมื่อวานไปหลวงไปขําเต่าแล้วก็ไปวัดบ้านตานะครับอืมจะไปหากุกุดพระจารย์นะคะเจอะไหมไม่เจอไม่เจอแะไม่รู้ยู่งไหไม่รู้อยู่ตรงม่ ใ, ใครรู้ละฮ่า คืนนี้ก็เรามาค้างอยู่ตรงเพอพอออกจากสกนมาพรุ่งนี้จะกลับไปขอนแก่นนะครับก็เลยก็เลยมาค้างอยู่ที่เอภูพานนครับภูผานครับไม่ว่าวัดบางกาลมุกสุมาลนะแบบพี่ท่านไปมุกสาลไปด้วยกับวัดพิชาวัดก็ไปครับดาวเราชอบที่วัดเออ่ที่หนองผือก็สักที่หนองผืออะค่ะหนูชอบที่นั่นมากกว่าหนูว่าสงบดีอะค่ะวัดเจนหนองผุบานอยู่ใช่ไหม ได้ครับที่ผู้นั่นใช่ครับชอบมากเลยสงบมากเลยค่ะก็ไปแล้วเย็นเย็นนะครับก็เจอเจอเจอเจอพระอาจรยพยุงนะครับท่านท่านก็เมตตาได้ได้ได้สนทนาด้วยอะไรอย่าเงี้ยดีนี่แก็มีโอกาสได้ไปพบปะครูบาอาจารย์ต่างๆได้ฟังเทศน์ต่างๆครับครับก็จะน้อมมาโอ้โห คนนั้น ไ, ไมสงสัยทางที่เราดำเนินว่าถูกต้องหรือไม่พรามีหลายๆคนพูดเหมือนกันหมดใช่ไหมภาษีภาวนาครับครับแล้ววันนี้พระอาจารย์พูดคํดานี้ด้วยค่ะคิดใช่ค่ะคนนั้นมั่นใจว่าเราเดินมาถูกทางแนะทําำบุญทาทานรักษาสีภาวนาครับใช่ครับใช่ครั บ, รบมั่นใจมากเลยครับอันนี้ก็มาทําทานทำบารทานเราธรรมะมา ครับรพะอาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้วก็ปฏิบัติทุกวันนะคะอย่างอย่างเขาเนี่ยทุกวันนี้ก็ตีสามค่ะทักหลายวันแล้วล่ะอาจารย์นักษาศีลนักก็ภาวนาครับคือเดิมเนี่ยจะแบบว่าบางทีตีสามบางทีสี่บางทีห้าแต่ว่าช่วงหลังนี้ก็ได้ตีสามทุกวันนะครับก็ก็ตืจริงก็ตื่นใหม่ในที่ในที่้่าเป้าของท่านท่านมาต่อไปนี้ยาวตีสามนั่ต้องทักก็ทำได้ ครับครับค่ะแล้วก็ต้องานกำังขับจิตครับเขาปีสามแล้วก็อยู่ได้ถึงถึงเช้าเลยนะครับก็ได้อยู่ครับอาการง่วงนอนก็ไม่ไม่ไม่ไม่ง่วงมากอะค่ะอาจารย์ถ้าไม่ได้ทางานแล้วไม่ค่ยง่วงคการทางานมันไม่ได้ใช้พลังงานมากพัฒนาไม่มาก4ช่วโมง4 5ชั่วโมงก็พอพอ ก็เรื่องนั้นขออนุญาตเรียนสภาวะครับคือช่วงนี้เวลาเดินจงกรมเราก็คือเท้าที่สัมผัสพื้น ก, ก็ก็รู้สึกว่าเป็นมันเป็นเป็นนิ้วนิ้วกระดูกอะครับก็คือเราจะรู้สึกว่ามันละเอียดขึ้นมันมันผ่านก็ไปเป็นเป็นกระดูกเป็นข้อเป็นอะไรอย่างนี้ไปครับก็ไม่ไม่ไม่สัมไม่ไม่สําคัญครับ ทำคัญที่ให้จิตเราอยู่กับการเดินอย่าให้จิตไปคิดเรืเ่องนั้นเรื่องนี้มากกวาส่วนจะไป็รู้สึกว่ามันเป็นกระดุกไม่เป็นอะไรนี่ก็มันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นประเด็นที่เราต้องการขณะที่เดิจนจงกรมเดิจนจงกรมเนี่เพื่อให้มีสติก็คุมความคิดปุ่มแต่กไม่้คิดเรื่องเปิบบดบางทีเดินแล้วไปนั่งคิดเรื่องกระดุกขึ้นใหมา อ, อม่ต้องการให้คิดเลยให้รู้เจเฉย มืกำลังกล่าวซ้ายขวาซ้ายขวาไปนะครับเดี๋ยวไม่ต้องไปวิเคราะห์ทางปัญญาครับเราให้ได้ฌานก่อนให้ได้สมาธิก่อนแล้วค่อยไปวิเคราะห์ทางปัญญาตอ่อไปครับใช่ครับไม่คิดคำถามมันได้เลยมีไหมตอนนี้ไม่มีครับอาจารย์ก็คือ ค, คือของตัวเองก็คือเนี่แหละครับก็คือต้องต้องปฏิบัติ ตอนนื่องให้ได้ครับพยายามสติให้ได้ก่อนเพื่อให้จิตเข้าสมาธิให้ได้ก่อนครับเรื่องปัญญายังไม่ต้องไปคําวลตอนนี้นะได้ครับครับพอรู้ไปมันก็ยังทับไปอยู่อะไรไม่ได้ครับเรื่องปล่อยไม่ได้ครับก็ยิงคิดว่าถ้าถ้าเราพิจารณาไปเองเนี่ยแบบโดยที่มันไม่พร้อมเนี่ยบางทีมันก็มันก็ฟุ้งไปนะครับมันต้องไปยึดซู้งไปแทนที่จะสงบกลับได้ ครับครับตอนแรกเราต้อการัำจิตให้สงบให้เป็นเบร ค, ครับ่อนครับครับโอเคนะครับขอบคุณอาจารย์ที่ตาค่ะคุณดนเชแนคอทมอย่างคแมนสบายใจครับแล้วก็สกายอาจารย์นครปฐมนครที่คอทมอครับอทมอมีอะไรไหมวันนี้ มาครับปฏิบัติไปไเรื่อยครับมารายงานตัวครับโ okay. อเคห็นภาพไปที่คุณกิติศักดิ์ต่อคุณกิติศักดิ์ยู่ที่ไหนสคานครับอ่าอยู่ที่ไห น, ไนออยน อ, อยู่กทมองครับคอทมองนะครับมีคำถามมีอะไรไหมเอ่อพอดีว่าได้คราวที่แล้วได้ติดต่อ กับที่ปรั๊บครับก็จะได้โอกาสไปขึ้นไปปิดวิเวกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ลองไปดูนะครับอาจารย์ครับมีหลักยึดยังไงบ้างไหมครับในการปีกสติตลาดเวลาททได้พูดโธก็ได้หรืใช้การเฝ้าดูการขึ้ื่อนไหวของร่างกายก็ได้ตั้งแต่เรมตาขึ้นมาแล้นว่าอย่าไปคุยกับคนนั้นคนนี้มากเกิไปอย่าปีกวิเวกอยู่คนเดียวอย่าพูดคุยกัน ฝึกสติเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าอยากจะอ่านหนังสือธรรมะบ้า ง, างา ก, ก็ได้สลับกันไปต้องการทำจิตให้สงบในเบื้องต้นก่อนให้จิตเป็นสมาธิให้ได้เรื่องปัญญานี้เอาไว้ทีหลังต้องผ่านสมาธิให้ได้เข้าใจไหมเข้าใจครับ ก็เรามาดูนะอยู่คนเดียวอยู่ในป่าเนนะี่ยพอขึน้นไปบนเขาแล้วต่างพงก็ต่างอยูมันไม่มีใครเข้ามาพบปะนอนครับลองดูครับต้องเตรียมไฟฉายไปด้วยนะบนนั้นข้างบนเขาไม่มีไฟฟ้าครับอาจจะต้องเอาที่ที่นอนเป็นเต็นท์เนี่ยอะไรของเราไปก็ได้เพราะว่าที่นั่นเขาก็ไม่มีอะไรให้คับมีแต่มีแต่แค่แล้วก็ทำเงินยงคงครับ ได้คุยรายละเอียดกับหลวงพี่ปั๊บของที่ต้องเตรียมไปนะครับโอเคเราจะได้เจอกันนะอับาศธรรมศาสตร์ครับะนรระครับคุณสุภัธนาบอกวินบอกวินดังๆหน่อยเสียค่อยไปหน่อยค่อยแล้วจ้ะพอดีว่ า, ร ะ, วาระหว่างอาทิตย์นี้ไดได้ได้ฟังทำมีตัวที่ สงสัยอยู่ในเรื่องของการเอจ็บหัวเข่าเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนแรกก็คาแต่ยาคิดว่ามันจะหายเสร็จแล้วมันไม่หายก็คิดว่าเอา๊ะแล้วเราเราจะนั่งสมาธิไม่ได้กลัวว่าจะนั่งสมาธิไม่ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์แต่มีเทปของพระอาจารย์เทปเทปอตอนบ่ายสองฮะมีบอกว่าเรายังต้องใช้ร่างกายอาศัยร่างกายปฏิบัติธรรมอยู่ก็เลยไปหาหมอตอนนี้อาการดีขึ้นนั่งขัดสมาธิได้แล้วเจ้าค่ะ เออต้องรักษาถ้าไม่สบายก็ต้องรักษาไปยกเว้นเวลามันเจ็บตอนที่นั่งสมาธิเท่านัที่ไม่เราไปทำอะไรตอนนั้นนั่ง น, นั่งไม่นั่งคัดสมาธิไม่ได้เลยนั่งแต่เก้าอี้อย่างเดียวก็เลยต้องอกรักษาให้มันหายเป็นปกติก่อนแล้วค่อยมาเล่ น, น, นอ๋อค่ะก็ก็ตอนนี้ก็เพียรเรื่องสติเจ้าข่าวอาจารย์เอาฝึกสติให้มากๆคอยควบคุมความคิดจยุดความคิดนะ ขอบคุณเจ้าค่ะอาจารย์นี่คุณเบสต์นเบสต์ากายะการวัสการเจ้าค่ะคระอาจารย์ค่ะก็เดี๋ยวสุกเสาร์อาทิตย์นี้ไปขึ้นเขาอะค่ะที่เขาคิดที่ยจองได้เท่าไหรจองไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่ไปอะจองต่อนี่ตออีจองไว้ล่วงหน้าแน่นๆะาในนี้คนเยอะคนอยากไปจองยากเหมือนกันค่ะจองเน่น อาจจะพานช่วงที่มันเป็นวันหยุดยาวๆนี้่คนจะเจ้ามันมาก่อน<ะ>อาจจะหาวันที่ไม่กันมันก่อนไปค่ะถ้าเราไม่มีงานทําเป็นปคติที่ต้องทําทุกวันหรืว่าจะเลือกวันที่ที่เหมือนว่า<ะ>ดีครับที่เราไปเป็นางานดีไหมก็ดีค่ะเขับที่เราไปไปสองวัน<ะ>ก็อดอ่นไปพอได้อยู่ค่ะพระอาจารย์ ตอนนี้เราสามคราวนี้ก็เวลาวันนึงก็ไปสามเออเดลองดูค่ะพระอาจารย์แลเราผ่อนคลายอ่านหนังสือทํามานี่นี่ที่ได้ใช่ไหมได้อ่นหนังสือธํร ม, มานได้ทำทำได้อืมค่ะพราะเขาที่เราไปแบบหนูหนไม่กล้าอ่านหนังสือมากแบบเหมือนก็แล้วแต่เราถ้าเราแม่อแต่เราอยากจะเจริญสติเดินดังกรมนั่งสมาธิให้มากก็ได้ ถ้าทำมากๆกรู้สึกว่ามันมันเบื่อถ้าอานเยะเปลี่ยนมาอาห น, นังสือบ้าง ก, ก็ได้ค่ะเพราะเหมือนเหมือนอ่านหนังสือมันจะมีความผ่อนคลายมานิดห น, น, นึ่งอ่นหนังสือทำมากนะใช่แต่นออหนังสือยังอป็นค่ะมันมีหนังสือธรรมะที่อยู่ในห้องาของอันเป็นเล่มที่หนูมาไม่ทันนะคะเล่มก่อนๆอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ย่อ่านแล้นั่นได้จะได้เกิดความเข้าใจ ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องวาทำยังไค่ะพระอาจารย์ก็จะลองอดเหมือนอดด้วยนะดีออดจะได้กับต้ความเพียถ้าอแล้วมันไมขี้เกียจาอดแล้วนะ ม, มันมีความทุกข์ที่จะต้อคคอยคอยคอยสู้มันเราต้องใช้การปฏิบัติสู้กับความทุกข์ค่ะอาจาแต่เป็นน้าผลไม้ได้ใช่ไหมไดนะ้นัช่องบาย คในช่วงเช้าก็ได้น ะ, ะัผลไม้ที่นึ่งแมทั้งวันออาจจะไปเดิ น, นทานอาหารก็แล้วกันค่ะพระาอาจารย์เดี๋ยวพอบันเทาความโวยหน่อยก็แลันค่ะก็เดี๋ยวเดไปปฏิบัติ ด, ดูก่อนเดี๋ถ้ามีอะไรจะมาถามา <Okay. S 2> าพระอาจารย์ค่ะโอเคขอบคุณค่ะคระไปที่คุณนาีเรศมาเรศจากกอธรรมกับหลวงพ่อค่ะ หลวงพ่อได้ยินหนูป่ะคะได้ยนินชัดเจนชัดเจนค่ะวันนี้หนูก็ยังปฏิบัติอยู่ปกติอะค่ะหลวงพ่อแต่ว่ามีคำถามนิดเนื้อค่ะอย่างคำว่านิพานเนี่ยมันถ้าเกิดเข้าใจความหมายคือว่ามันตรงข้ามกับไตรลักษณ์อย่างเงี้ยเข้าใจได้ไหมคะคือนิพานคือสภาพจิตที่สงบแล้วได้กำจัดความโลภกวนลงหมดอไปจากใจนะ ม แ, แปลว่ า, า, วาเป็นสมาธิที่ขาวอร์ดหนูไปเข้าใจว่ามันถ้าท่านนิพพานเนี่ยมันแปลว่ามันมันเที่ยงแล้วมันก็อย่าไปสนใจ เ, เรื่องนี้ไม่ไม่ไม่ควรจะเข้าไปาไม่ต้องไปสนใจมันให้มันรู้ว่ามันเป็นจิตที่สงบอย่างท้าวอร์ต่างจากสมาธิที่มันสงบชัว่วคราว อ่าเป็นเป็นแบบถาวรใช่ป่ะคะ ค, คือต้อที่อาจารย์บอกอยู่วันนี้เราเราวัดกันดูที่ที่ใจเราใช่ไหมคะหลวงพ่อเวลาไม่ไม่มีกิเลสใจก็จะสงเวลามีกิเลสปั๊บใจก็จะหายสงบเวลาเกิดความโลภขึ้นมาใจก็กลับเพื่อมขึ้นมาเกิดความโกรธใจก็จะกลับเพื่อมแต่ถ้าเราําจัดมันไวเป็นหมดแล้วมันก็จะไม่มีอะไรมาทําให้ใจเร า, ากับเพื่อมใจเราก็กเป็นอุเบกขาตลอดเวลา ถ้าถ้าสมมุติว่าใจมันยังมีทุ้มอยู่แต่ว่าเราเราใช้ปัญญาตัดเนี่ยอย่างนี้ถือว่ายังยังไม่เป็นนิพพานใช่ไหมคะก็ยังเป็นมากอีกกำลังเจริญมากอีกอ่าค่ะหงพ่อยังณสังโยชนะสังโยชน์ไม่ได้หมดมองละสังโยชน์สิบตัวให้หมดนถึงจะเป็นนิพพานจริถ้าถ้าลอาละได้แค่แค่ห้าห้าอย่างเนียก็ยังก็ได้ครึ่งเดียวก็ยังมีกิเลสเหลืออยู่ ยังมีสัมยวดนีกห้าตัวซึ่งเป็ น, กนเกเรทที่ละเอียดขึ้นไปและมันจะเป็ น, กนเกเรทที่ไม่เกี่ยวกับร่างกายถ้าละสัมยชนห้าตัวได้ได้ก็ไม่ติดไม่ยึดไม่ติ ด, ไ ม, ตดไม่มีปัญหากับร่างกายและมันจะไม่มีปัญหากับจิตค่ะหลวงพ่อคะแล้วและไอ้ที่คําว่าปฏิคัณเนี่ยมันหมายเฉพาะทีนเนท่เกิดจากการเกิดจากการมีการอารมณ์เวลา อยู่คนเดียวล่องหนาวอันนี้ก็หงุดหงิด น, นังคาใจเวลาอยู่กับแานก็มีความาสุขอะไรเงี้ยพออยู่คนเดียวก็รู้สึกหงอีหงิดขึ้นมาอ๋อเฉพาะแค่การอารมอย่างเดียวเหรอคะหลวงปู่ใช่หงุดหงิที่ที่มาต่อกาอารมแต่ถ้าถ้าสมมติเราไม่ได้มีความหงุดหงิดตรงนั้นถือว่าเราผ่านไอ้ปฏิฆะตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ถ้าเราไม่มีกาอารมมันก็จะไม่มีปฏิฆะทางทางกาอารมต่างอ๋อ เข้าใจแล้วค่ะหลวงพอคัะถาม อ, อีกนิดนึงค่ะพอดีมีพี่ที่ออฟฟิศนะคะเขาเอาเขาเรียกอะไรบาทบาทพระค่ะแบบมามาให้เราเหมือนสะสมตังสมมุติปีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็ทําไว้เหมือนว่าพอถึงเวลาพี่เขาจะมาเก็บเพื่อที่จะไปถวายวัดที่ที่เขาเอามาเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยเขา เขาก็เสียณงานไปแล้วค่ะแล้วเนี่ยหนูก็ถามว่าวัดเนี้ยอยู่ตรงไหนเนี้ยหนูไม่รู้จักอ่ะค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็ยังไม่ได้เอาไปให้เขาอ่ะค่ะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดเราเอาอเงินตรงเนี้ยที่เราใส่ไว้หยอดไว้ในบาทเนี้ยเราเอาไปทาบุญที่อื่นอย่างเงี้ยมันจะบาปมันจะผิดไหมคะหลวงพ่อก็อยู่ที่ว่าเราตรวงก่าเขาวให้ไง คือหนูพยายามโทรตามเขาโทรถามเขาแต่ว่าเขากเกษียญไปแล้วอะค่ะหลวงพ่อมันติด ต, ต่อไม่ได้ติดต่อได้แต่ข้อาะเขาไม่เข้ามาเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ถามว่าวัดอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ไม่รู้จักอะ่ะค่ะหลวงพ่อเขามไม้บอกเขาว่าถ้างั้นจะเอาไปทำบุญที่อื่นแทนนะอ๋อไ ป, ไ ป, ไปแล้วแล้วหนูติดอยู่ในใจว่าแล้วเราจะผิดไหมะอะค่ะหลวงพ่อคือเรารับปากแต่ว่าเรา เราไม่ได้ไปไปถวายแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเราเราจะทํำยังไงใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อหนูก้าบับอ่ะค่ะหลวงพ่อมันไม่บาปเราทนเพียงแต่ว่ามันอาจจะผิดผิดอผิดสัจจะที่ได้กลับออกมาว่าจ้าเอาไปใช่บาตอะไรนี้เน้วไปถวายวัดนี้ใช่ใช่ค่ะพอถึงเวลาไม่รู้ว่าวัดนี้อยู่ที่ไหนหรือจะส่งไปยังไงเราเสิร์ชหาชื่อวัดดูได้ไหมล่ะ คือเขาก็ยังคนที่เอามาให้อะ่ะเขาก็ไม่รู้จักเหมือนเขาเอามาอีกทีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าท า, างเราเงินเขาเอาไปทํางุนืได้ไหมค่ะหลวงพ่อหนูยังเก็บเนี่ยยังเก็บเอาไว้แล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจอ่ะค่ะว่าเอ้อบางทีเรไาไม่เอาไปทําบุนก็เป็นไรเพราะมันยังเป็นเงินของเราอยู่แต่มันเป็นเงินที่ทุกคนบางทีเขามาร่วมสาธุด้วยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็กลัวกลัวว่าาไม่เป็นไร เพราะว่าเราก็มีจิตนาที่จะทําบุญแต่ที่นี้ไม่รู้ว่าจะไปทําที่ไหนทำยังไงจะลองถ้าถ้าจะลองหาดูอีกครั้งหนึ่งเงนี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆอหนูก็จะมาทําที่อื่นต่อแล้วอะค่ะหลวงพ่ อ, อก็เหมือนกันก็ได้ทำบุญก็ได้ทําบุญเหือนกันค่ะหลวงพ่อเห็นแต่ว่าไม่ไม่ได้ไปที่วัดที่ได้ได้จดบวงกันไว้ล่วงหน้าใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อถ้าช่วยไม่ได้ไมันเปเหตุสุดวิสัย ค่ะหลวงพ่อสมมติคนสมอนเคนที่เอาบาตมาให้นะเขาตายไปแล้วเราจะทำอะหนูก็คิดคิดอยู่หนูก็ต้องเอาไปทําที่อื่นถื อ, อว่ามีางานก็นได้ค่ะหลวงพ่อคะช่วงเนี้ยหนูหนูไม่ได้ไม่ได้ไปที่วัดที่เคยไปแล้วค่ะเขาเขาปิดเขาเขาเรียกอะไรงดไว้ก่อนอ่ะมันช่วยก็มไม่เป็นไรค่ะหลวกพ่อ ค่ะวันนี้หนูก็มีคําถามประมาณเนี้ยค่ะลหลวงพ่อนะยังปฏิบัติเหมือนเดิมนะยังปฏิบัติอยู่ค่ะลหลวงพ่อเมื่มอเราถาดไปด้ถ้ามีวัดหนึงไปได้เราไปก็ได้ค่ะหลวงพ่ อ, อ, อก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะหลวงพ่อเนี่ยมันจะได้แค่ช่วงแบบถ้ามันช่วงกลับบ้านอะไรเงี้ยสุขสาร์อาทิตย์เงี้ยหนูก็ยังเออโอเคยังได้อยู่เงี้ยค่ะค่ะดีปฏิบัติไปนะ ค่ะสาธุค่ะหลวงพ่อกลับขอบคุณหลวงพ่อด้วยค่ะสาธุค่ะคุณหมอสุทัศนีจ า, e ากปทุมใช่ไหมปฐุมธานีจากปทุมธานีเจ้าค่ะนักประชานประจารย์ค่ะวันน right? ี้ไม่มีค huh? ําถามเจ้าค่ะยังปฏิบัติอยู่ใช่ไหมปฏิบัติทุกวันเจ้าค่ะในในโครงการจะขึ้นเขาอีกหรเปล่าถ้าว่างมีโอกาสก็จะไปอีกเจ้าค่ะชอเบ ขอบคุณจัดจาคาชินอยู่ใต้วั น, นะคุานชินครับอาจารย์ <S <S มีอะไรไหมอ๋อไม่มีครับก็มากราบพระอาจารย์แล้วก็ร่วมฟังธรรมครับอาจารย์อันนี้ใต้วันหนาวม่ะหนาวครับทั้งป้าห่มสองผืนที่นอนสามผืนแล้วก็เต<ช>ียที่อก็สองตัวครับ <S <S ไม่มีไม่มีที่ทําความร้อนในในบ้านเนี่ยไม่มีก็มีแอร์ก็เราก็ปิดแอร์กันครับปิดแอร์เราก็ปิดประตูปิดอะไรดีเดียวครับแต่ไม่มีไม่มีไม่มีแอร์ทำระทำระทำควับร้อนไม่มีฮีเตอร์อ่ไม่มีครับไม่มีครับครับใส่ผ้าออกไปครับก็วันนี้ไม่ได้ทําโอก็เลยมันตรงกับมันพูดพอดีก็เลยเข้ามาร่วมการบรรจาร เออเนี่ไม่มีคําถามนะครับอ okay. ย่เงี้ยไปที่คุณขวัญต่อเลยขวัญได้ยินไหมถ้าไม่ได้ยินเอยากจะไปที่ท่านต่อไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่อันนี้มันปลางว่าอะไรก่อนนะมันปลางว่าอะไรกราบนมัสการเจ้าค่ะมีกราบแพทเทิร์นของการกราบกรบพระาคา่ะ ปกติจะเป็นสามสามแบบสามอย่างก็คือกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนหน้าที่จะมาเรียนธรรมะกับพระอาจารย์นะคะก็ได้ได้เรียนรู้ว่ามสมณ์ ก, ก่อนหน้านั้นท่านให้กราบปกรั้งซึ่งก็เพิ่มเติมไปที่กราบครูบาอาจารย์พ่อแม่แล้วก็ไตรสิกขาค่ะหนูขอขอเรียนสอบถามท่านพระอาจารย์ว่า ข้อสุดท้ายคือข้อพบอะค่ะไรสิกขาก็คือการระลึกถึงอทำสามอย่างใช่ไหมคะอาสิสถิติปัญญาสิสถิติปัญญาซึ่งซึ่งการกราบแบบนี้คือให้เราแค่ระลึกถึงอย่างเหมือนเหมืหอนที<อ>่ระลึกถึงที่บ้านไป<อ>แต่ว่าเราก็สามารถกราบสามครั้งก็ได้เหมือนกันนะเราจะกราบอีกครั้งก็ได้แต่ถ้าเราไปกับเขาเขากราบอี่ครั้งเราก็ต้องกราบกราบเขาไปค่ะ ก็หนูหนูหนูยังติดกับหกครั้งอยูอ่ก่อนนอน<ต>อะไรเงี้ยค่ะกับหน้ากับร้อยครั้งมาไเป็ค่ะแล้วก็ช่วงเนี้ยค่ะก็ทํางานก็ดึกนะคะกว่าจะได้นอนแต่ว่าหนูก็มาหลังจากที่หนูสวดสวดมนต์สวดสวดส้นสั้นนะคะหนูก็ช่วงหลังก่อนนอ น, นก็ใช้เป็นเข้าสมาธิเลยซึ่งหลังจากที่ทํามาทุกๆกวันแล้วมันติดนะคะก็นั่งเข้าสมาธิได้จนรู้สึกว่า อ่าไม่ไม่ความก้าวหน้าไม่ต้องก็ได้แต่ว่าแต่ชอบอย่างนั้นนะคะมันมันก็เหมือนกับหลายๆท่านบอกว่านั่งสมาธิแล้วติดสุขอยู่ที่สุขอะคะ่ะแล้วมันไม่มีความก้าวหน้าอะไรนะคะก็เ ป, เป็นความสุขแบบช่วงทางในสมาธิถ้าอยากจะก้าวหน้าอย่างนั้นแหะครับสุขแบบฐานว่าก็ต้องพิจารณาทักปัญญาเพื่อละสำเร็จให้ได้ อ่าคือออกมาแล้วก็พิจารณาครับทางปัญญาเออพิจารณาร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราเันของไม่เทียเก่ดแก่เจ็ดตายวิทนาก็เหมือนกันอืมถ้าถ้าอย่างนั้นหนูหนูคิดว่า ช, ช่วงนี้หนูได้ใช้เยอะจากเรื่องการทำงานค่ะพิจารณาคนโรงงานเจ้านายลหลายคนหรือแม้กระทั่งตอนที่ถวายอาหารพราะจารย์เห็นของพวกเขาจัดมาสวยๆแต่ว่าพอมองไปแล้วปุ๊บก็ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถ่ายมาเป็นของออของสื่อเนี้เนี่จะได้ไม่จะได้ไม่โลภไม่อยากจะกินอาหารค่ะมันกน็น่าจะไปถูกทางแล้วก็จริงๆปีนี้หนูตั้งใจว่าจะไปปฏิบัติเหมือนเหมือนกับทุกทุกท่านแต่ว่าถ้ายังไปไม่ได้หนูจะใช้เป็นวิธีเช่นอไปนอนตามรีสอร์ทที่มันเงียบๆนะคะถ้าผมไม่มีตลาดเอ อ, อแล้วแต่หนูจะจะทำได้กันไหนก็ได้ ขอบคุณสาธุนะหมอน้าทวีตตับหมอน้าทวีเชิกับน้ำตาลอาจารย์ครับสบายดีนะสบายดีครับก็มาฟังธรรมกับงนเยอะไหมงานเยอะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะับอยเจริไปดันปวยนี้ไม่มีวันหมดนะครับใช่ครับ แต่เดี๋ยวเราจะทำเห็นอริยสัจเห็นทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายในโรงพยาบาลมีครบทักอย่างเดียวครับร่างกายไม่ไม่นอนครับก็เห็นอยู่ครับก็แก่เจ็บตายฮเป็นปตายบินด่งอยู่ในโรงพยาบาลครับก็อยู่ตรงนี้หมดครับถ้าหมดเจ้าหมอก็ไปตกงานได้เลยครับครับครับก็ทําทําไปเรื่อยๆครับ จะปลอมนะบ <ull ing. S 2> อก่าน่าสใจของเราก็เหมือนเขานะให้ออกมาดีโกว่าก็มาทุกครั้งเวลาคนไข้คนเจ็บว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ใช่ครับทั้งคนที่เรารักด้วยคนลูกเราลูกเต้า<ช>เราภรรยาเราพ่อแม่ญญปู่ย่าตายายไหมือนก็นหมดก็เหมือนดอกไม้ปักในแจกันไม่เวลายานั้นออกมาเราก็ต้องไปดไ <Okay. S 1> ไม่มีคำถามเลยครับผมไม่มีครับก็พยายามปฏิบัติแต่ก็มันเขา้าลุ่มๆตันๆแต่ว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ได้ได้เข้าสุขสาร์อาทิตย์นี้ได้เข้าไปครับที่วัด <Okay. S 2> ครับเจอไหมเห็นไปที่คุณสุภัสตาต่อสุภัตาจากเลท็กซัสกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณพ่อแล้วลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะวันนี้ันนี้ทำยิ้มเฉย ขอร้องฟังเจ้าค่ ะ, ะถูกกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะมันไปที่คนชนะ ด, ดาต่อคนชนะ ด, ดาอยู่ที่ไหนคนชนะ ด, ดามุรปารค่ะพูดได้เลยอยู่่สดมดุรรปากคะเสียงไม่มาเลยเสียงนะปั่น ม, มาแล้วแต่เสียงไม่เข้าอ่าได้ยินเสียงเราพูดใหม่นหมคะ อ่พูดได้เลยโ <Okay. S 1> อเคอ่พูดได้เลยได้ยินนะคะอะได้ยินค่ะท่านอาจารย์ค่ะเอ่อวันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี้ยค่ะจะขึ้นไปวิเวกที่บนเขาชิโอนนะคะจ ะ, ะเป็นครั้งแรกเลยอะค่ะพระอาจารย์เอด<ต>อดีไม่ร้อไม่รู้ไม่รองไม่รู้จะได้เจอพระอาจารย์ไหมเขา พอไม่เจอแล้พอไปอยู่ที่นั้นเป็นที่ของซนผู้หญิงพักไม่ไปเจอถ้าอยากเจอก็ต้องรอเวลาออกมาค่อยมาใส่บาตรอนเช้าที่ศาลเพื่อเจอแต่ช่วงที่อยู่นี้ก็ไม่ให้ออกให้ค่ายเก็บตัวอยู่ไม่ต้องออกเข้าๆออกค่ะก็ตั้งใจตั้งใจว่าจะลองดูว่าจะไม่ออกไปไหนเลยค่ะขึ้นขึเวรทีสู้กับกิเรดลสกิเลสต้ความอย่างต่างๆดูสิว่าจะสู้มันได้ปะ ค่ะต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะพรอาจารย์ในห้องมีอะไรในห้องไปเตรียมสติไปก็ไม่มีรายในก็ขอมันรู้สึกที่ที่พระก็มีพร้อมที่อยากจะจะเตรียมไปใช้ว่าเผื่อไฟดับตอนคืนบางทีไปใช้ม่ประโยชน์นี่นะป่าไเทียนอะไรี้าเผื่อถ้าเกิดไฟมันดับไงใช้ไฟฉายใช้เทียนได้แล้วก็ของใช้ส่วนตัวที่เราต้องใช้ ค่ะมีห้องน้ําในตัวใช่ไหมคะพยาบาลมีห้องน้ําในตัวมีตู้เยนมีเตาไมโครเวฟด้วยได้อย่า ง, งาน่ารักเก็บแล้วก็อบกินเองก็ได้อ๋อค่ะพยาบามีคนยอรับทํากับค่าสบบ่งป็นตัวให้ก็ได้ค่ะค่ะทางคุณลารู้ไหมกับคุณลาแล้วงขอแบบนั้นเราไม่เข้าไปเไลน์เข้าไปขอบปรึกษาคุณลาเหมือนกันนะคะเพราะยัง ก็คือเดิมเดิมมีความกลัวผีอยู่เยอะเลยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าจะลองอะคะ่ะก็เวลากลัวก็พยายามทำวุทห์ถวุฒห์ถวุฒห์ถวไปอย่าอย่าสนใจไปหาผีอย่าไปคิดถึงผีผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงผีจริงเขว่าอยู่ไปตามเรื่องของเขาเขาไมมาอยู่กับเราไอ้ตัวจี่มาอยู่กับเราคือผีเราเราคิดตรงขึ้นมาเองคิดโอ๊ผีมาแล้วผีอยู่นั่นผีอยู่นี้น พอเราพุทโธพุทโธหยุดมันปั๊บมันก็หายไปหมดนะถ้าเวลาเกิดความกลัวผีพระจะาเราให้เราเลิกถึงว่าพุทประทับะสมส่วนไอติปิโสไปอย่าพุทโธทำโมสามโก้ไปอย่างจิตสงบผีก็หายไปหมดมันจะมันเป็นการบังคับให้เราภาวนามันเป็นไงานบังคับให้เราเจริญสติถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยมันก็ขี้เกียจพุทโธขี้เกียจสวดมนต์ แต่พอไปอยู่ที่ที่มันมีผีนี่มันใจมันจะไม่อยากจะคิดอะไรมันอยากจะส่วนบนอย่างเดียวหรือพูดโทรอย่างเดียวแล้เดี๋ยวจิตก็จะสงบหน้าต่อไปก็จะไม่กลัวผีนะรู้ว่าเป็นของปอมของเราของจริงพวกนีม้มาหลอกเราค่ะอาจารย์ที่อยู่ใตงน้ํานจ่ไม่เหรอ ที่อยู่เอสมุทรปราการอยู่ตรงบางบ่ อ, บอค่ะอาจารย์ ท, ที่ถวายไว้อาหารบันพุนใช่ไหมทุกวันุรหัสค่ะทุกวันธุนหรหัสค่ะที่แกมาอยู่ที่ศราาีอาจาที่นู่นี่ใช่ค่ะบางทีก็ไปอยู่ศรีราชาค่ะอจองที่พักวันเดียวนะดีต้องไปทดเราแต่ก็รู้ว่าดี ย, ยัง่งเพิ่งจองไปเองค่ะอาจารย์แล้วบังเอิญได้ทโอเคค่ะ ก็ก็คงถึงเวลาแล้วมั้งครับอาจารย์ใช่มันเรื่องอันนี้ถ้าไม่มาก้ามันไม่มาไม่เหมือนไปเที่ยวไปเที่ยวไม่ต้องมังค่ามาบินไปเลยใช่ค่ะอาจารย์ค่ะโอเคนะก็ว่าเวลาไปปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนหากินเอาอย่างที่ปฏิบัติเหมือนก่บินนะ ค่ะพอาจารย์โอเคนะต้องบงนะังคับมันนะไม่ยอมไปมันกลัวกลัวพิเรนแล้วแล้วถ้าวันที่กลับอะค่ะจะแวะกลับท่านพาระอาจารย์ได้ช่วงถ้าเป็นช่วงเวลากลางวันเป็นช่วงเวลากี่โมงพระาอาจารย์สะดวกคะไ ม, ไม่ไม่สะดวกกลับตอนนี้กลมาบังคบกลับวันที่หน้ากันเลเวลากลับมาแล้วค่านมากลับกลับมาเลียนฟังว่าเป็นยังไงค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะ แต่ว่าถ้ามีวันวันกลับวันกลับมีเวลาไปใสบ่บาตรได้ก็ไปใสบ่บาตรที่บ้านอำเภอเคยไปใส่แล้วใช่ไหมเคยไปใส่แล้วค่ะใช้ใส่ค่ะอพราะไม่มีเวลาเริ่มกราบนี่ไม่สำคัญกราบด้วยการปฏิบัติในป่ะปฏิบัติบูชาในป่านะอืมค่ะในในห้องมีพระพุทธรูปอะไรนี้ไหมคะพระอาจาย์ไมู่เหมือนกันต้องถามคนล่าดู <laughs> <c oughs> ไม่ต้องมีเราเพราะพจะพุทโลกอยู่ในใจอาพระในใจเป็นพระแท้พระ้างนอ้เป็นแค่วัตถุ <c oughs> เขาไม่รู้เนื่อง <c oughs> แต่อยางทีมี พ, พระก็พุโทโธพุทโธขึ้นมาเลยนี่นั่นแหละคือพระที่แท้จริงน ะ, okay, นะโอเคได้ได้ค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะโอเคไที่คุณบูมตาบูมอยู่ที่ไหน มัสการเจ้าค่ะออยู่ที่ไหนคุณบูอยู่โคราชเจ้าค่ะวันนีมีคําถามอะไรไหมเพิ่งเพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็ติดตามดูเวลาที่หอวอพระอาจารย์ไลฟ์บ่อยๆค่ะอมีอะไรไหมครั้งมีคําถามไหมมีจ้าค่ะจริงๆมีหลายคําถามแต่ว่าพวกพี่ๆถามไปก็ก็เข้าใจหลายข้อแต่ว่ามีข้อนึงที่ที่คิดว่า เอ๊ะเราคิดอย่างนี้เราคิดถูกไหมคือเมื่อสักเดือนที่แล้วอะค่ะได้มีโอกาสไปสถานที่ที่เขาเขาบอกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งอ่า อ, อยู่ทางจังหวัดชัยภูมิ น, นั่นนะคะขึ้นบันไดไปพันกว่าขั้นเนี้ยค่ะทีนี้ก็ไป <c oughs> ด้วยความที่น้องที่ชวนไปนะคะเขาศรัทธามากเราก็คาดหวังนิดนึง นี้พอไปถึงแล้วเขาบอกว่าเออเป็นพับพระวัดป่านะพะปัปฏิบัตินะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอขึ้นไปถึง <c oughs> ไปจ้คะค่ะพอขึ้นไปถึงเออพระทงานแล้วไม่ได้ทำวัดเย็นแล้วก็บังเอิญว่าไปได้ยินพระอาจารย์รูปหนึ่งกำลังสอนพระบวชใหม่ว่าเ <c oughs> นี่ยถ้าคุณมาบวชที่นี่นะคุณจะ บรรลุโสดาบันนะซึ่งเท่าที่พอทราบมาก็คือถ้าจะบรรลุโสดาบันใช่ไหมเจ้าคะจะต้องละสังโยชน์สามให้ได้ก่อนถูกไหมเจ้าคะใช่ทีนี้พอได้ยินอย่างนี้เนี่ยตอนแรกก็แค่ฟังเฉยๆพอไปสักพักจิตมันคิดว่าเอ๊ะสอนอย่างนี้ไม่ถูกนะอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราคิดแบบเนี้ยเราเหมือนเป็นการไปปาม า, พาทพานหรือเปล่าเจ้าคะ ก็เป็นเราเราไม่เชื่อราไม่เ ช, ชื่อเราเราความเห็นตานจากท่านไปนั้นไม่ได้ตา น, น้าเลยอ๋อเจ้าค่ะแล้วทีนี้อีกคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะคือว่าออตอนนั่งสมาธิอะค่ะนั่งไปจนถึงช่วงที่มีสภาวะที่แบบมันเหลือแค่จิต ด, ดวงเดียวค่ะแต่ว่ากร็รู้รู้มีสติรู้อยู่ตลอดว่าลมหายใจมันค่อยคอยหายไปจน จนไม่มีลมหายใจเหลือแต่เหลือแต่จิตที่รู้ว่าเออเราเรานั่งอยู่แต่ว่าร่างกายก็ไม่มีแล้วเหลือแต่จิตนี้ค่ะเราจะต้องคิดเจรณายังไงต่อไปดองไปเจรอะให้มันอยู่แค่นานๆออู่นานๆเลยได้ใช่ไหมเจ้าคะนานเท่าไหร่ได้ยิ่งดีแต่พอวันนั้นอยู่ไม่น่าจะได้นานมากเท่าไหร่เพราะว่า พอดีเฝ้าทั่วนะค่ะทวนไม่สบายนอนเฝ้าทั่วอยู่ก็ใจดวงนึงก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวทวจะเรียกปวดฉี่หรือเปล่าก็เลยพอออกออกจากสมาธิก็ทวก็เรียกเรียกฉี่จริงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่คือสามารถนั่งไปได้ยาวๆเลยใช่ไหมคะมนานเท่าไหร่น่ายู่ีนี่กรได้คือครูเบาให้ฝึกจิตใี้ใช้บางเฉยไว้ค่ะแล้วอีกอันนึงจะค่ะพอดี พยายามจะพูดโธให้ได้ตลอดเวลา <c oughs> ทีนี้ <c oughs> เมื่อสักอาทิต์ที่แล้วเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็พยายามพุดโธพุดโธไปเรื่อยๆวันแรกก็ผ่านไปไม่มีอะไรก็พอมีสติก็พุดโธพอมีสติก็พุโทโธนี้ใช่ไหมคะพอวันที่สองเนี่ยมันเหมือนกับพุดโธมันได้แบบติดต่อกันมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันจะมีภาวะเหมือนกับแพนินะคเนี่ยค่ะก็เลยเอ๊ะ ไม่รู้ว่าเราพูดโทรมาถูกทางไหมหรือว่าเราผิดทางอะไรเลยไม่กล้าพูดโทรต่อค่ะมันจะเป็นแบบหัวใจมันจะเต้นเร็วมากหรือว่าเราคิดไปเองหรือยังไงอะคยคงะคิดไปมันเราเรพูดโทรมาได้ตลอดเลยค่ะก็ <Yeah. S 1> เพิ่งคือวันแรกก็ก็ปกติแต่พอวันที่สองค่ะรู้สึกว่าใจเต้นเร็วมากแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบ มันจะว่าเหนื่อยก็ไม่เชิงเหนื่อยแต่คือจะว่ากลัวก็ไม่ไม่ได้กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เลยหยุดพุดทโธแล้วดูลงแถนก็ได้มันอาจะพุทโธจนกระท่งมันเหนื่อยนะแล้วค่ะนอนใช้พุทใช้ดูลงต่อแทนก็ได้แล้วค่ะก็คําถามมีเท่าเนี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องสมาธินี่คือสามารถถ้าสมมติเข้าไปถึงสภาวะนั้นแล้วก็คือสามารถนั่งยาวๆได้เลยใช่ไหมได้ให้นานที่สุดเลย แล้วแล้วเวลาที่ออกจากสมาธิถ้าเกิดสภาวะแบบนั้นเนี่ยก็คือต้องพิจารณารนื้อสารประคองเขาพยายามให้มันนิ่งต่อไปด้วยสติด้วยพุทโธนะเจ้าค่ะอไม่มีคําถามแล้วจ้ะค่ะนอกจากจะต้อย่างนี้ไปก่อนนะแล้วค่ะแล้วค่อไปทักปัญญาถ้าทํางปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาก็พิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเจ้าค่ะ นะทนี้ก่อนนะได้ค่ะคนังรอเชียร์อยู่เยอะเลยนี่มันเบัชราพรเปนบัจฉราอร่อกับนมัสการค่ะว่ามันมีอะไรหมค่ะแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่เข้าฟังภารานะคะก็รู้สึกว่าตัด ความอยากกิเลสได้เยอะเลยค่ะตั้งแต่ตัดผมแล้วก็รู้สึกมหัศาจรรย์ก็คือทั้งเบากายเบาจิตมากนะคะแล้วก็สิ่งที่มันเคยโกรธอะไรก็เป็นสิบปีก็หายไปเลยค่ะคือรู้สึกว่าเรามองเฝ้ามองดูเฉยๆะคะ่ะแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นศูนย์ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ถูกแล้วเราเฝ้ามองเขาในการกระทําของเขาแต่มันมันไม่เข้าจิตเรามันรู้สึกว่ามันเหมือนมันมีปัญญาจากที่พระอาจารย์สอนนะคะมัน ใจเราเราไม่ได้คิดอะไรค่ะมีแต่เขาที่แบบปล่อยอารมณ์ออกมาค่ะก็คำถามอ่าเวลานั่งสมาธิพยายามตั้งแต่ฟังพระอาจารย์มายังเป็นยังเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต่อแต่ได้ประมาณสองเดือนก็พยายามนั่งสมาธิทุกวันทั้งตอนก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าค่ะแต่ว่าอ่า บัณทีตอยู่ที่โรงพยาบาลจะงานเยอะมากเมงทีมาถึงที่นอนปุ๊บสามทุ่มเนี่ยปกติจะต้องนั่งสมาธิแล้วปรากฏว่าร่างกายมันบูบมันจะหลับอะคะ่ะแต่ว่าบอกกับตัวเองว่าองั้นขอวูบ ก, ก่อนแล้วเดี๋ยวจะตื่นมานั่งสมาธิก็จะบุบไปตื่นมาห้าทุ่มบ้างตีหนึ่งบ้า ง, างแล้วก็นั่งสมาธิต่อจะรู้สึกว่ามันสงบมากขึ้นแล้วก็ตีห้าตอนเช้าก็นั่งสมาธิปกติคำถามคือหนู่คนลุเออโยมคนจะ อ่าฝืนดูตัวเองก่อนดูสมาธิให้ได้หมายถึงว่าสามทุ่มเนี่ยที่มันจะบูบเนี่ยฝืนนั่งสมาธิแล้วดูร่างกายก่อนหรือไม่คือถ้ามันทํามันเหนือ่อยจริงจริงก็ให้มันพักก่อนขนาดไม่ไําเป็นฝืนมันเอาเวลาที่มันได้พักแล้วพอเสร็จขึ้นมาก็มานั่งขนาเราสามารถเลือกเวลานั่งปฏิบัติได้อนอกจากเราเราป็นพวงที่ทารหดอยากจะปฏิบัติทั้งคืนก็อันนี้ก็อีอย่าง อย่นี้ก็ต้องฝืนแต่ถ้าเรายังไม่อยู่ในขั้นนั้นเราก็เอาขั้นเราก็เลือกเวลาที่ร่างกายมันพร้อมที่มันสะดวกกับการนั่งแล้วก็เอาเวลานั้นเวลาที่มันเหนดเหนื่อยมาจากการทาํางานก็ต้องให้มันพักตามธรรมชาติของมันค่ะก็ขึ้นค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็มีอีกคําถามหนึ่งตอนไปที่วัดพระอาจารย์นะคะไปตักบาตร ตอนไปก็ตั้งใจทําอาหารถวายทุกครั้งทุกวันอาทิตย์นะคะแต่พอมีครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายพอถวายอาหารเสร็จจะไปเก็บถาดตัวเองพอดีใช้ถาดส่วนตัวแล้วเห็นเห็นคนที่มาปฏิบัติไม่ไม่แน่ใจที่มาปฏิบัติหรือมาฟังทำค่ะแล้วก็แม่ผัวกเก็บหารอาหารตัวเองใส่ถุงหมดเลยแบบแล้วเราก็นึก็ยังมีอีกตั้งหลายคนยังไม่ได้กินอาหารเราเลยเราก็ ตอนมามาบุญแต่ตอนกลับแล้วกลับจิตตกล้วก็เศร้าค่ะใช้เวลาเป็นวันเลยค่ะกว่าจะคิดได้เออไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องของเขาไปแต่ละคนมาวันนี้มาโมงเทบาเพื่อให้มางคนมาเพื่อเอาเก็ <c oughs> น้องก็ต้องเห็นใจเขาเขายังอยู่ในทับจิตใจเขายังสต่ำอยู่ <c oughs> <c oughs> คนคนให้นี่เป็นจิตใจที่สูงคนที่เอานี่เรียกเปคนจิตใจยังต่ำอยี่ยังอยากได้ของคนอื่น เลยต้องกลับมาคิดเออเมตตาเขาเพราะว่าเขาอาจจะยังแบบปัญญาอะไรอย่างนี้ได้ยังก็อาจจะวันหยาขาดแคนก็ได้เราอย่าไปเราอย่าไปตัดสินเขาอย่าไปวิจารณ์เขาไหวเขาไปตามนั่ะใครทำกรรมอะไรวะก็ต้องรับผลขกรรมนั่นไปคิดอย่างนัแล้วพอพอหลังจากกลับจากวันนั้นก็เลยกลับมาทําตัวเองว่า อาหารมันจำเป็นมากหรือเลยอีกวันหนึ่งเป็นวันพระพดีก็เลยลองอดอาหารดูทานมื้อเดียวก็อยู่ได้ค่ะแล้วปรากฏวัน น, นั่งสมาธิได้ดีมากกว่าที่ทานสามมือ้อเลยค่ ะ, คะแล้วก็อยากถามอีกอันสุดท้ายค่ะคือบางครั้งอาจจะไม่ถึงอาจจะช่วงหลังๆคงจะมีบางครั้งที่สะดวกไปอาจจะไม่ได้ถวายปัจจัยกับพระอาจารย์แล้วก็เลยจะถามว่า เห็นมีชื่อว่าคุณหลาใช่ไหมคะที่สามารถโอนทางไลน์นะแล่วมาติดต่อเดี๋ยวคุณหลาส่งส่งส่งชัดไปให้ก็ได้คุณหลากานได้ยินอู่พอาจารย์เมตตาค่ะทั้งนี้ค่ะโอเคนะสาธคุณสมพรเชิญคุณสมพรนัตพลอ่าเปิดเปิหมาแล้วโคได้ใลเชิญกลบนมัสการพระอาจารย์ อ่า ย, ยู่ที่จังหวัดปัตตานีเป็นเป็นครูอ่าโยมอ่าครมาฟังเป็นครั้งแรกแล้วก็เอ่อแต่ว่าได้ติดตามสนทนาอุตสาวิศชนากับพระอาจารย์ในค่ำคืนของวันอาทิตย์อยู่เนืองเนืองนะครับวันนี้โยมมีปัญหามีปัญหาทางโลกที่จะเรียนสอบถามอ่ากับพระอาจารย์ในเรื่องของการอ่า คบเพื่อนที่เป็นเพื่อนแบบอเหมือนกับเป็นโซเมทเป็นเพื่อนที่รู้ใจรู้จิตรู้ใจกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เป็นเพื่อนชายนะครับอ mm hmm. แล้วอก็ความสัมพันธ์ก็ก่อนหน้า น, นี้ก็ อ, อาจจะไม่ไม่เขาจะอะอะรเรับรื่นแต่ตอนนี้ก็กลับมาดีเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าอ ยโยมเองก็อคล้ายๆมีความบาดระแวงหรือ ว, ว่ามีความจิตไม่ปโปร่งอะไรอย่างเนี้ยครับผมมีเอ่อมีาจจะมีความหึงหวงมีความเออ่เป็นลนักษณะอของจิตที่ไม่ปกตินี่เนี่ย <c oughs> เป็นลนักษณะต่ถาเราไ ป, ไปยึดไปยึดติดในตั ว, วเราจะลืมความเป็นจริงว่าเขาเป็นของไม่เที่ยมเขานะ ต้องหมัดิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทั้อย่างทั้งคนทําอะไรต่างๆนี้ไม่มีอะไรแน่นอนดังต้องยอมรับสภาว่าเขาอาจจะ เ, เปลี่ยนไปแล้งการอยาก จ, จะไปชอบใครหรืออยากจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็เป็นเรื่องของเขาเขาเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับเขาได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็หัดอยู่คนเดียว เราอยู่สองคนทุกข์ก็อยู่คนเดียวดีกว่าทุกแบบคนเดียวดีกว่าทุกแบบสองคนคนเดียวเรามาหาัดนั่งสมาธิทําใจให้สงบดีกว่าใจสงบแล้วจะมีความสุขแล้วก็จะไม่ไม่ไมทุกข์แต่ถ้ายิมเกี่ยวครไม่ว่าจะเป็นคนนี้แล้วคนนั้นมันเหมือนกันทันะ้งนั้นเราเขาก็มีกิเลสมันนําเขาก็รักเราบ้างเบื่อเราบ้างเแล้วก็เบื่อเราก็า ก, นนาาาาก็ไปหาคนอื่นบ้างอะไรตามภาษาของเขาไป ต้องเข้าใจธรรมชาติของคนว่าเป็นอย่างนี้เราจะได้ทําใจทําใจได้ก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมใช่ใช่ครับอาจารยใช่แล้วเราทําใจเนี่ยทําใจอ้าวเขาจะไปก็ไปช่วงที่เขาไม่อยู่กับเราก็แล้วก็แล้วแต่เขาก็จะไปอยู่กับใครไปยุ่งกับใครก็เรื่องของเขาช่วงเขาอยู่กับเราก็ยู่งกับเราก็โอเคก็จบอย่าไปเถียงอย่าไปห่ว่าต้องเป็นของเราคนเดียวสมบัติดังกันชมผัดกันชมนะ อ่าครับอาจารย์ทำใจได้เมื่อคินอย่างนี้แล้วก็จะอยู่ได้สบายใจเขาไม่ใช่สมบัติของเราเนอะเขากเป็นตัวเปนตนของเขาก็ามีความอิสระที่จะคิดจะเลือกจะชอบคนนั้นคนนี้ครับอาจารย์ถ้าเรารับเขาไม่ได้แล้วก็เลิกบเขาไปกันแล้วกันอืมตา้องเด็ดขาดทั้งได้ทั้งหนึ่งเลยถ้าอยู่ด้วยกันต้องทําใจถ้าทําใจไม่ได้ก็เลิกกันไปเลย คนเดียวถ้ามันถ้ามันคาลาคาซามันก็ทอรมานนี้คืนไม่เข้าคายไม่ออกเอาอย่างไรคืนก็คืนเข้าไปเลยแม่งก็คายทิ้งไปเลยอืมจะได้หมดปัญหาไปใช่ไหมใช่ครับแล้วต้องเด่เดเดนเดียวใช่ไครับอ๋อเราเดีวเราทำได้ทำหนึไม่งั้นมันก็จะทรมานใจไปเรื่อยๆแล้วอาจจะทําให้เราเครียด แลาจะทําอะไรที่มันคาดฝันก็ได้ใครดียังไหมเขาเรียกว่าฆ่ากันตายอไปฆ่าเพรความหวงผัวฆ่าเ ข, า, ขาแล้วเอามาฆ่าตัวเองตายต า, ยตายไปไม่เกิดปอยู่อะไรอือเาอ่าตัดใจดีกว่าปล่อยมันไปดีกว่าถ้าคิดว่าอยู่เขานั้นไม่มีความสุขก็ปล่อยมันไปดีกว่า ที่ว่าโลกนี้ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีเท่าคนเดียวหรอกนี่ยมีคนมันเป็นพันล้านหมื่นล้านคนในโลกนี้ทําไมต้องมามาติดกับคนคนนี้คนเดียวใช่ไหมใช่ครับอาจจะได้เจอคนที่ดีดีกว่าก็ได้อาจจะเจอคนที่เข้าซื่อสัต์จริงใจกับเราก็ได้อดีไหมคิดอย่างนี้ดีไหม ทำได้ไหอ่าทํำอ่าทำได้ทํายากเหมือนกันแต่ก็เป็นความคิดที่อ่าเป็นความคิดที่ที่ที่ถูกต้องนะอาจารย์คเออเกิด <c oughs> ด้วยเหตุด้วยผลนะเขาเป็นตายรับ <c oughs> เขาเป็นของไม่เที่ยเขาเป็นของที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับเขาได้ตลอดเวลาครับใช่ครับแตะเตะเตะ แต่ความหมายคือตอนนี้เขาก็เขาก็ปกติเหมือนเดิมแลเหมือนถึงว่าเขาก็ความสัมพันธ์อะไรก็ก็ก็เป็นปกติแต่ว่าตัวโยมเองเน okay. ี lar, says, ่ยมีความรู day, it it ้ส sort of like, ึกยังมีความหวัดระแวงอยู่หน่อยตัวตัวตัวตัวโยมเองอะไรเงี้ยเหมือนกับว่ามีจิตไม่โปร่งมันก็มีความหวัดระแวงอยู่คือตัวเขา่าไม่มีมันกลัจะโดนซ้ำสองนะกลัวประวัติศาสตร์ซ้ารอย ปรชาใช่ประชาติใช่เขาต้องยอมแล้วว่าเนะทรชอบหน่อยก็ได้เดี๋ยวเข้ามาสักพักก็เดี๋ยวเขาเบื่อเขาก็ไปอ่าครับครับเอ่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนบอกตัวเองไว้เราตามมีตามเกิดมาวันนี้อยู่ก็อยู่ไปเวลาเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปจบครับ หากทําทใจแล้วจะสบายใจจะอยู่ในน่องนี้ได้อย่างสบายถ้าทําใจไม่ได้นี่จะอยู่ในน่องนี้ด้วยความทุกข์ทรมานใจหนะากทำสมาธิบ้างก็จะทําใจได้ง่ายนะนะสมาธิพุโทโธพุโทโธทําใจให้นิ่งแล้วมันจะทําให้เราทําใจกับเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้นครับนะ บางทีเอ่อเหมือนพระอาจารย์ว่าคือตัวเขาว่าปกติแล้วตอนเนี้ยแต่ว่าตัวเหมือนเับตัวโยมเองยังม่นิ่งยังไม่มีสมาธิอะไรเงี้ยก็ก<ม>็อยู่อยู่อยู่ที่ตัวโยมมากกว่าไม่ใช่อยู่ที่ตัวเขาครับเพราะตัวเขาเองก็เอ่อปกติอะไรดีทุกอย่างครับผมก็ไร<ม>ครับผมก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างอะไรอย่างเงี้<ม>ยแต่โยมเองเหมือนกับเหมือนที่พระอาจารย์ผู้เป็นตะกี้ก็เหมือนกับว่ากล<ม>ัว ก็จะซ้ำรอยก็จะอะไรเงี้ยก็ใช่มันจะเหมือนเดินนักปีวันแหละมันจะเหมือนเดินมตลอดหรือเปล่าเพราะไม่มีใครคำนัหลบได้ใช่ไใช่ครับอาจารย์ก็ต้องทใจเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับนะเข้าใจนะพยายามนั่งสมาธิแล้วจะทาใจได้ง่ายนะครับอาจารย์ถามโอเครับครับสาธุสาธุสาธุครับเจอคณจริยันต่อ อาจารย์อยู่ที่ไหนกรับนามัสการค่ะพอาจารย์อยู่ที่ไหนนอร์เวย์ค่ะตอนนอร์เวย์ใครเข้ามาแล้วฮะมีคำถามหรือมีอะไรไหมไม่มีคำถามค่ะเขามาฟังเพื่อนๆค่ะนี่ก็ขอไปก่อนนะว่าคนรออยู่เยอะเดี๋ยวไม่ได้ก็จะบอกนะเดยครึ่งชั่วโมง ค่ะกลับมามาสรการค่ะกุมสาริษฐ์เชนกลมสาริษฐ์เชนตามน้องอาจารย์รราอาจารย์นะครับอ่ามีอะไรไหมก็พอดีผมเพิ่งมาอยู่ที่ตลาดตลาดอําเภอครับได้สี่วันแล้วก็มีโอกาสได้ตักบาตรอาจารยอ์อยู่ที่บ้านอําเภอนี่เหรอใช่ครับตรงโค้งที่มีร้านอาหารข้าวแกงครับผมออเชา้า าก็ต่างบาตครับแล้วก็มาทํางานที่โอเชียนแล้วก็ต่างบาตแล้วก็เจอเรื่องราวของอาจารย์ก็เลยผมไปที่วัดแล้วก็ได้อ่านเรื่องราวฟังธรรมะอาจารย์มาตั้งแต่วันที่9จนถึง12เนี่ยครับ<ม>แล้วก็ขอก็ขอโอกาสเป็นเป็นดูอ่าติดตามอาจารย์นะครับแล้วก็มีคําถามซึ่งเบื้องต้นผมไม่ได้นั่งสมาธิอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้ปฏิบัติแต่ว่าชอบอ่านธรรมะครับผมซึ่งก็จะมีบทที่ผมเรียกว่าชอบอาจารย์ครับ อย่างเช่นว่าปฏิจจสมุปบาทครับอาจารย์ขอขยายความให้นิด น, นึงครับปฏิจจสมุปบาทก็คือแสดงแผนที่ทางเดินของของกิเลสปัญหาเนี่ยกิเลสคืออวิชชาความไม่รู้ว่าความสุขนั้นอยู่ที่ใจอยจุกรอกไปคิดว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสอวิชชาก็เลยสทำให้สังขารความที่ตุ้ง ใ, น ใ, นใจงุ้งใจนี้ไป หาวิญญาณให้วิญญาณพาไปทาไปเกาะติดอยู่กับตาจ ม, มูกนิ้วกายก็จะได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเมื่าสัมผัสก็เกิดเวทนาเกิดความรู้สึกความสุขความไม่สุขความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาถ้าสุขก็อยากจะให้มันสุขไป น, นาๆถ้าทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปเร็เรวๆก็เกิดอุปาทานแล้วกเกิดเป็นภาวะที่จะ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอร่างกายนี่ตายไปมันก็ไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหมอ่อันนี้คือปฏิจจสมุปบาทคือการทำงานของใจเราถูกถูกความหลงอวิชชาเป็นตัวผลักดันให้เราเว่งอองมาหาความสุขทำต่างามจจบุมกเล่นกายแต่ถ้าเรามาศึกษาธรรมะพะพุทธเจา้าบอกว่าให้สอนใจว่า ความสุขที่เราหามันเป็นทุกข์มันเป็นไตรักมันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาให้หยุดหาความสุขาตามจมูกจมนิการแล้วหามาหาความสุขทำใจด้วยการดึงใจให้กลับเข้ามาในสมาธินี่ก็คือพอ ใ, ใจในความสุขในสมาธิในความสุขที่อยู่ในใจได้ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเรื่องมือหาความสุขถ้าตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ ไม่ต้องไปเปไวียว่ายตายเกิดไปครับประจันประจันครับเบื้องต้นแต่ละวันเนี่ยเหมือนผมเนี่ยผมต้องทํางานค่อนข้างที่จะเจอผู้คนเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานครับอถ้าเราต้องการที่จะเรียกว่าเริ่มปฏิบัตินะครับอาจารย์ครับเบื้องต้นต้องเริ่มยังไงแบบไหนนะครับอาจารย์ครับเมื่อตอนเช้าขอเชิญเมือตื่นขึ้นมาก็เร า, น, ารรนั่งสมาธิสักพัึ่ง นั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าดูที่ปลายจมกูกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกพยายามอย่าให้ใจไปคิดเรื่องต่ตางๆให้อยู่กับลมหายใจไปให้หนานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วต่อไปถ้าอยากจะให้มีสติมากขึ้นเวลาทําอะไรก็ให้มีสติจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำํำอย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่น อย่ปล่อยให้ใจไปิี่เรื่องๆๆๆนั้นเรื่องนี้แล้วถ้ามีสติควบคุกใจได้เวลานั่งสมาธิมันก็จะอยู่กับเราหมา ใ, หใจได้ก็จะสบงบในความสุขได้อันนี้ง่ายๆสติแล้วก็สมาธิหลงตัวนี้พอจะเับใจไหมครับ อ, อาจารย์ครับขออีกหนึ่งคำถามครับอ่ะเมื่อกี้เห็นเห็เพื่อนร่วมซูมมาครับถามเรื่องที่จะไปปฏิบัติบนเขาครับซึ่ง วันที่เก้าเนี่ยผมได้ไปที่มันเขาแล้วก็ไปเขาเรียกว่าตรวจสอบเซอร์เวดูว่าผมก็ไม่เคยไปนะครับถ้าผมอยากจะเริ่มปฏิบัติซึ่งที่ที่อยอดโยมเขาคุยหลายๆท่าน น, น, นะครับเป็นไปได้หรือเปล่าครับเพราะผมยังไม่เคยนั่งสมาธิถ้ายังไม่เคยทั่งนี้ก็ว่าจะไปแล้วไม่รูจะไปทําอะไรเพราะทัมดเขาบ้นมื่อยแล้วมันไม่มีใครนะต่างคต่างอยู่มันแยกกันอยู่ไกล บางคนได้ไม่เคยปฏิบัติพอไปอยู่เนาะจิตปูงแต่งเห็นผีเห็นอะไรอยู่พอสองทุ่มก็ขอกลับก็มีก็ไม่รู้นะันถ้าอยากจะเล่าถ้าอยากเอาแบบเอาแบบง่ายๆก็ไปอยู่ที่วัดข้างล่างก่อนข้างวัดข้างล่างเขาก็มีที่พักให้ทักได้แล้วก็ลงโบสถเช้าเย็นไหวพระสวดมนตนั่งสมาธิในโบสถ์ก่อนมีไฟฟ้ า, ฟามีน้ำประปาสะดวก มันขาไม่ใย ฟ, ฟ้าก็ไม่มีน้ำปลาปาก็ไม่มีมันอยู่ในปา่าครับเพราะว่าผมมาอยู่นี่ผมต้องอยู่แค่สองเดือนแล้วก็ผมต้องกลับภาคใต้ครับผมก็คิดว่าถ้ามีโอกาสอย่างนี้แล้วก็จะต้องหาโอกาสตรงนี้ไว้ครับผมยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องขึ้นไปปฏิบัติบางส่วนก็ลองดูองดูถ้าอยากจะปฏิบัติก็ลองไปติดต่อพระอาจารย์ตาพระก็รับครั บ, รบขอบคุณพระอาจารย์ครับโอเคคุณเชอร์ลิง턴 เ่ากค่ะกับนวัตการพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าวันนี้ถ้าวันนี้คุณจิ๊บไม่เข้าคุณจิ๊บฝากว่ากับพระอาจารย์ด้วยนะคะยมต้องบอกก่อนเดี๋ยวยังไม่เห็นหน้าเลยยังไม่มีในจอ่พราสงสัยเข้าไปทํางานที่ออฟฟิศอะค่ะพระอาจารย์ก็ยมปฏิบัติแล้วยมก็ยังต้องพยายามละความโกรธ ให้ได้อะคะ่ะมันมีความโกรธลูกโกรธนั่นโกรธนี่มัน <ไป S 1> ยอย่าไปวังอย่าไปวางเลยจากเขาเลยถ้าหวังมันก็โกรธเวผิดหวังมันก็โกรธเมื่อกีกก้ได้ยินที่พระอาจารย์พูดคําว่าทําใจนิยมต้องแบบโอ๊ยวางอุเบกขาทําใจทางใจทําใจใแล้วก็แล้วก็ยังคงปฏิบัติต่ตอไปแต่โยมสังเกตว่าเวลาที่โยมนอนน้อยอย่างนอนวันละสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงนิยมจะปฏิบัติตได้ดีอ่าดีกว่าคะ่ะจะมีความสงบมากกว่า แต่ก็ไม่หลับนะคะพระอาจารย์คราวที่แล้วหลับไปแล้วแต่คราวนี้ไม่หลับค่ะแล้วก็มีมีคําถามนึงอะคะ่ะอันนี้แค่สงสัยอะค่ะพระอาจารย์ในเรื่องเกี่ยวกับการการทําอาหารนะคะถ้าสมมติว่าเราเราไปซื้ออาหารทะเลอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขายังเขายังไม่เสียชีวิตนะคะอย่างไม่ว่าจะเป็นปูปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันมันมันมันเสียชีวิตแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ แล้วการที่เราซื้อเขามาเพื่อที่จะมาปรุงประกอบอาหารแล้วรอเหมือนกับว่าถือกรรมบ้านอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันควรไม่ควรยังไงคะพระอาจารย์หรือว่าเราปล่อยไม่ควรจะซื้อของที่ตายแล้วถ้าก่อนยังไม่ตายแล้วไม่แน่ใจก็อยา่าไปอยา่าไปซื้อมาอ๋อค่ะแม้ว่าเราจะคิดว่ายังไงก็ก็ไม่ควรใ ช, ใช่ไหมครับ ต, <ข>ต้องแน่ใจว่าของต้องตายแล้วค่ะค่ะค่ะค่ะถ้างั้นก็วันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะ ถ้าเขยัไม่ตายแล้วเรามาทําเป็นอาหารนี่ก็ถ้าเราฆ่าเขาค่ะก็ขาดความเมตตาด้วยแล้วก็เหมือนกับจงใจตั้งใจด้วยใช่ไหมคะทำเป็นเซนด้วยทำเป็นเซนือค่ะค่ะยอมยมจะทําแต่ว่าโยมเหตุแล้วก็แอบสงสัยอะค่ะอาจารย์คือยอมที่แช่แข็งนี่รับไปรับรองได้ตายแน่ๆพระอาจารย์ขอบคุณนะคะขอใหรับแข็งแรงค่ะสาธุค่ะเธอจใจ คุณหมณอมีอะไรไหมนนี้า ก, น ก, การนักสการพระอาจารย์ครับวันนี้ตั้งใจจะมากรพระอาจารย์ครับผมไม่มีคาถามนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันที่สิบแปดกรุณาเขากานกลับแปนไปภาวนาบนเทานะครับอาจาดีท่านนับเดินไ ป, ไปได้กันกเนี่ยครับกบบพระครุณคพระอาจารย์เจอกันวันอาทิตนะย์นะเจกนัอาิยครับผม คุณจอยตอบคุณจอยพัทยา จ, จอยตอนนี้ยังไม่ได้กลับไปที่นอะร์ทเวลียังไม่ได้กลับขออยู่พัทยาอยู่ข <Okay. S 2> ายของเคือ uh, ไม่ขายของมาด้วยก็น่าจะอยู่ยต่ออ ย, อยากอยากอยากกไปหาทารกเลยอยู่อยู่สวรรค์ดีกว่า <c oughs> จิตมันชอบคุ้มก็พยายามแบบเอาเอาธรรมะเข้าสู้ตลอดอะ มีอะไรไมั้ยไม่มีได้มีขอผ่านนะเพราะเวลามันกล้จะหมดนะโอลดเกตเชลิน จ, จาก North Carolina USA ริกาครับเอ็นเได้ยินไหมเปิดไม่ถ้าอยากจะพูดการเมตตาการครับอาจารย์เป็นยังไงมีอะไรไมั้ย ไม่มีเจ้าค้ามาร่วมฟังธรรมหรือเฉ่เจ้าค่ะโอเคเห็นไปที่คนกลายพิษต่อเลยกลายพิษ ม, มีการแข่งตางมรดการครับอาจารย์ครับอเ อ, อ่อมีข้อสงสัยถามนิดนึงครับเ อ, อ่อการที่เราทานยาถ่ายพยาดนี่มันจะเป็นการบาปไหมครับอาจารย์ครับไม่บาเหรากว่าพยาน่นก็เป็นนั่นก็เป็นเชื่อโลกคนะอ๋อครับ เคย้ายกับเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนี้ยใช่ไหมครับอาจามีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณแลมันจะไม่มีปิญญาอ๋อครับครับอาจจะผิดก็ได้เนะไม่ทราบแต่แต่หนึ่งก็ต้องถือว่าเป็นการรักษาร่างกายของเราว่าบางทีภรรยาลูกๆบางทีเขาขอให้เราซื้ อ, อ ย, าายาถ่ายยาไปให้ที่เมการครับเพราะเอ๊ะ <c oughs> เรียกมา เราจะไปตั้งบาปหรือเปล่าก็ถ้ามันก็อยู่ที่การตีความว่าพญานเป็นสิ่งที่มีดวงวิญญาณหรือเปล่ามีดวงวิญญาณเหมือนปลาปูไว้รือเาถ้ามีก็บาปถ้าไม่มีก็ไม่บาปถ้าเป็นเหมือนไวรัสเหมือนพวกเชื้อโรคมันก็ไม่บาปแล้วสมถติว่าถ้ามีเราเออจะใช้กุศโลบายแบบที่อาจารย์เคยบอกว่าเราขอไปศึกษากับ ให้เกษตรกรแบบนี้ว่าให้เขาแนะนําเรานี้จะมีมีคําแนะนำในทางการเกษตรก็ได้แหละถ้าเราไม่รู้ว่าไปศึกษากับผูรู้หรือว่า้คงว่าเป็นยังไงครับอีกอีกข้อหนึงครับอาจารย์ก็คือช่วงนี้อผมใส่บาตรตอนเช้าทุกวันแล้วก็ใส่เสร็จแล้วมานั่งสมาธินะครับก็รู้สึกว่าว่า จิตมันรวมได้ดีนะครับแล้วก็อยู่ได้นานนะครับหรือหรือว่าเป็นเพราะผมตัดตัดผมทังดันทั้งสองส่วนเนี้ยครับก็ก็มันมีส่วนช่วยเรื่องสมาธิได้เช่นเดียวกันอาทไมเรามันอยู่ที่สติของเรามาา ก, กว่าอ๋อครับเรื่องเรื่องที่เราทำทานรักษาศีลอะไรอย่างนี้ก็ก็ การจะมีผลบ้างเล็ก น, น้อยแต่ตัวที่มีผลหลักจริงๆก็คือตัวสติมากกว่าที่เป็นในหลักคือเรื่องสติครับครับโอเคครับอรย์ครับก็มีมีเท่านี้ครับวันนี้ครับอาจารโอเคสาธุยินคนที่ไปที่คุณโยธินต่อคุญโยธิ น, น, นครับแล้วมาสานพระาจาย์ครับอยู่ที่ไหนครับอยู่กรุงเทพครับ ก็มารับฟังตามคำแนะนำของหมอฟิลพันธ์ครับไม่มีคำถามครับโอเคเป็นไปที่ท่านตอไปเลยนะคุณพัทราพรวรุษจากสเปนกับเลโอเพลสกาล่งตาครับการพูดคุยกับหลวงพ่อเจ้าขาหลวงพ่อเจ้าขาเมื่อเช้าเจ้าขาลูกต่อกำลังต่อสู้ กกิเลสเรื่องอาหารเจ้าค่ะแล้วเมื่อเช้าลูกก็เอาแอปเปลิลค่ะไปผสมกับขน้นอมจีนแล้วก็ทานเอ๊ะมันก็อร่อยดีนะเจ้าค่ะแล้วก็ลูกก็พยายามนนถ้ามันอร่อยลองทานลองมาจากปากแล้วตักเข้ามากินใหม่ เ, เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเดี๋ยวลูกจ ะ, ะ, จ, ะจะทำเจ้าค่ะ เดลูกจะทำซะค่ะลูกนอนนะคะเราดูหน้าดูตามันยังกินได้แต่ถ้ากินได้ก็ถือว่าก็ช่วยไม่ได้แล้วลังนี้ก็แสดงว่าก็กินไปอะไรกันกินอย่ากินมันมากจนเกินไปก็แล้วกันกินเพื่ออยู่ใหญ่ไปอยู่เพื่อกินก็แล้วกันเจ้าค่ะก็พิจารณาว่าทําไมมันเพราะว่าทุกอย่างโอเคลูกผ่านนะไม่แต่งหน้าไม่ทําสีผมอะไรแล้วก็เราขนาดสามีกับลูกบอก คุณแม่เดี๋ยวแม่ต้องออกสื่อนะกบบก็บอกสื่อไปลูกว่าคุณแม่ไม่ชอบออกสื่อก็บอกสามีขอแล้วก็แล้วก็พอเรื่องอาหารเนี่ยมันมันมันรู้สึกหือมันไม่ใช่ยากเลยตัวนี้มันมันไม่มันผ่านยากทำไมอะความสวยความงามที่เราแบบรักมากก็ลูกลูกผ่านได้พอฟังหลวงพ่อเทศวันหนึ่งว่าแต่งหน้าแล้วก็ต้องล้างหือนาทีนั้นหลวงพ่อตั้งแต่วันนั้นมันมันมันเลิกเลยค่ะ ผมก็เหมือนกันเป็นคนที่งอกเส้นนึงเขาไม่ได้แบบว่ามันได้ทันทีเลยแต่ทําไมเรื่องอาหารเรารู้สึกเราต่อตสู้กับตัวเองเจ้าข้าหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วก็เอาเอาทุกอย่างที่ยจะที่จะกินคลุมมกมรวมกันก่อนเลยเรืงของค้าวของหวานนักข้าวทัว้งเลยแล้วก็คนมันเจ้าขาก็เคยตอนที่ปฏิบัติไม่ทางดีๆเราถุยน้ําลายใส่ไปก่อนก็ได้ผสมน้ําลายหน่อย เจา้าค่ะหลวงพ่อเจ้ า, จาขาเราจะกินนมกันนะเอาชูรสใส่เข้าไปเท้าไหร่เอาชืูรสค <c oughs> ้นทํำลายเราใส่เข้าไปเท่าา้ไหม่วันเดียวก็ต้ไป เ, เดี๋ยวก็ต้องไปปนกันทําลายในป่ากเราใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคขาแล้วก็พออดอาหารแล้วเจ้าค่ะท้องเนี่ยโหมันมันมันมันร้องดีจริงๆเลยค่ะมันร้องลั่นแบบว่าแล้วก็ลูกก็พิจารณาว่าอ๋อเนี่ยนะอืกิเลส โซกันไปให้ตา ย, ย, า ย, <ừ. S 2> ยข้างเนื้เลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจาค่ะวิธีแก้ก็ดีก็คืออดทหารถ้ามันโรคมากๆอยากกินมากๆ ก, ก, ก็อย่าไปกินกันเลยถ้ามึงยังโลคอยากกินอยู่คนจะไม่ให้มึงกินเจ้าค่ะหลวงพ่อว่าเมื่อวันพุดตอนเนี้ยวันพูดรูกก็จะบอกสามีอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกก็พอยกเดีย๋ยนี้เจ้าค่ะก็คือจะลูกที่ลูกกล่าบอกหลวงพ่อว่าสามีกับลูกก็คือคืออาจารย์ใหญ่เพราะว่า มันเราต้องรับอารมณ์เราถือว่าถ้าเราผ่านเนี่ยคือแบบว่ามันก็เลยต้องเรียกเขาไปด้ า, า์ใหญ่เช้าค่ะแล้วก็พอจะอดอาหารลูกจะมองหน้าสามีว่าไวันนี้ฉันจะโอเคไหมมองหน้าถ้าเกิดเขาเดูอารมณ์ดีโยงก็วันนี้ขอตัวนะบูดาเด็กเจ้รีบแต่งเข้าห้องนอนเลยเจา้าค่ะหลวงข่เจา้าค่ะ <c oughs> ถ้าวันไหนอย่างงน้าพที่ผ่านมาดูหน้าเขาแบบ เหมือนแบบไม่ค่อยดีก็เลยก็ต้องนั่งก็นั่งรวมโต๊ะ <S an> แล้วก็นิดหนึ่งเจ้าค่ะแล้วก็รีบเดินขออนุญาตอิมเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ก็ดีขึ้นมานิดนึงเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ปีกวิเวกหลวงพอ่อมันมันค่อนข้างจะยากนะเจ้าค่ะกับชีวิตที่เรายังอยู่ในครอบครัวเจ้าค่ะแล้วอะไรเจ้าค่ะโอเคก็พ okay. ยายามไปเรื่อยๆนะ ต้องพาหลวงพ่อผ่อนสัน้นผ่อนยาวเพราเราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเกี่ยวข้องกับคนไหนก็ต้องคิดถึงว่ากเขาด้วยต้ า, า, างพาหลวงพ่อใช่เจ้าขา<ม>เพราะว่าตอนเช้าลูกก็ปีกนิเวศเขาก็ทานในออฟฟิศแล้วลูกก็ชันล่างที่บ้านนะคะออฟฟิศเขาเข้าทานน้องอยู่เขาก็ทานโ ต, ออนตแล้วก็ไปโรงเรียนลูกก็คือเข้าห้องปฏิบัติมันก็เลยมันจะ ที่มาจอยกันมันจะเป็นเวลาอาหารค่าเจ้าค่ะมันก็เลยไปอย่าทาให้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้อยู่ด้วยกันเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะออาทิตย์ที่แล้วลีโอเขาเขาบอกหลวงตาไม่ได้กดไมค์เขาเขาอยู่ที่โปแลนด์เจ้าค่ะไม่รู้นะจำไม่ได้นะโอเค่ะอันนี้น กอับขอบคุณเจ้าค่ะหลวงพ่ออคนกุ้งด่ากุ้มกุ้งี่นะไรันกุ้ม ก, กับนมัสการเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนชนบุรีเจ้าค่ะศรีราชาเจ้าค่ ะ, ะมีคำถามไหมเข้ามาฟังพระอาจารย์ค่ะฟังพระอาจารย์นานแล้วค่ะฟังทางยู u b e ค่ ะ, ะแต่ว่ามี เวลาสวดมนต์นะคะบางครั้งจะมีน้ำตาไหลเหมือนจะสวดไปไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเวลาแผ่เมตตาก็ไม่รู้ว่าเป็นติติหรือว่าอะไรก็เป็น<ะ>เป็นคัพเปิ้ลปิติมันความซาบซึ้งในความเมตตาในความอย่างก็ไม่เป็นสิไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นกิเลสไม่เป็นเรื่องเสียหายใจง่ายแต่ แต่ทําให้เอการสวดมนต์ไม่ไ ม, ไม่ไม่รับรื่นเท่าไหร่เวลาทําวัดเช้าทําวัดเย็นอยู่ที่บ้านเจ้าค่ะเวลาวันพระเจ้าค่ะก็ลองนั่งเฉยๆถ้าสวดไม่ได้ก็ลองนั่งเฉยๆนั่งดูราคอน่าจะเป็นเฉพาะวันพระเจ้าค่ะวันทั่วไปทําวัดชวเช้าก็ได้ปกติไม่มีน้ําตาไหลเจ้าค่ะ ก็ไม่เป็นไรมันไหลก็ปล่อยมันไหลไปนะไม่ต้องไปเผยมันไม่ต้องไปบงังคับมันไม่เสียหายอะไรมันไม่ได้เศร้าโศกเสียใจไม่ได้อือเจ้าค่ะอ้อต อ, อถามอีกนิดนึงได้ไหมเจ้าค่ะได้ไดนูเคยปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วแว บ, บหนึ่งเห็น แฟนเป็นกระดูกทุกทุกทุกซี่ทั้งตัวแ ป, ป๊บแปบหนึ่งเหมือนเซียววินาทีนึงก็ไม่เป็น<ล>ไรการู้เฉยๆไปแล้วหนูกลัวหนูกลัวหนูก็กกอธิษฐานว่าหนูไม่อยากเห็นหนูกลัวแล้วเขามีจริงก็บ้าในตัวเขาในตัวเขามีจริงเจ้าค่ะท่นานเจนน้าทำไมไม่กลัวเวลาเจอของจริงก็ไม่กลัว แต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าคิดไปเองใช่ไหมเจ้าคะหนูเห็นแว บ, บเดียวเสียววินาทีเดียวเจ้าคะมันก็อาจจะเป็นที่สิ่งที่เราเคยคิดมาก่อนมันก็เลยบอกขึ้นมาไม่เสียหายตรงไห น, หนก็ให้รู้ความจริงมาทุกคนคนทุกคนแม้กระทั่งตัวเราเราก็อยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดเลยเราไม่กม ล, นะลัวอะไรใช่ไหมเรากลัวโครงกระดูกของเราหรือเปล่าใช่เหตุผลเองแล้วใช้เหตุผลพิจารณาแล้วมันก็จะหายหกลัวอือ ก็อยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่ของคนอื่นเนี่ยเจ้าค่ ะ, ะแล้วของคนอื่นกับของเราตาร่างกันตรงไหนหรือเปล่ามัไม่ตา่างกันใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าเราอยู่ของเราได้นะมันเราจะอยู่กของคนอื่นก็ไม่ได้เจ้าค่ะอะยังไม่เคยไปวัดตรงพ่อแต่ว่าแต่ว่าหนูฟังทางยูทูบแต่อยากไปไม่รู้ว่าวัดเปิดหรือยังเจ้าค่ะ ช่วนี้พอดีเขาปิดพอดีเ น, น, นี่เมื่อวันที่ห้านี้ยเขาปิดเพราะว่ามีมีไอตัวไหนมัอนออกมาเพ่พงพลาดเขาเลยต้องปิดชั่วคราวอือไม่เป็นไรเจ้าค่ะฟังทางยูทูบก็ได้เท่ากันทางยูทูบก้ามาทำนี่ก็ได้เจ้าค่ะแล้ ว, วแล้วเ ว, ล, วลาที่ปฏิบัติธรรมที่บ้านอ่าอ阿拉ธนาศีลเวลาที่จะถือศีลอุโบสถเจ้าค่ะทําได้ไหมเจ้าค่ะได้ได เทำได้อเองไม่ต้องไม่ต้องให้ผ้ามาใหเา้เราเพียงจะบอกเราว่าวันนี้จะรักษาสีแปด ก, กระจบแล้วก็ใช้ได้นะเจ้าค่ะมีมีเท่านี้ค่ะโอเคขอไปที่ท่านตอบไปนะอคุณปุ้ยคุณปุ้ยคุณปุ้ยพรานสีจากรักซมเบิร์กกลาวนามสกุลค่ะพระอาจารย์คุณปุ้ยค่ะจากรักซมเบิร์กรคะ่าาค ะ, คะมีอะไรไหม วันนี้ไม่มีค่ะจะมารายงานตัวว่าปฏิบัติตามที่พระอาจารย์แต่ตั้งแต่เริ่ ม, มเริ่มมาจากต้นปีก็ปฏิบัติเข้มตื่นตีสองบางทีก็มีอยู่สองวันก็ตื่นมาแล้วแบบเหนื่อยก็หลับยกไฟเล็กแต่ก็ออกขึ้นลุกขึ้นมาปฏิบัติเหมือนเดิมนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่านิ่งไม่โกรธคือเราทำงานและมันสำคัญมากกับการนั่งสมาธิเรา เราอยู่กับคนที่แบบไม่ชอบเราเขาก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากศัตรูกลายเป็นมิตรเขาก็พยายามจะเดินเข้าหาเราด้วยดีเราก็เออเมตตาใช้เมตตาเข้าใส่นะคะอย่างที่พระอาจารย์สอนนะคะค่ะยมก็คิดว่ายมทำได้แต่ถามว่าจะเห็นอะไรไหมยมไม่ได้เคยคิดว่าจะนั่งให้เห็นนะคะเอ่ไม่จำเป็นต้องเห็นนะไมไม่ไม่ยมสงบตั้งแต่ตสงบตั้งแต่ตั้งแตให้จิตสงบใช่ค่ะ ยมคิดว่ายมนั่งแล้วมันนิ่งมันสงบแล้วมันใจมันเบาๆตัวมันเบาๆแล้วก็เราเกิดความเราไล่รับความเมตตาจาอเบื้องบนว่าถึงเวลาอย่างวันนี้ยจะนะอยากจะฟังพระอาจารย์ก็ขอว่าขอให้ได้ฟังแนวเคลียร์ทางนี้หน่อยว่าทางสว่างอืก็ดีใจค่ะกเดีมันนี้ทาจารย่านลุ้มกนุ้มด้วยนะเด็กน่าทำเวลา ขอบพระคุณเนะขอให้พระอาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้สวยใม่สะาบ้านไม่ลุ่ยนะให้ร่ำให้วยสะอาดุนยังไม่ถูกเลยล่ะเ้าอชื่อครั้งนี้ถูกแค่น้อเยอสาธุกคนมันจีบจับมันจิบมันจีบจักได้เได้เวลาอันนี้กนวมากเลยารมกาค่ะพระอาจารย์กานำมันสการเ้าค่ะ พระจานทร์ได้ยินไหมคะได้ยินพระเจ้ค่ะหนาวค่ะวันนี้ลบลบสี่ลบห้าประมาณเนี้ยค่ะพระอาจารย์โยมก็ใส่ประมาณสามสี่ชั้นแล้วตอนนี้ก็ทำให้เราเวันนี้อยู่ที่ทํางานค่ะแบบว่าวันนี้คนน้อยมากค่ะแล้วเดี๋ยวโยมจะกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าโยมเพิ่งได้อีเมลจากลูกอ่าโรงเรียนของลูกสาวเมื่อวานนี้ค่ะ ว, ว่าลูกเอ่าไปใกล้ชิดกับคนที่มีโควิด แต่ว่าแต่เขายังให้ลูกไปโรงเรียนได้อะค่ะแต่โยมรู้สึกว่าถ้าโยมมาที่ทํางานโยมไม่รู้ว่าโยมเจอเจอลูกเมื่อวานแล้วเราจะถ่ายเทเชื้ออะไรกันไหมก็ก็เกรงใจเพื่อนร่วมงานก็เลยว่าเดี๋ยวจะกลับไปขอเจ้านายไปแล้วเมื่อกี้ว่าขอทําที่บ้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. จนกว่าลูกเราจะไปตรวจเขาให้ตรวจวันศุกร์คือสมมติเรารู้ว่าเราใกล้ชิดกับคนนึงเราไปตรวจทันทีไม่ได้อะค่ะมันต้องรอสามถห้าวันนะคะถ้าเป็พักตัวก่อน ใช่ค่ะก็เลยรอวันศุกร์ก็ไปตรวจแล้วก็ถ้าไม่มีก็วันจันทร์ก็กลับมาทําใหม่นะคะค่ะก็เลยเออมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้เราโป้งหนุยมตอนนี้ยมก็ไม่กลัวละมาก็มาก็มามาก็ตั้งรับไม่รู้ว่ามันจะเลี่ยงได้ยังไงนะเพราะมันใกล้ตัวมาจริงๆค่ะทำใจทำใจมัดูเบี้ยเฉยๆไปใช่ค่ะยมก็เตรียมพร้อมโอเคคิดแค่ว่าถ้าเราเป็นเรามีแผนอะไรก็ เป็นอุเบกขาอย่างพระอาจารย์ว่าค่ะเมื่อก่อนจะตื่นตุมมากแต่ตอนนี้ก็แบบเบอร์ช่างมันเถอะมันละลอกสามแล้วละลอกกี่ละลอกก็ไม่รู้ก็อยู่กับมันให้ได้อะไรอย่างนี้ยค่ะ<อ>ใช่ค่ะก็มั น, นเป็นดักก็ไม่ก็ไ ม, ไม่มีแล้วอย่างนี้เราฉีดยาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะ<อ>ใช่ค่ะโยมก็ฉีดสามเข็มแล้วเป็นบูสเตอร์เข็มที่ส<อ>ามนะคะลูกสาวโชคดีที่เพิ่งอายุสิบเอ็ดสิบเอ็ดเขาให้ฉีดแล้วอะค่ะ<อ>ก็ ก็โชคดีหน่อยค่ะก็ตอนนี้ก็คือเฝ้าระวังพอดีคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยก็ก็แค่เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นเองแต่ก็บอกให้เขาป้องกันนะคะคะค่ะก็วันวันนี้มีอะไรค่ะพระอาจารย์แค่ได้ยินพระอาจารย์กับเพื่อนๆนท่านอื่นคูดคุยยมก็ดีใจแล้วค่ะค่ะพระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะโมทนาสาธุนะคะถือคุณธมนั่เชิญธรมั่ อยู่ที่ไห น, นกรับนมัสการอาจายน อ, อยู่กรุงเทพค่ะมีคำถามอ ะ, อะไรไะลูกไปปฏิบัติธรรมอะค่ะแล้วก็พยายามพอกลับมาก็นั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมเยอะหน่อยแล้วก็พิจารณาแล้วก็รู้รว่าพยายามพิจารณาว่าตัวเองคิดอะไรรู้สึกอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ภาวะ เวลาเราออกจากสมาธิอะค่ะเหมือนกับมันมีตัวกรองที่เราไม่รู้สึกตื่นทั้งไม่คิดแล้วก็ไม่พูดในสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหมดเลยอะค่ะพระอาจารย์คือเหมือนมั น, นมันพูดมีสติคอยกันกรอนแล้วแต่ว่า ภาวะนั้นถูกต้องแล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์ยคื อ, อพูดเหมือนพูดก็ไม่ได้เลยแม้แต่พอจะไปถือปุ๊บมันจะหยุดทันทีอะคะ่ะพระอาจารย์<ม>แล้วก็ อ, อแต่ว่าพอเรามาใช้ชีวิตประจําวันในการทํางานเราจะแบบเหมือนทําไม่ได้อย่างเต็มที่อะจากักรองเยอะมากก็เลยกําลังหาจุดบาลานซ์ของตัวเองอยู่อะคะ่ะพระอาจารย์ว่าแบบไหนที่กําลังพอดีแต่ว่าอันนี้คือ ก็ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ถ้ามันคิดว่าเรากลองมากเกินไปก็อาจจะลดทันันน้อยหน่อยก็ได้กรองเท่าที่จะเป็นการด้วยวันปิดศินปิดธรรมต่างพร้อมถ้าไม่ปิดสินปิดธรรมก็ไม่เป็นไรแวก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนลอง ไม่ลองลดนั่งสมาธิแต่ว่าเป็นฟังธรรมหรือว่าก็สวดมนต์นะคะแต่ว่าพอสวดมนต์ก็พอช่วงที่เหมือนกับภาวะกรองมากๆพอสวดมนต์แล้วยังเหมือนกับเหมือนมันมวูบว่บเยอะเหมือนกันก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบอยู่ในสภาวะแบบไหนก็เลยพยายามมาล้านตัวเองอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็ศึกษาอยู่ค่ะ คือถ้าเป็นการนั่งสมาธิที่ถูกต้องนี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพรนั่งสมาธิที่ถูกต้องจิตก็จะเน่งจะนุ่งเฉยๆไม่มีการคิดการกัดรกรอมม่อนอะไรทั้งสิ้นบางคนเนี่คนยควรจะนั่งสมาธิแบบให้มันเน่งไม่ต้องมีการกัดกรอ่อนถ้ากาัดรกร่อนี้แสดงว่าจิตยังไม่สงบอพอต้องดูเราหายใจไปอย่างเดียวหุือุทโทไปอย่างเดียว อย่าปล่อยให้ใจคิดกันกรอบอะไรต่างๆพอจะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอาจารได้ค่ะเดี๋ยวอลองทำต่อเนื่องดูค่ะพระอาจารย์ขากลับนะสกายขอบคุณค่ะสาธุวันนี้ก็คิดว่าไปที่เป็นุูกมนามีคำถามอะไรนักมนามีคำถามทั้งหมดสิบเอ็ดคำถามเจ้าค่ะ คำถามแรกจากคุณศิริพัฒนกลับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์โยมนั่งสมาธิไม่ได้เลยมันคันไปหมดขอรบกวนพระอาจารย์ช่วยชี้แนะเจ้าค่ะก็นั่งสวนวนไปก่อนนะัน่งสวนวนไปประดานวสติเรายัางมีไม่มากพ อ, อจะนั่งวักกิเลสธรมรมานั่งก็โผลไปมาทําให้เราคันไปถามต่อไปจากคุณภูสีชุมกลับนมัส ก, การครับ ขอโอกาสกราบเรียนถามขอคําแนะนําในการใช้และพิสูจน์ความจริงในการใช้อุปจารสมาธิครับอุปจารสมาธินี่ไม่ควรไปยุ่งไปเกี่ยวด้วยเพราะว่ามันเป็นเิตฌาสมาธิมันไม่ได้นําไปสูป่การบรรลุทุนจากความทุกข์ได้ยิ่งอย่าไปสนใจให้อยู่ในอั ป, ปนาสมาธิอยู่ในอยู่ในขัิกาสมาธินั่งนิ่งสัตวรูปไป คำถามต่อไปจากคุณสุขทุกอยู่ที่ใจมีลมหายใจเป็นเพื่อนขอคำแนะนำผู้ปฏิบัติใหม่ครับว่าในแต่ละวันของหนึ่งปีแรกควรปฏิบัติอย่างไรผมฟังธรรมของครูอาจารย์หลายรูปในแต่ละวันรู้สึกสับสนและหาหลักยังไม่ค่อยได้จึงขอความเมตตาจากพระอาจารย์ด้วยครับก็โดยหลักการปฏิบัติธรรมก็ต้องฝึกสติการจะริสติตลอน เมื่อตื่ดตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปแล้วพอมีเวลาว่างก็นั่งหลับตานั่งสมาธิไปทําอย่ำนี้ไปสะลับกันระหว่างการเจริญสติของการนั่งสมาธิเม ว, ว่าเราสามารถเข้าสมาธิได้อย่างเข้าแท่วงว่อ ง, ววงไวสงบได้นานเวลาออกจากสมาธิมาก็เริ่มสอนใจให้เห็นความเป็นความไม่เที่ยงแท้แ น, น่นอนของสิ่งต่างๆที่เรา เกี่ยวข้องด้วยเช่นร่างกายของเราก็าไม่แน่นอนเกิดร่างหนึ่งก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ใช่ตัวเราของเราห้ามมันบังคับมันไม่ได้คิจดชนะด้วยปัญญาเพื่อป่อยว่าทั้งร่างกายเราร่างกายของคนอื่นทั้งสิ่งของต่งางๆที่ร่างกายเราครอบครองไว้ก็เป็นของไม่เที่ยงแท้นแน่นอนวันใดวันหนึ่งก็จะมีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดา ถอนเพื่อนจะได้ไม่ไปยึดเป็นติดเวลาเกิดการพัาดพากอยากตันจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจคำถามต่อไปจากคุณสุขินน้อมกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายสภาวะจิตเสื่อมที่หลวงตามหาบัวท่านเคยเทศนาสอนไว้ก็ผมไม่เข้าใจครับเราก็จิตเสื่อมอยากสมาธิไงตอนที่ท่านปฏิบัติท่านเคยเข้าสมาธิได้ พอท่านมาทำกิจกรรมอย่างหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เจริญสติกอจกรรบเข้าไปสมาธิก็เข้าไป ไ, ป ไ, ไม่ได้นี่นะจิตเสื่อมจากสมาธิคาถามต่อไปจากคุณภูสรีชุมเลนฝากคำถามขยายตัวกรุณาเจตสิท์ได้อย่างไรบ้างครับอะไรเป็นเหตุครับอะไรนะว่าจะขยายตัว กัลุณาเจตสิกได้อย่างไรบ้างครับอะไรไ<ม>เน ส, สไิไม่ทราบไม่ไม่ทราบไม่เข้าใจาครับคำถามที่อขอผ่านคำถามต่อไปจากคุณอู๋กราบพระอาจารย์ขยายความอุทธะในนิวรณ์ห้าเป็นตัวขัดขวางการปฏิบัติธรรมอย่างไรเจ้าคะเก็ความฟุ้งฟุ้งซ่านเวลานั่งสมาธิก็อยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ริตบตอกังวลห่วงายถึงนั่นสิ่งนี้อยู่ ทำให้นั่งสบาีิพูดโธไม่ได้โนโลงมงาใจไม่ได้นี่คุณสรางคถามต่อไปจากคุณอรนิชาน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์หนูจะไปทำบุญวันเกิดที่วัดป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางวัดมีโรงทานด้วยและเคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมมาก เครื่องดื่มหนูสามารถถวายน้ำลิ้นจี่น้ำองุ่นเป็นน้ำปานะได้ไหมเจ้าคะวันที่ส4ี่มกราคมนี้เป็นวันเกิดของหนูหนูน้อมกราบพระอาจารย์ขอความเมตตาหนูและลูกรักษาศีลห้าเสมอทุกวันเจ้าคะ่ะขอพระอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกหลานลูกศิษย์ตรับนานเท่านานด้วยเจ้าคะ่ะด้เครื่องดื่น้ำผลไม้ท้าไม่มีไม่มีเนื้อก็ใช้ได้ถ้าเป็นน้ำเนืน น้ำมะม่น้ำนิจจีน้ำแอปปิ้ไวกนี้ได้มีสองคำถามจากคุณสมียนคำถามแรกขอถามพระอาจารย์ครับในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ว่าพระห้ามรับเงินรับทองหรือห้ามยินดีในเงินแต่ทุกวันนี้พระยังรับเงินอยู่ครับผมสงสัยว่า พระอ่านเจอแล้วไม่เอาตามคำบัญญัติของพระพุทธเจ้าหรือว่าพระมาบวชไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกครับก็มีทั้ง พ, พระพุทธเจ้านอกจากมาให้รับแล้วท่านตอมาท่านก็ให้รับได้แต่ว่าไม่ให้เก็บไว้ด้วยตัวตัวเองให้ฝากคนนไว้สวันนี้พระท่านกเลยฝากคนหนไว้เพราะว่าบางทีมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อของบางอย่ที่ไม่มี เช่นนอทีอยุดยาที่ไม่มีคนก็ไม่ได้ถอายยาที่เราต้องการจะใช้ก็อนุญาตให้เอาเงินที่ฝากเงินกับลูกศิษย์นี้เอาไปเอาไปซื้ อ, อยาให้ได้แต่แม่ใหพระเป็นคนซื้อเองไม่ให้เป็นาพาะเป็นคนเก็บเงินเองให้ฝากไว้กับลูกศิษย์ถ้าเวลาต้องการยาเรืออาหารเรือจีวรหรือคล้องจป็นที่ต้องใช้ก็ให้ลูกศิษย์ไปซื้อให้นี่คือ อันนี้โอมก็ไม่ได้อ่านโยมก็จะอ่านแต่ห้า ม, มอย่างเดียวจะไม่ได้อ่านภาพต่อมาพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้พระรับเงินได้แต่ไม่ให้ให้ฝากไว้กับลูกศิษย์ลูกหาอีกทีเนี่ยท่านคำที่สองของคุณเสมียนท่านพระอาจารย์ครับในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ว่าห้ามสร้างรูปใดๆทั้งสิ้นมาแทนพระพุทธเจ้าครับแต่ทุกวัด มีรูปปั้นและรูปทองเหลืองมีทุกวัดครับขอพระอาจารย์ช่วยที่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามพระพุทธเจา้าเองแต่บอกว่าพราะบิดาูปไม่ใช่พระพุทธเจา้าถ้าใครอยากจะเข้าถึงพระพุทธเจา้าให้เข้าอ่านทางธรรมผู้น ด, ด้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตท่านพูดอย่างนี้แต่ถ้าไม่ได้มีบัญญัติห้ามไม่ให้สร้างพระพุทธลูกค่าถามต่อไปจากคุณ spbp ถ้าตั้งเป้าหมายว่าชาตินี้หวังจะเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างน้อยการเจริญสติจาเป็นต้องให้ถึงจิตรวมสักครั้งหนึ่งหรือไม่ครับกรณีถ้าจิตไม่เคยรวมแม้แต่ครั้งเดียวสามารถพอที่จะเอาไปเจริญปัญญาจนถึงโสดาบันได้หรือไม่ครับไม่ได้ล่ะต้องรวมเนะไม่ใช่รวมแค่ครั้งเดียวรวมหลายๆาครั้งจนกระทั่งชำนาญรวมได้ตลอดเวลาทุกวันทุกเวลา ถึงัะไปเจริญปัญญาไนดะ้คุณถามสุดท้ายจากคุณ ว, วรวรีรบกวนขอเรียนปรึกษาปัญหาคุณพ่อป่วยสมองเสื่อมและซึมเศร้าแล้วเรารู้สึกสัมผัสได้ถึงความทุกนั้นรู้สึกสงสารมากพยายามช่วยเต็มที่ได้แต่เรื่องบางเรื่องแต่บางเรื่องเป็นเรื่องของความคิดจิตใจก็จะช่วยไม่ได้เลยคะ่ะ ตอนนี้รู้สึกทุกข์และเหนื่อยมากค่ะขอพระอาจารย์แนะนำว่าควรทำใจอย่างไรค่ะถ้าทำใจว่ามันเป็นเรื่องของคุณพ่อครบร่างกายคับเป็นร่างกายของุพ่อครับไม่ใช่ร่างกายของเราเราไม่ต้องไปแบกความทุกข์ของคุณพ่อคของใครของมันนับว่าทําอะไรไม่ได้แบกแบกความทุกข์ก็ไม่ได้ไปทําให้ความทุกข์ของท่านบรรเทาลงไปได้อย่างไดเรนั้นเราก็ต้่งคอยมาดูแล ตัวเราด้วยอย่าให้ตัวเราต้องไปทุกกับเรื่องของคนอื่นโดยใช่หมดแล้วใช่ไหมถามหมดแล้วเจ้าค่ะหมนแล้วก็คิดว่าหน้าพอสมควรแก่เวลานะว่าถ้าทุกข์ขับเก้านทีแล้วก็คิดว่าขอายุติการสัมนาธรรมไว้สำหรับ อ, อาทิตย์นี้ไว่เพียงเท่า น, นี้แล้วว่าอาทิตย์หน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงจะได้พบกันอีกครั้งหนึง่ง ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจิติจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด